ริบตาต่อมาชัยยันก็เพนขึ้นออกแล่นสวนควันตรงเข้าไปยังมุมหักโค้งนั้นทันที้ดยมีมาเรียโจรไล่หลังมาติดๆสาดไฟฉายในมือจ้าออกไปยังทิศทางที่เห็นเจ้าของเงายืนอยู่ก่อนกระสุนจะลั่นเหมือนผีหลอกนอกจากแนวฝุ่นอันเกิดจากกระสุนฉลับกินหินเป็นทางขาวเวอร์ตามพื้นผนังและแง่โขดอันงอกอยู่เกะ ก, กะทั่วไปแล้วก็ไม่ปรากฏสิ่งใดให้เห็นอีกทั้งสิ้น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 ระหว่างที่เขายืนกัดฟันกรดสะบดกูเกลกียวอยู่นั้นก็ปรากฏเสียงหัวเราะแหบเ้าอย่างเยอะยันดังมาจากซอกคูหานะมันดังเบาๆเท่านั้นมันไปทางช่องนั้นมาเรียนละล่ำละลักชีบ้บอกชายยันก็ถลันพรวดออกจากที่กวดไปตามไปอย่างลืมตายหนทางนั้นเล็กแคบขนาดพอไปกันได้ในลักษณะเรียงสองพดานเบื้องบนสูงขึ้นไปเพียงสองเมตร และพื้นเล่าก็ครูกระตะปุ่มตะป่ําไปด้วยหินปางวิ่งไล่าตามเสียงไม่ลดละเสียงหัวเราะนั้นดังแว่วมาจากเบื้องหน้าเหมือนมันจะหัวเราะอยู่ไม่ห่างออกไปนักนี่เองชั่วครู่เดียวของการกวดตามโดยไม่คํานึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นก็มาทะลุออกทางแยกลักษณะเหมือนเส้นทางเขาวงกลมอีกตอนหนึ่งเป็นห้องครูหากว้างและมีทางแยกไปมากมายชวนให้งงอีกครั้งทั้งสองหมุนตัวไปรอบๆบ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 เต่นทิศทางตรงข้ามกับที่เสียงของเจ้าพีดิพันปีหัวรอกป้องมาได้หยินเ ง, งานั้นวิ่งปราตัดหน้ามาเรียกับชายันในความมืดสลัวนั้นทำให้เห็นเป็นเงาตะคุม่มลักษณะเสมือนลิงหายแวบเข้าไปยังปากทางอีกด้านหนึ่งปรากฏการประหลาดที่แทรกดักหน้าขึ้นยางกระทันหันทำให้คนทั้งสองต้องชะงักชยันคว้าไหลมาเรียไวยอะไรตัดหน้าเห็นหรือเปล่าเห็น ดูมันเหมือนลีกหลอนร้องตอบแล้วฉายไฟตรงไปยังด้านที่เงานั้นวูบหายไปชายันสองไฟของเขาอีกระบอกหนึ่งช่วยคนท่ามกลางความเงียบส ง, งดนอกอากได้ยินเสียงหัวใจเต้นระทึกไม่เป็นสันนปางก็แว่วเสียงหนึ่งดังมาเบาๆจากซอกถินปากทางตำแหน่งที่ฉายไฟจัดทันทีที่มันแว่วเข้ามากระทบโสดปราศปางก็จาได้เป็นอย่างดี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 ในสภาพของสัตว์ประหลาดสารรูปพิกลพิการชวนสังเวชละคนไปกันหน้าสะพึงกล่เจ้าจ่าฝูงของผีกองกอยตัวที่เคยดูดพิษตะขาดช่วยชีวิตชัยันไว้แล้วในครั้งหนึ่งขยับขยื้อนกายของมันออกมาให้เห็นถนัดยิ่งขึ้นดวงตากลมโตบนใบหน้าอันเหี่ยวย่นรุงรังไปด้วยขนของมันจ้องตอบแสงไฟแล้วมืออันประกอบไปด้วยเล็บหน้าเกลียดก็ยกขึ้นโบอกอยู่ไปมา ชายันและมาเรียกระประทับไรเฟิลจ้องค้างจริงไอกองกองตัวนั้นน่ะเองชายันรีบร้องตือนมาเรียเร็วปรือเรกรงว่าหล่อนจะยิงออกไปไปไงมาไงกันนี่มันวิ่งตัดหน้าเราแล้วก็โผล่มาทำหน้าเหมือนจะบอกอะไรยังงั้นแม่สาวพูดขอบอกชายันจ้องร่างน้อยน้ยนั้นด้วยหัวคิ้วที่กระตุกเข้าหากันอย่างพยายามจะอ่านท่วงท่ากิริยาของมัน มันโบกมือรู้สึกคล้ายๆจะห้ามเราอย่างนั้นเห้ามไม่ให้เราตามไอ้ผีดิบนั่นไปด้วยภาษาบ้ายและด้วยอากับกิริยาราวกับสามารถจะยังรู้อ่านใจมนุษย์ทั้งสองได้จากฝูงผีกองกอยซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่คาดฝันคงโบกมือวุ่นวายอยู่เช่นนั้นอาการของมันลุกลี้ลุกลนต่อมาระหว่างที่ทั้งสองจ้องตะลึงมองอยู่ มันก็วิ่งมายังปากทางที่เจ้าผีดิบมันไรล่วงหน้าเข้าไปก่อนยืนขวางทางไว้มืออันประกอบด้วยเล็บเยี่ยวทั้งสองยกขึ้นกลางแผยออกไปเป็นความหมายขวางกั้นไวชัดที่สุดมันห้ามเราไม่ให้ตามไอ้ผีดิบนั่นเข้าไปชายันอ่านรหัสออกมาอย่างตื่นตื่นทำไมเหอมันมาดักหน้าห้ามเราไวทาไม ก็อาจจะมีอันตรายรอคอยเราอยู่ข้างหน้าก็ได้ที่ทียังไงมันก็แสดงตัวมาก่อนแล้วนะว่าเป็นมิดกับเราขาดคำของชา ย, ยันเจ้า ก, กองกอยพูดแสดงอาการห้ามทักท้วงอยู่ก็เดินกลับไปยังทิศทางเดิมที่มันแล่นเข้าไปหลบอยู่แล้วโบวกมือบุยใบยเป็นสัญญาณเหมือนจะให้ทั้งสองตามเข้าไปทางก็เดินนำล่วงหน้าไปก่อนอย่างรีรรอร อ, อยังปากโมงด้านนะเจ ย, ยังไงกัน มันทำกิริยาบอกให้เราตามมันไปนะมาเรียขอความเห็นอย่างมึนงงตัดสินใจยังไงไม่ถูกแล้วคุณล่ะคิดยังไงเพื่อนร่วมตายของเขาหันไปมองยังช่องทางที่มัมมี่พันปีส่งเสียงหัวเราะล่อให้ติดตามไปอีกครั้งในตาวาวโรุขณะนั้นเสียงหัวเราะแหบแห้งราวกะพอมุดรารของมันก็แววมาอีกสะท้อนไปทางครหาพัศ เพื่อนเรามาขวางหน้ายับยั้งไว้เช่นนี้แล้วก็ควรจะต้องเชื่อสินะฉันรู้สึกเหมือนคุณนะว่ามันไม่เหมาะนักถ้าเราจะตามไอ้ผีดิบนั่นเข้าไปเพราะเจตนาของมันก็สอเห็นแล้วว่าต้องการจะล่อให้เราตามไปและนั่นก็จะต้องเป็นอุบายร้ายที่เตรียมเอาไว้แล้วเอาไว้ว่าลองตามเพื่อนของเรานี่ดีกว่าสถานการณ์ของเราอาจดีขึ้นสังหรณ์ในเรื่องรายที่รอรับอยู่เบื้องหน้า ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุผลชวนให้คิดทำให้ทั้งสองต้องเปลี่ยนเข็มในทันทีนั้นพร้อมกับความรอบคอบที่ผุดขึ้นภายหลังจากใช้สมองใกล้ครคึงการจะหลงกลทล่มตามติดเจ้าผีดิบมันไรเข้าไปย่อมไม่เป็นการสมควรแนะ่เพราะต่างก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรดัดคอยอยู่เบื้องหน้าทั้งภูมิประเทศอันเป็นซอกโพรงเรนลับของอุโมงค์ใต้ภูเขาก็ยังเปรียบเสมือนถิ่นของมันโดยเฉพาะ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 มาเบื้องหลังทุกระยะเดี๋ยวกลับไปส่องไฟครั้งใดก็เห็นแต่ความว่างปลัดนอกจากผนังโขดหินอันสลับซับซ้อนซึ่งบางเหลี่ยมซ้อนมุมกันอยู่เป็นเงาตะคุม่มทั่วไปเท่านั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นฝ่ายตามเราใช่แล้วล่ะนะชัยยันกระสิบใช่แต่คราวนี้ไม่ใช่ไอผีตายซากนั่นแต่มันคือไอโครงดายักษ์ตัวนั้นหล่นต่อ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 จากการโกรธลุกไล่อยู่เมื่อครู่พิสูจน์ให้ทราบชัดได้ทันทีว่าหากเจ้ากองกอยไม่มาดักหน้ายับย่างไว้สะก่อนอีกเพียงไม่กี่อึดใจของการโกรธตามมันไรไปมือตะยูย่อมรอคอยอยู่แล้วและอย่างได้เปรียบทุกประตูร่างน้อยสันฐานเหมือนหลิครึ่งเดินครึ่งคานนำเลี้ยวไปเบื้องหน้าและเห็นได้จากแสงรางๆงที่ลอดแผลออกมา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 การนำไปนั้นอย่างรีบร้อนระหนักดีว่าทุกลมหายใจที่ล่าช้าไปมันหมายถึงอันตรายที่จะมาถึงตัวมากขึ้นเท่านั้นขณะเดียวกันก็ต้องคอยระวังหลังไว้ตลอดเวลาชายันผลักส่งมาเรียให้ล้าหน้าขึ้นไปก่อนขณะที่ไตขึ้นระดับสูงตอนหนึ่งตัวเองปิดท้ายอยู่ด้านหลังจากทางสายใหญ่ที่ค่อนข้างกว้าง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 กรีดกริงไปหมดและนั่นคือดนตรีของไพรทึบมาเรียผู้ชำนาญอยู่ในรหัป่าก็หูพึงขึ้นในบัตรนั้นพยายามตะแคงหูฟังถ้าผมไม่ฝาดสาบานว่าฉันได้ยินเสียงจักระจันนะผมก็ได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเสาะหินเบาๆอยู่ข้างหน้าด้วยถ้างั้น ป่าใหญ่ก็จะต้องอยู่ข้างหน้าเราไม่ห่างออกไปนะักเราเรีบไปกันเถอะชายยันยันกายออกจากก้อนหินที่ครึ่งนงั่งครึ่งยืนพักกายอยู่เอามือตบไหลมาเรียผู้ยืนคว่ำพังภาพค่อมก้อนหินอยู่เบื้องหน้ารวบรวมกำลังเดินต่อไปด้วยท่าโธรหดเท่าที่พระเจ้าจะประทานมาให้แก่มนุษย์พอบรรลุถึงตาแหน่งที่เห็นเจ้ากองกอยยืนอยู่เป็นครั้งสุดท้าย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 และป่าอันแห้งแล้งที่กลมผ่านกันมาแล้วเย็นยะเยือกวังเวง่งและอากาศอับชื้นแบบดงดิบสีสัตว์รื้อคลานและแมลงมีปีกกริ่งร้องกันแซดระงมตามพงรกริมฝั่งห้วยและบนคาคบไม้ที่สูงขึ้นไปบนยอดไม้ลิบๆิปกคลุมไปด้วยหมอกขาวหมวู่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 บอกอยากเหลือเกินเรามองเห็นท้องฟ้าไม่ถนัดฟ่ามันทึบไปหมดแต่ที่พอจะคะเนได้แน่ก็คือทิศตะวันตกอยู่ทางด้านนี้หลอนชี้มือไปทางยอดเสลียงใหญ่สูงเด่นประดุด ช, ชัดมหายักษ์เคียงขนานกับต้นศัก์โบราณซึ่งชูยอดอยู่เหนือระดับยอดไม้อื่นๆทั่วไปในละแวกนั้นและบอกต่อมาว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาสักบ่ายสี่โมเศษเศนะ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 ในสภาพเช่นใดมาเรียตัดกิ่งไม้สดเสียมแหลมเสียบปลาเตรียมย่างในขณะที่ชายันขนเศษไม้แห้งซึ่งมีอยู่มากมายทั่วไปมากองสมเป็นฟืนและจุดไฟขึ้นระหว่างที่ช่วยกันเป่าเพื่อไฟติดเป็นเปลวพอที่จะใช้ย่างปลาได้ทั้งสองหาหรือกันไปถึงสัพพปัญหาที่ประดังแวดล้อมคุกคามอยู่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 ที่ถึงไพยวันนะก็าตายแล้วหรือยังเนาะมารียรำพึงขึ้นปเปรืงชายันก็พรันระลึกถึงบุรุษผู้นั้นขึ้นมาอย่างจับใจนอกเหนือไปจากความห่วงถึงเพื่อนทั้งสองและบุคคลผู้ร่วมคณะอื่นๆถูกแล้วรับพินไ พ, พวันยอมพรานผู้เกลียงยกลยผู้นั้นเดี๋ยวนี้เขาอยู่เชที่ไหนจะรู้บ้างหรือไม่ว่าสองชีวิตในคณะ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 ที่เกิดขึ้นอย่างวูบวาบแล้วก็เงียบงันกันไปอีกต่อมาช ย, ยานก็ถามว่านี่คุณไม่คิดถึงเจ้าสางปลาคนของคุณมากงเหรอเมฆคันฐานชนิดนั้นเรียกรอยยิ้มขึ้นที่ริมฝีปากของมาเรียเธอเหลือบมองหน้าเขาอ๋อเจ้าสางปลาขี้ลิงของฉันน่ะเหรอถามทำไมมันเป็นคนรับใช้หรือท่าที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณนะ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 บอกให้พรานใหญ่ระพินไพรวันเองความจริงน่ะนอกจากระพินแล้วพวกเรามีพรานมือดีร่วมคณะอยู่หลายคนนอกเหนือจากพรานหนุ่มๆที่เราถือเพียงแค่ลูกหาดแล้วบุญคำขยิณและจันคนเหล่านี้ยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นก็น่าจะมีความหวังอยู่บ้างละ ว, ว่าถ้ามือดีๆของเราคนใดคนหนึ่งยังเหลือรอดชีวิตอยู่ได้เราก็พอมีทางรอดอยู่เหมือนกัน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 คงร่างลึกลับอยู่ในลักษณะพูดพรโดยมีวิญญาณอื่นเข้าสิงถ้ารพินยังเป็นรบพินและแง้ า, ายมีสมองจิตใจอย่างแง้ท า, ายป่าที่ปิดมืดมันจะต้องถูกเปิดให้สว่างออกไปจนได้คุณเชื่อไหมละ่ะไฟติดเชื้อได้ที่ลุกสว่างโชนขึ้นกินลงไปถึงเศษใบไม้แห้งที่ปกคลุมพื้นอยู่ และเริ่มไหม้ลามขยายแนวออกไปชายันคอยเอาไม้เขี่ยให้มันลุกจํากัดอยู่เฉพาะในกองส่วนมาเรียเอาปลาที่เสียบไม้ขึ้นไวย้ยากโดยใช้ก้อนหินเป็นคารสสำหรับาพาดไม้บัดนั้นเองไฟยังไม่ทันจะแลบเรียปลายสุดด้านหนึ่งให้แห้งไปปรากฏตะการพิษดานพันลึกชนิดหนึ่งก็อูบัติขึ้นมันยิ่งกว่าฟ้าพาลงมาโดยไม่มีพยัาฝน พื้นที่ทั้งสองนั่งย่างปลาอยู่เริ่มขยับขยื่นไหวโครงเล็กน้อยพร้อมกับแผ่นดินลั่นคึกชายันผู้กําลังนั่งจ้องมือดูกองไฟเงยหน้าพรวดขึ้นจ้องเพื่อนสาวผู้อยู่คนละฝ่ากองไฟร้องมาเบาๆเอะเมผมรู้สึกเป็นนาไปซะแล้วทําไม่แผ่นดินมันโครงไหวยังไงบอกไม่ถูกก็เห็นว่าบัตรนี้มาเรียก็ตาเหลือกโครงหน้าซีดเปื้อนกระซิบออกมาเสียงสั่นตะกุกตะกักคุณคุณไม่ได้เป็นนายหรอก ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันดูที่กอไม้นั่นสิมันสั่นไหวได้ด้วยไม่ทันจะขาดเสียงแผ่นพัด ส, สุทธาที่มนุษย์ทั้งสองนั่งกอ่อไฟอยู่ก็สั่นโยกอีกครั้งคราวนี้มันแรงจนศีรษะของคนทั้งสองคำมามไปพร้อมกันก็ปรากฏเสียงคลื่นครั้นราวกับแผ่นดินไหวถลม่มทั้งกองไฟและทั้งคนที่นั่งกันอยู่ถูกพื้นดินตรงบริเวณ น, นั้นเคลื่อนขยับให้เลื่อนห่างจากชานหินตรงโคนต้นจิกออกมายังมองเห็นชัด ระหนึ่งว่าขึ้นไปอยู่บนเรือชาลาขนาดใหญ่ซึ่งเริ่มเคลื่อนออกจากที่หนีเร็วเราขึ้นมากอไฟยอยู่บนหลังตัวอะไรก็ไม่รู้ชายยันตะโกนสุดเสียงกระชากแขนมารียผู้ยืนพะวะพะวงส่วนเสสียหลักอยู่กระชากออกวิ่งพุ่งหลาลงจากบริเวณที่มองครั้งแรกว่าเป็นเนินปลวกลงไปกลิ้งอยู่ในพุ่มไม้ริมทางอีกด้านหนึ่งอย่างขวัญหนีดีโฟอความรู้สึกยาม น, นั้นประหนึ่งว่า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 ศาสตร์สังการอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือออกวิ่งไปเบื้องหน้าไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถเหมือนวิ่งหนีธรณีสุขหรือมิฉะนั้นก็หนีแผ่นฟ้าที่มันกําลังจะคว่ำถล่มลงมาทับหัวแล้วก็มาสะดุดก้อนหินล้มคว่ําคำมําหน้านอนจวนตัวเกาะกันย่องปรกากฏการประหลาดดุดปลาอานอนพลิกตัวนั้นด้วยดวงตาอันเหลือกลานอยู่ริมก้อนหินใหญ่ ใต้ต้นรังหมดชิ้นกําลังวังชาที่จะขยับขยื่นเคลื่อนหนีอีกต่อไปเสียงดงหักถล่มอื้อๆเสียงแผ่นดินลั่นและอำนาจสันสเทือนที่ไหวมาถึงบริเวณที่นอนหมอตัวสั่นกันอยู่มันคงปรากฏเป็นภาพฝันร้ายอยู่เช่นนั้นดินหินและกองใบไม้แห้งตลอดจนพันไม้เล็กในละแวก ข, ข้างเคียง บัดนี้เรากบมีใครมาโกยขุดทะลักล้นกองสูงไหวยวกยากขึ้นมาเหมือนคลื่นใจต่อมาของความรู้สึกที่มอดดับตายสนิทไปช่วงขนาดนั้นเองทั้งสองที่นอนกอดกันแน่นอยู่ในขณะ น, นี้ก็แงนขึ้นไปและเห็นขนาดกับต้นเสลียงยักษ์ที่ชูลำต้นะลูเยี่ยมเมฆอยู่บนเนินเขาลำต้นนั้นดำสนิทของอะไรอีกชนิดหนึ่ง โผล่แทกขึ้นมาเทียงแต่ว่ามันปราศจากกิ่งใบมีแต่ลำต้นเฉยๆซึ่งค่อยๆชู ง, งอกพ้นยอดไม้อื่นๆแทกขึ้นมาทีละน้อยครั้งแรกก็โผล่พ้นแนวยอดงิว้วต่อมาก็ยืดยาวสูงขยับขึ้นไปอีกมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งอยู่ในแนวเดียวกับกลางลำต้นของเสลี่ยง แสงแดดอ่อนของตะวันที่กำลังจะลับขอบเขาสา์จับแลทมึนมามเมื่มมันระยับแฉกสีแดงราวกระสายฟาแลพุ่งอยู่แปลปราบออกมาจากส่วนยอดอันเป็นลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เห็นดวงตาที่ฝังอยู่ในขอบสูงสองด้านของรูปสามเหลี่ยมปลายยอดนั้ น, นรัชชุยมันหาใช่ต้นไม้ซะแล้วไหม มันเริ่มโอนเอ็นแวงไควไปมาแล้วก็หมุนไปรอบๆพรส อ, อมกับลิ้นที่แลบทวัดปลปลาเป็นจังหวะทีเร็วอยู่เช่นนั้นทรงกลมมห่คือมาบริเวณคอบบบนี้ก็แผ่แบนกวางออกไปกวางออกไปเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนม่านดำขืนใหญ่ที่เอามายืดขยายขวางกั้นตะวันไว้ส่วนด้านล่างเล่า ดินก็ยังสั่นสะเทือนเพราะการลากลื้ยขมมดตัวท่อนปลายอยู่เช่นนั้นงูมาเรียร้องออกมาได้คำเดียวก็ช็อกหมดสติพับแน่นิ่งไปในวงแขนของชา ย, ยันด้วยความตกใจกลัวสุดขีดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนชา ย, ยันเหงื่อการแตกพลักระดิกกระเดียกกายไม่ได้จ้องค้างจังหนัง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 แต่จะขยายส่วนขึ้นไปเป็นอัตราสัดเท่าใดนะ่ะคำนวณไม่ได้ส่วนหัวชูดระงงานแพรพังพานอยู่เทียมต้นเสลียงยักษ์อยู่โน่นแล้วส่วนหางอยู่ที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่ป่ากําลังลั่นทลายเพราะอาการเลื่อยวาดตัวครั้นแล้วศีสศันสายโอนเอ็นอยู่ไปมาเหมือนจะสอดมองค้นหาต้นเหตุที่เข้ามารบกวนความสงบนั้นก็หยุดม่อ หันมาทางมนุษย์ทั้งสองซึ่งซุกตัวอยู่ใต้ก้อนหินอันแลไม่ผิดอะไรกระมดหลวกประดุดว่าได้เห็นเป้าหมายเข้าแลว้วหากจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมาบอกได้แต่ในความรู้สึกของชา ย, ยันายามนี้คล้ายๆกับว่าต่างฝ่ายต่างจ้องตากันอาจเป็นเพราะอำนาจพระพุทธคุณที่เขาระลึกถึงและสวดมนต์ภาวานาอยู่ในขณะนี้ก็ได้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 ด้วยมรณานุสติที่ชัยยันยึดมั่นอยู่ในยาม น, นี้ครั้นแล้วราวกับปาติหาริย์ศีรษะอันแผ่แม่เบีย้ยสูงระงานเทียมยอดไม้ใหญ่นั้นก็ค่อยๆลดต่ำลงมันต่ำลงทีละน้อยอย่างสงบเยือกเย็ยนในที่สุดก็กลืนหายไปในเงาบทบางของยอดปาทึบเชิงขุนเขา จากนั้นก็มีเสียงเลือยเคลื่อนตัวอย่างแช่มช้าราวกับพายุอู้ไปทางด้านตะวันออกแผ่นดินไม้ไล่ลั่นคึกๆๆห่างออกไปเป็นลำดับกระทั่งในที่สุดก่องเงียบสนิทหายไปทุกสิ่งทุกอย่างคืนสูด่ดุษณีภาพเหมือนเดิมราวกับเป็นภาพพิพานเข้ามาในความฝันเท่านั้น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 มากกว่าที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทเลื้อยคลานแท้จิเจ้าป่าผู้สำแดงตนให้เห็นในรูปของอสรพิษมหายักษ์เพื่อเตือนให้ทราบถึงการล่วงล้ำเข้าเขตอันห่วงท้าแล้วก็ยินดีที่จะรับการสมาลาโทษพร้อมท้งเปิดทางห่ามันน่าจะเป็นสุพรณิมิตรอันดีเยี่ยมทีเดียวลูกเห็นแล้วเห็นชัดกับตา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 มีเสียงคล้ายฟ้าร้องกระหึมแววมาเบาๆจากขอบเขาไกลแสงไกลป่าที่กำลังมืดสลัวปกคลุมไปด้วยพยับหมอกพลันค่อยๆกลับสว่างเรืองรองขึ้นอีกครั้งด้วยแสยงสุดท้ายแห่งสายันหาการได้ยินเสียงนกนาน า, นาชนิดและจักรจันท์เรไรเริ่มเครียดเสียงสำเนียงกริ่งขับกร่อมไพรเป็นปกติตามเดิม ชายันหันมาทางมิตรในยามยากหล่อนยังคงนอนแน่นิ่งกายอ่อนปวกเบียกอยู่กลางดินข้างๆ้าตายเขาเขาเรีบแก้ไขเขย่าปลุกอย่างรีบร้อนเป็นคู่ใหญ่มารีฮอฟมั่นจึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนคนที่เพิ่งจะตื่นจากฝันร้ายหน้าของแมมสาวซีดราวกระสบทันทีที่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นหล่อนก็พะวาสดุง้ง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 เบือตาโพรงกวาดมองลุนลานไปรอบกายชั ย, ยันยังหลับจับไหล่ทั้งสองไว้กดนิ่งให้อยู่กับที่ยังทำใจดีๆไว้เมเรายังไม่ตายแล้วก็ปลอดภยัยเรียบร้อยดีทุกอย่างทำใจดีๆไว้งูใหญ่ตัวนั้นล่ะชั ย, ยันเข้าไปแล้วเมไปอย่างสงบที่สุดเป็นความผิดของเราเองที่ไม่ดูให้ทีท่วนซะก่อน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 ไม่เคยมีครั้งใดที่ชยยายันจะเห็นเพื่อนสาวผู้กล้าวกล้าอยู่ในอาการหวาดกลัวขวัญหนีดีฝ่อเท่าครั้งนี้แต่ก็ยังดีอยู่ในข้อที่ว่าพอรู้ตัวขึ้นก็ยังพอจะควบคุมสติไว้ได้ไม่ถึงกับเพอ้อบ้าเสียจริตไปเพราะอํานาจการชอ็อกฉันฉันพูดอะไรไม่ถูกละมันหมายความว่ายังไงกันนี่ อยู่ๆแผ่นดินที่เรานั่งกันอยู่ก็เกิดเคลื่อนไหวถลม่มทลายลงมาเรากับแผ่นดินไหวแล้วเราก็เห็นเจ้าตัวมหาญัตมนูคอขึ้นมาเกือบครึ่งลูกเขาเขาคงจะนอนจำศีนิ่งอยู่กับที่มานานแล้วละเมตมันคงจะนานกระทั่งใบไม้และเศษดินขึ้นไปทับถมอยู่นานจนกระทั่งกอไม้เล็กๆอาศัยงอกขึ้นได้จากผิวดินที่สมอยู่บนลำตัว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 อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไหมใหญ่กว่ามากเมใหญ่ซะจนประมาณไม่ได้ไอเจ้ารถด่วนสองกระบวนที่เราปราบได้ที่ลมช้างอะและได้มาเห็นคราบของมันลอกทิ้งไว้ภายหลังซึ่งคุณก็ได้เห็นคราบน่ะเทียบแล้วมันอยู่ชั้นลูกหลานของเจ้าตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นอิทธิฤทธิ์ของเจ้าป่าที่สำแดงตนให้เราเห็นจะมากกว่า อย่ามัวคิดอะไรอยู่เลยเขาไปแล้วไปอย่างดีแล้วเราก็รอดปลอดภัยก็ควรจะพอใจแล้วสองคนรวบรวมสติกำลังอยู่ภักหนึ่งพอสงบอารมณ์ตื่นเต้นเกียนบ้านั้นลงได้ก็วชวนกันค่อยๆย่องกลับมายังโคนต้นจิกแห่งเดิมชัยยันขนลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อพบว่าไรเฟิลทั้งสองระบอกของเขาและมาเรียรวมทั้งสัมภาระเครื่องหลัง ที่ถอดออกกองไว้ตกอยู่ในบริเวณนั้นอย่างมองเินชัดโดยไม่จำเป็นจะต้องคน้คนหาให้เสียเวลาและก็ไม่มีอะไรชารุดเสียหายเลยมันคงอยู่ให้เห็นแม้กระทั่งปลาลำทานที่มาเรียดเสียไม้เพียงแต่คลุกเพื่อนดินไปบ้างเท่านั้นแต่กองไฟที่ก่อไว้กระจัดกระจายหายไปหมดตำแหน่งที่มองครั้งแรกว่าเป็นพื้นดินโลกและขึ้นมาหยุดพักก่อไฟนั้น บัดนี้มันกลายเป็นคูหรือลําห้วยไปซะและ้วลึกจากระดับขอบพื้นดินดิ่งลงไปถึงห้าเมตรเสษแล้วก็กว้างราวกับลำคลองเป็นแนวยาวเหยียดสุดลูกตารวดดินทลายร่วนและพลิกขึ้นเหมือนมีอะไรมาไถคราบไว้ทั้งสองต้องใช้วิธีค่อยๆ ย, ย่อนกายไตยลงไปเก็บข้าวของสัมภาระที่หล่นอยู่เบื้องล่างแล้วไตกลับขึ้นมาอีกครั้ง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 เพื่อหาที่เหยียบยันตัวให้มั่นคงขึ้นแล้วค่อยๆรั้งตัวขึ้นไปดินตรงบริเวณที่หลอนเอามือเหนียวร่วงครูเหลือไว้แต่งแง่หินที่โผล่ออกมาพอหลอห่อนโหนตัวขึ้นไปนั่งได้ถนัดก็เอามูอตะกุยปัดดินร่วนๆที่ปกคลุมอยู่ออกด้วยอาการชงหนเล็กน้อยอีกใจเดียวก็ร้องแหลมออกมาว่าชยยันเร็วมาดูอะไรนี่ ใช่หนุ่มหผลกายตามติดขึ้นมาโดยเร็วจนถึงที่ที่หลอนกําลังก้มพิจารณาหินก้อนนั้นอยู่ขณะนั้นมารีชักมีดโบวี่ออกคุยดิงอย่างรีบร้อนจนกระทั่งหินก้อนนั้นสามารถมองเห็นถนัดขึ้นท้งก้อนและเอามือลูบคลกล้มลงพิจาราด้วยตาอันเบิกกว้างพอดีช ย, ยันตามเข้ามาถึงอะไรเขาถามพร้อมกับจ้องตื่นตื่น ดูให้ดีสิชัยยันแปลกหรือเกินดู้ว่าฉันมองเห็นไปเองหล่อนพูดเร็วหรือภายหลังจากกอมือลูบคลำขมวดคิ้วจ้องอยู่อีดใจชัยยันก็เงยขึ้นมองหน้าเพื่อนสาวต่างผิวลักษณะมันเหมือนสิลาแรงสกัดเป็นก้อนได้ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรับพอดีเหมือนหินที่มนุษย์เอามาก่อสร้างอะไรไว้ในสมัยโบราณ น, นั่นแหละ ปล่าวจบเขาก็ชักมีดของตนเองจากเอวออกมาบ้างอย่างรีบร้อนช่วยขุดคุ้ยแหวกดินตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่พบหินก้อนนั้นโผล่ขึ้นมามาเรียก็ขุดอีกด้านหนึ่งถัดไปชั่วไม่ถึงอึดใจเท่านั้นต่างก็อุทานออกมาด้วยความแปลกใจเหลือที่จะกล่าวศิลาแรงสกัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นหนาประมาณหนึ่งฟุตกว้างยาวด้านเท่าสองฟุต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 ในที่สุดเขาก็ทำลายภาวะอันเงียบงันตื่นตะลึงขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบากว่าตามองไปรอบด้านด้วยอาการพิเคราะห์ต้องเป็นกำแพงแน่ๆแล้วร่องลึกที่งูใหญ่มานอนฝังตัวนี่ก็จะต้องเป็นร่องคูเมืองเดิมนั่นเองมันถูกดินกลบอยู่จนสังเกตไม่เห็นบังเอิญ ง, งูนั้นเลื้อยเคลื่อนตัวพลิกดินขึ้นส่วนหนึ่งของกาแพงกิงโคลขึ้นมาให้เห็น ผมจันิทานว่าที่เราพบนี่คงจะเป็นบริเวณส่วนบนของขอบกาแพงด้านล่างจะต้องจมลึกลงไปในดินกล่าวทางเขาก็ชี้มือไปตามแนวร่องที่เห็นเป็นคูกว้างใหญ่อันเกิดจากการเคลื่อนย้ายตัวของหนึ่งเจ้าบอกต่อไปว่ากาแพงจะต้องอยู่เหนือแนวคูนี่แหละนี่ถ้าเรามีเครื่องมือขุดลงไปก็คงจะเห็นตัวกาแพงโดยตลอดทีเดียว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 มันจะเป็นไปได้ไหมว่า น, นี่คือขอบกำแพงของนครแห่งความหลับนิตรานครของนางพญาพันธุมวดีแล้วก็เจ้าปุโรหิตพ่อมดรายมันไรนั่นชัยยันลกมือลูกเส้นขนบนลำแขนที่ตั้งชันขึ้นด้วยความรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวอันบอกไม่ถูกสิ่งที่เราคิดกันว่าเป็นเรื่องลืไหลลมลแ่มแร ง, แรง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 ลวงว่าพบครูเมืองขอบแนวกำแพงแล้วเช่นนี้ผมว่าตัวเมืองคงจะอยู่ในละแวกไม่เกินสิบกิโลเมตรนี่แหละมาเรียนนั่งลืมตาค้างจ้องไปในราวป่าอย่างปราศจากจุดหมายและพูดออกมาเหมือนรำพึงเพ้อว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยินเสียงฝีเท้ามาเสียงรถสึกและเสีย ง, หงูหรงเสียงอาวุธกระทบกัน เสียงลมพัดกิ่งไม้ไหวเหล่านั้นก็ฟังเหมือนเสียงสนทนาปราศัยพูดจาของชาวเมืองด้วยนะและมันก็เป็นจริงอย่างที่มาเรีย ว, ว่าท่ามกลางความเงียบสงัดของดงทึบนั้นส่วนประสาทของช ย, ยันที่ลั่นอยู่กริง่งกริงอุปทานเหมือนจะแววซ้ำสำเนียงของผู้คนมากมายสัญจรพูดจากันอยู่แท่แท้เหมือนตลาดนัดกลางเมือง ่อมาก็เป็นเสียงคล้ายๆฉากสงครามเสียงโห่ร้องบงการเสียงอาวุธที่กระทบกันอยู่ฉะฉานเสียงคูนรครางแล้วอีกขณะจิตหนึ่งก็เป็นเสียงเพลงรักอันอ่อนหวานผสมผสานไปกับพินและเครื่องดนตรีดีบซน์เสียงสวดมนต์บำบวงเทพเจ้าสำเนียงประหลาดต่างๆเหล่านั้นแววมาสู่จิตสำนึก เหมือนแววมาจากเครื่องบันทึกเสียงที่ปราศจากจังหวะจกักโผมันดังนปนเปรับสนไปหมดชายันสะบัดหน้าแรงๆพยายามจะปลุกประสาทเรียกสติของตนเองกลับคืนมานึกอาราธนาพระให้คลุ้มตัวแล้วก็บังเกิดความอบอุ่นขึ้นจิตใจแน่วแน่ปราศจากการวอกแวกหันไปเขย่าแขนเพื่อนสาวต่างผิวผู้นั่งพะวงอยู่ ให้รู้สึกสติขึ้นมาเมอย่ามัวแต่นั่งคิดฝันอะไรอยู่เลยมืดลงเต็มทีแล้วจัดการบรรจุกระเพาะแล้วหาที่นอนซะ ก, ก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยออกสำรวจจากข้าวเงื่อนที่พบนี่ถึงยังไงตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะมาเรียนเหลียวไปรอบตัวแล้วมือทั้งสองเท้าคางอย่างหมดศรัทธาต่อชีวิตชยันฉจนปัญญามึน ง, งงไปหมดแล้ว นึกไม่ออกนะว่าเราจะขยับขยายไปที่ไหนให้มันปลอดภัยที่สุดอโธก็เลือกเอาแถวนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลอีกแล้วละ่ะก็ถ้าไอตัวมาคืนมานั่นเลือ้อยกลับมาอีกแล่ะชายันยิ้มให้อย่างปลอบใจจับมืออันเย็นเฉียบของหล่อนบีบเบาๆไม่หรอกเมย์เขาจะไม่กลับมาให้เราเห็นอีกแล้วละ่ะไม่ต้องวิตกกังวลถึงอะไรอีกทั้งสิน้นสำหรับคืนนี้ผมก็เชื่อว่าเราจะหลับกันได้อย่างสบายที่สุด ทำไมเหรอำามคุณถึงดูเชื่อมั่นอย่างนั้นล่ะชยันก็ผมมีสังหอนที่ดีไงรู้สึกว่าป่านี้จะเปิดให้สำหรับเราแล้วล่วละตั้งแต่เราพบงูใหญ่ตัวนั้นมาเถอะทำใจเข้มแข็งหน่อยคุณไม่เคยอ่อนแอเหมือนครั้งนี้นี่นะพร้อมกับพูดเขาประคองเพื่อนสาวร่วมตาให้ลุกขึ้นยืนและต่อจากนั้นไม่นานนักชยันก็เป็นคนเลือกได้โคนไม้ใหญ่ห่างจากบริเวณกาแพงเมืองประหลาดออกมาเล็กน้อย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 มือทั้งสองกลุ่มอยู่ที่หน้าท้องชายันยิ่งตกใจเหลือที่จะกล่าวออกอดประคองไว้แน่นเขย่าเรียกอยู่เช่นนั้นเอามือลูบคลำตามตัวและหน้าผากเข้าใจว่าหล่อนอาจจะจับไข้ขึ้นมาอย่างกระทันหันแต่ก็ไม่เห็นว่าอุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงผิดปกติมากนักหรือบางทีอาจเป็นเพราะอาหารเกิดเป็นพิษอันตรายขึ้นเกี่ยวกับปลาลำทานและเห็ดโคลเหล่านั้นแต่ทําไมเขาก็กินอย่างหล่อน จึงไม่รู้สึกมีพิษอะไรขึ้นมาเลยชัยยันละล่ำละลักสอบถามอาการอยู่เช่นนั้นด้วยความว้าวุ่นตื่นตระนกอย่างบอกไม่ถูกครู่หนึ่งต่อมาหล่อนจึงพยุงกายขึ้นนั่งมือทั้งสองยังกุมอยู่ที่หน้าท้องอยู่เช่นนั้นหน้าซีดขาวชัยยันประคองไว้มั่นชัยยันเสียงของหล่อนดังไม่เกินกระสิบกัดริมฝีปากกายสั่นเทิมฉัน ฉันเห็นจะทำความเดือดร้อนให้คุณชะแล้วล่ะเป็นไรเมบอกเร็วสิชายันสำลักออกมาเร็วปรึแทบจะลืมเรื่องอื่นใดหมดสิ้นในยามนี้ก็ก็โรคเก่าโรคประจำตัวดิสเมนอรียในายทหารหนุ่มสะดุ้งโหยงตาเหลือกร้องอุทานลั่นอะไรออกมาคำนึงสายโง่ทำยังไงดีอันนี้ผมไม่ใช่หมอซะด้วยสิเขาเต็มไปมได้วยอาการภาวะพวัง ทำหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ออกมาเวียนกรรมทัแล้วสิแม่จะประคุณทุนกระหม่อมเอ้ยประจำเดือนดันมาทะลักเอาในยามฉุกเฉินหน้าสิวหน้าขวานเห็นหน้ากันตามลําพังเพียงแค่สองคนน่ยแล้วอาการของยอดหญิงก็เหมือนกับผู้หญิงสามัญธรรมดาคนอื่นเขาเทียวเมื่อไหร่เล่ารอบเดือนมาทีไรเป็นต้องปวดทุรนทุรายดิ้นพราดหมดสติแทบลมแทบตายอันเป็นโรคประจําตัวเคยเห็นรีบกันมาแล้ว ครั้งนั้นน่ะหมอดารินร่วมอยู่ด้วยก็รับภาร ะ, ระไปโดยที่คนอื่นไม่ต้องกังวลและนี่อาตมาเพียงคนเดียวจะทํากันอีท่าไหนเนาะคิดและชยยานอยากกลั้นใจตายซะรู้แลรุรอดแล้วก็นึกสัปแช่งตัวเองบางทีอาจเป็นต้นเหตุเพราะเขาก็ได้ที่มีส่วนกระตุ้นเตือนให้ภาวะทางธรรมชาติร่างกายของมาเรียมาก่อนกําหนดใบหน้าอันงามนั้นนิ่วลงอย่างพยายามอดกลั้น ต่อสู้กับความเจ็บปวดแล้วก็กัดฟันแนบฝืนยิ้มอย่างซีดเซียวเขารู้ดีว่าคนอย่างหล่อนไม่ใช่คนใจส่ออ่อนแอเลยความเจ็บปวดอันเป็นอาการโดยเฉพาะคงจะทรมานหล่อนอย่างขีดสุดเห็นสีหน้าและแววตาของเพื่อนสาวแล้วชยันพลอยรู้สึกเจ็บแทนไปด้วยไม่ไม่เป็นไหนหรดอกชยันคุณไม่ต้องช่วยอะไรฉันหรอก รนกัดฟันพูดออกมาอย่างยากเย็นก้มหน้าตัวงอลงและสะบัดผมเงยหน้าขึ้นสลับกันอยู่เช่นนั้น เ, เพียงแต่รับรู้ไว้ล่วงหน้าตรงนั้นนะไม่ว่าฉันจะร้องดิน้นทุรนทุรายยังไงคุณไม่ต้องห่วงนะมันมันเป็นอย่างงี้เองฉันไม่ถึงกับตายหรอก พุ่งนี้จันจะเป็นปกติเอง ม, มันจะปวดเช่นนี้เป็นประจำทุกครั้งของการมาวันแรกคืนนี้ฉันจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อนั้นไม่สำคัญหรอกเมผมจะดูแลคุณเองเอว่าแต่บอกหน่อยสิน้อยนะ่ะเคยช่วยคุณยังไงมั่งเข ให้ยาประจำตัวฉันไว้แล้วละ่ะยันอยู่ในย่ามหลังนะ่ะแล้วก็มีแพทสองอันฉวนคนย่ามหยิบไปชั้นเถอะยาอยู่ในหลอดอลูมิเนียมสีขาวใช้ยันถลันพรวดเข้าไปที่ย่ามหลังของหลอนหรือค้นโดยเร็วแล้วหยิบสิ่งที่ต้องการทั้งสองชนิดขึ้นมาภายหลังจากเททุกสิ่งทุกอย่างออกมากองอย่างลนลานรีบร่ง อาการของเขางันงกไปหมดยื่นส่งยาให้พร้อมกับกระติกน้ำมาเรรับไปกินอย่างลำบากแล้วถอนใจเฮือกลอนปวดจนน้ําตาคลอชายันมองดูด้วยความเวทนาโธทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะอะนี่แพเพอจะมีแรงเปลี่ยนเองได้ไหมหลอนพยักหน้าเอื้อมมืออันสั่นเทาไปรับผ้านามัยมาชายันก็โผล่ออกมาว่านี่ถ้ายัางไงผมจัดการให้ก็ได้นะเ ม, ม, ม ไม่ไม่ไม่ต้องหรอกขอบคุณมากสบไหมฉันเดอะชายันรู้สึกว่ามันจะออกมากก็เกินมากกว่าทุกครั้งชายันแยกเขี้ยวหดคอลงส่งของจำเป็นให้หลอนเสร็จก็หันหลังให้แล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้พยายามหาทางช่วยเหลือหลอนตามมีตามเกิดโดดไปเลือกหาก้อนหินได้ลูกเคืงเคืองสันฐานกลมลักษณะเหมือนลูกเศ้า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 เปิดเบือตาอันรีโรยขึ้นมองดูเขาจัยยันหื่คุณคุณดีกับฉันเหลือเกินโธ่พูดบ้าบ้าก็เห็นหน้ากันอยู่สองคนนั้นน่ะไม่ดีกับคุณแล้วจะไปดีกับลิงกับข้างที่ไหนเล่าเออว่าแต่เป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ดีขึ้นแล้วละะจะช่วยอะไรอีกไหมคิสมี ตาต่อตาประสานกันนิ่งแววตาสีเขียวผักตกคู่นั้นบัดนี้มันอ่อนซึมเหมือนตาของลูกแมวช ย, ยันลูบด้วยมืออันแผว ล, ละมุนลงที่สีรษะอันยุ่งเหยิงละเอียดนิ่มราวกําไหมสีทองบนสีรษะนั้นแล้วจูบเบาๆที่พวงแก้มนอนจะ้ะเมเขากระซิบถ้าหลับมันจะหายปวดเองเปลือกตาคู่นั้น ยังเปิดลืมแป๋วดูเข้าอยู่เช่นนั้นชยันยิ้มให้เอานิ้วเขี่ยขนตางอนยาวเล่นเบาๆมันดูเหมือนจะเป็นความเอ็นดูครั้งแรกที่มีให้แก่แม่สาวผมทองผู้กล้ากระด้างราวกับผู้ชายคนนี้มาเรียจับมือเขาไว้เอาไปแนบไว้กัะแก้มฉันจะพยายามบวดให้น้อยที่สุด เพื่อให้คุณสบายใจปลราะฉันไวตามลำพังะจะยันคุณคุณก็เหมือนกันนอนพักแต่หัวไวหน่อยนะไม่ไม่ใช่เพื่อฉันหรอกแต่เพื่อชีวิตของตัวคุณเองเป็นอันแรกแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้น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 จากนั้นก็สงบนิ่งไปชยันนั่งกอดเขา่าเฝ้ามองหลอนเงียบๆอยู่เช่นนั้นพักใหญ่ก็เอยนตัวลงนอนข้างๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นักผจญภัยเลือดคนผู้ท้าทายมรรตยูอยู่ตลอดเวลาเช่นเขานึกอาราธนาคุณพระให้คุ้มครองป้องภัยและบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอความพิทักษ์รักษาชีวิตของตนเองและเพื่อนผู้ร่วมสถานการณ์จากพยันตรายทั้งปวงไว้อยู่รอดจนกว่าตะวันจะขึ้นพรุ่งนี้มิชามินานเขาก็หลับไปอย่างสงบดารินวราริศสะดุ้งลืมตาขึ้นผู้ที่เขย่าปลุกเบาๆอยู่ในขณะนี้คือพรานใหญ่ระพิน ขณนะนั้นแดดสีเหลืองกล้าสาจับสว่างสวัยอยู่บนยอดไม้สูงดงทึบทมินที่แลเห็นเป็นเพียงเงาคลุมเครือน่ากลัวอยู่เมื่อราตรีที่ผ่านมาก็พอจะแลเห็นได้ชัดเจนในระยะที่ไม่ห่างออกไปนะักเวลามันสายถึงสิบอดนาฬิกาแล้วจำได้ว่าราตรีวิกฤตที่ผ่านมาระพินไพรวันซบหลับไปก่อนหลอนซะด้วยซ้ำแต่บัดนี้เขากลับเป็นฝ่ายปลุกหลอน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 ที่ยังคำรามอยู่คลืนโครนกองไฟที่ก่อไว้เมื่อคืนตรงหน้ามอดสนิทเหลือแต่ขี้เถ้าขาวโพลนและเศษดุ่นฟืนสั้นๆที่ไฟกินไวหลอนไม่ได้ฝันหรือว่าไปสู่พบอื่นใดทั้งสิน้แนแงนดูลำแสงตะวันบนยอดไม้เหนือเชิงเขาแล้วหันกลับมาจ้องหน้าดำเกรียมที่กำลังมองอยู่ก่อนแล้วนี่เรายังไม่ตายเหรอรพิน เสียงที่หลุดออกมาประโยคแรกแหบแห้งก็หงเห็นใบหน้าที่รกไปด้วยเคราแกล่งกล้านันยิ้มยังครับคุณหญิงนี่ฉันไม่รู้ตัวเลยนะว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไร่แล้วนี่คุณตื่นนานแล้วเหรอเราครึ่งชั่วโมงครับดารินสะบัดหน้าแรงแรงไล่ความมึนงงแล้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูนี่แปลว่าเราสองคนหลับกันเป็นตายจนกระทั่งสายถึงป่านนี้ทีเดียวเหรอ เป็นการหลับอย่างชนิดที่ไม่น่าจะตื่นขึ้นมาพบตัวเองได้อีกแล้วละ่ะเทวดาประจำตัวของเรายังแข็งดีอยู่ที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยในระหว่างที่เราเผลอหลับอย่างสลบมือดไปไม่น้อยกว่าสี่ห้าชั่วโมงถ้าคุณตื่นก่อนหน้าฉันตั้งนานน่ะทำไมถึงเพิ่งมาปลุกออกเดี๋ยวนี้ละ่ะหล่อนถามพร้อมกันยันกายขึ้นยืนอย่างว่องไวแปดเปรียวพยายามเรียกร้องกำลังให้กลับคืนมา การได้พักผ่อนอย่างพอสมควรทําให้สุดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นก็ผมเห็นว่าคุณหญิงกรากรามอ่อนเพียมากนะ่ะเนยังไม่อยากปลุกแล้วเมื่อคืนนี้ผมก็ได้เปรียบคือหลักไปก่อนหน้าคุณหญิงแล้วอย่างหนึง่งเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรีบร้อนนี่ครับ <c oughs> คุณสํารวจป่าบริเวณนี้หรือยังลนะ่ะหญิงสาวถามโดยเร็วความทรงจําของเหตุร้ายเมื่อคือนที่ผ่านมาผุดกระจ่างชัด ไม่มีตอนไหนเลอะเลือนไปเลยตดูแล้วละ่ะแต่ยังไม่ละเอียดนะเพราะไม่กล้าทิ้งคุณหญิงไปไกลในระหว่างนอนหลับอยู่เขาบอกแล้วบุ้ยปากไปยังป่ารกหลังโขดหินด้านซ้ายที่เราคาดกันไว้เมื่อคือนนะ่ะไม่ผิดไปเลยละครับไอเสือโคร่งดําตัวนั้นนะ่ะมันคาบซากของมันไรพาห น, นีไปภายหลังจากที่มันลุกขึ้นเดินหนีลับตาเราเพียงเล็กน้อยโดยมีป่านั่นมันบังไว้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 ดารินวราริตก็มีความรู้สึกบอกตนเองว่าหล่อนพร้อมอีกครั้งที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างโชคดีเหลือเกินนะริพิ้นที่มันไม่หวนกลับมาอีกขณะที่เรานอนสลบสไลดกันอยู่หล่อนพูดขึ้นเบาๆเหยียดแขนขาสะบัดออกไปโดยแรงอย่างเมื่อยขบและเป็นการปลุกประสาทอุ่นเครื่องพลางเดินไปเก็บข้าวของสัมภาระบรรจุลงในย่ามหลังอย่างรวดเร็ว สิ่งของที่แปลกเปียกหน้าเมื่อคืนบัดนี้แห้งสนิทดีแล้วตอนที่เราหลับมันเป็นเวลาใกล้สว่างเต็มทีแล้วมันก็เลยไม่กล้าย้อนมาอีกตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับคุณหญิงด้ารินสะบัดผมสูดลมหายใจลึกตาเป็นประกายใสยขึ้นฉันแข็งแรงดีแล้วละ่นะแล้วคุณอะแทนคำตอบใดๆก็ควายามหลังของตนเองขึ้นเวียงไหบนไหล และโยนท็อปของหล่อนไปให้ดาริงจัดการสวมอย่างรวดเร็วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งสองก็ไต่ก้อนหินลงมายัางริมธารฝั่งน้ำตกหญิงสาววางปืนและเป้ประจำตัวลงอีกครั้งซุดตัวลงวักน้ำล้างหน้าและดื่มดอกงิ้วสีแดงสดที่ร่วงหล่นจากต้นลอยผ่านไปตามสายธารอันเยือกเย็นใสสะอาดเบื้องหน้าและพินเอื้อมมือไปคว้าขึ้นมาดอกหนึง่ง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 ดารินชงโงกลงไปดูเงาของตนเองในแอ่งเล็กๆตรงหน้าและชำเลืองผ่านใบหน้าเขาแวบหนึ่งจากนั้นก็เบนไปทางอื่นขอบใจนะไพวันเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศนาดีแล้วครับอย่าเป็นมาเรียฮอปมันเลยคุณหญิงไม่เคยเรียกผมอย่างงี้นี่อะก็จะเรียกมั่งไม่ได้เหรอและรอยยิ้มอันแจ่มใสนั้นก็ค่อยๆจางลง เสียงต่อมากลายเป็นกระซิบนี่ฉันกำลังคิดถึงเมย์แล้วก็คิดถึงทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นงมเข็มในมหาสมุทรหรือห า, มาเมล็ดงาเล็กๆในป่าใหญ่ต่อไปแต่สำหรับเดี๋ยวนี้จอมพลเว้นระยะพูดเพียงแค่นั้นพยักหน้าเป็นความหมายกล่อนและออกเดินนำเลาะลัดก้อนหินริมทา น, น้าลงไปทางด้านใต้ พอถึงแก่งหินอีกก้อนหนึ่งไม่ห่างออกไปเท่าใดนะักดารินก็อุทานออกมาคำหนึ่งอย่างงงง ง, งระคนยินดีแก้งหนุ่มเขางามตัวหนึ่งนอนตะแคงคาอยู่บนแก่งหินก้อนนั้นเมื่อเข้าไปสำรวจก็พบว่าตัวมันยังอุ่นๆ อ, อยู่ที่หน้าผากระหว่างดวงตาทั้งสองมีรอยลูกปืนรูเล็กนิดเดียวเจาะทะลุออกลาคอด้านล่าง นี่คุณยิงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ละพินหล่อนเงยขึ้นถามตื่นตื่นก็ก่อนหน้าไปปลุกคุณหญิงสักอึดใจนึงอะ่ะผมนั่งอยู่บนก้อนหินสูงลูกโน้อนอะ่ะมันเดินลงมากินน้ําพอดีความจริงมันก็เห็นผมนะแต่ไม่ยักตื่นหนีกลับยืนแงนมองเหมือนจะเห็นผมเป็นลิงข้างหรือสัตว์ป่าประเภทเดียวกับมันป่านี้จะต้องไม่มีมนุษย์เหยียบย่างเข้ามาก่อนเลยสัตว์ไม่รู้จักปืน เป็นปาเวอร์จรินจริงๆผมเกือบจะยิงมันไม่ลงเชอถ้าไม่คิดสักอย่างเดียวว่าชีวิตของเราสำคัญกว่าที่จะมัวคำนึงถึงอะไรอยู่แล้วทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงปืนเลยละ่ะแล้วคุณเอาปืนอะไรยิงแผลถึงเล็กนิดเดียวแบบเนี้ยกระพินหัวเราะเบาๆไม่ตอบเช่นไรแต่เอื้อมมือไปทางเข็มขัดด้านหลังของตนเองดึงปืนสั้นจุดสองสองมม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 แล้วก็ยิงอย่างระพินไพวันตามเคยหมายความว่าไงครับยิงอย่างระพินไพวันที่ว่านี่เอา้าวก็เป้าตายเฉียบขาดซึ่งเล็กนิดเดียวนะ่ะสิกลางแสกหน้ามีพรานสักกี่คนที่จะยิงได้ยิงเงี้ยหล่นกล่าวออกมาจากใจจริงสายตาที่ทอดจับมายังเขาเป็นประกายชื่นชมและเชื่อมั่นวางใจเต็มเปี่ยมแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับจันทรี้ส ะ, ะช้ า, ชา บอกมาหน้าตาเฉยว่าผมก็เล็งซอกขาหน้านะแล้วความจริงก็คือกระสุนนัดนี้นะผิดไปแล้วร้อยเปอร์เซนตเ็มันก็โชคของผมแหละที่จะได้อาหารตหักทำให้มันหมุนตัวแวงกลับในทันทีที่ผมลั่นไกลกระสุนมันก็เลยไปถูกหน้าผาเข้าอย่างมาหาฟลกที่สุดเล็งกลางตัวดันไพล่ไปถูกหัวได้ยังไงก็ไม่รู้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 ดารินเอ่ยถามขึ้นเมื่อพร้อมจกเคลื่อนที่ท่านใหญ่สังเกตทองฟ้าเพื่อหาทิศเหมือนใจแน่ใจอีกครั้งแล้วก็พินิษเข้าชานกราดมองไปยังป่าใหญ่ตลอดจนขุนเขาทรรมุนของดงดึกดำบรรที่แวดล้อมอยู่ก่อนพัดกับพวกเราครั้งสุดท้ายระมูตะวันออกเฉียงเหนือมาตลอดเขาพูดต่ำๆเบาๆริมฝีปากเ ม, ม้มสนิท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 การรู้ทิศในขณะนี้มันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยในเมื่อไม่มีเครื่องหมายอะไรเป็นที่สังเกตเปรียบเทียบได้กับภูมิประเทศเดิมก่อนการพัดพา ก, กับพวกพองเรากระถูกเหวี่ยงไปสุดขอบฟ้าถ้าเดินสวนก็ <c oughs> จะแปลว่าเราห่างจุดเกิดเหตุออกไปเป็นตรงข้ามยกเว้นแต่เราจะแน่ใจว่าเราได้ล้าหน้าไปในทิศทางเดิม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 ทำให้รพินภัยวันเลิกคิ้วหันไปจ้องหน้าก็เห็นรอยยิ้มน้อยๆปรากฏอยู่บนริมฝีปากคู่นั้นเขาก็ก้มศีรษะใหา้อย่างงดงามตอบว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติยิ่งครับที่รพินไพยวันได้รับสัญญานี้ก็ต่อเมื่อได้นำคณะทั้งหมดมาพบกับความวิบัติพลัดพรากไปคนละทางสองทางเช่นนี้แลวก็คงได้รับสัญญาที่หรูหรายิ่งใหญ่กว่านี้อีกเมื่อตัวเองหลงป่าตาย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 ระยะห่างจากที่ทั้งสองยืนอยู่ลงไปประมาณสามสิบเก้าขามองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มคลุมเครือของกิ่งใบไม้และเถาวันมีแสงตะวันสองรอดใบไม้เบื้องบนลงมาเป็นจุดเรืองรองอยู่ทั่วไปอะไรครับคล้ายๆคนหลบแวบเข้าไปที่รากไม้ในห่วยน่ะระพินเพ่งตาไม่กับพริบแล้วก็สังเกตเห็นรากไม้กิ่งหนึ่ง ที่โผล่ล้ำออกปากแกว่งไห้อยู่เบาๆเหมือนมีอะไรมากระทบไว้เขาสุดกายลงนั่งในทันทีนั้นดาริญย่อกายลงด้วยแต่ประทับปืนขึ้นไหลจองหมายไปที่บริเวณรากไม้กลมใหญ่ที่ชอนดินฝั่งลำห้วยออกมาจอมพรานกดปากกระบอกปืนของหล่อนไว้จะจิงนะครับจนกว่าจะรู้แน่ว่าเปลาหมายคืออะไรเขากระสิบ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 รอยจากการเหยียบใบไม้และถลายครูดไว้กับฝั่งตลิ่งแม้จะชัดเจนบอกให้ทราบถึงการเพิ่งพละไปของสัตว์โลกสองเท้าตนหนึ่งก็จริงแต่มันก็ไม่เป็นรอยพิมพ์ที่แน่ชัดพอที่จะสังเกตรหรือกำหนดสิ่งใดไ ด, ได้โดยไม่พูดคำใดทั้งสิ้นพรานใหญ่โหนรากไม้ตามรอยนั้นขึ้นไปโดยเร็วและดารินก็ตะ ก, กายขึ้นไปอีกทางหนึ่งเพียงชั่วไม่กี่อืดใจ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 ห่างเพียงไม่เกินห้าสิบเมตรแง้ทรายนั่นคือแง่ทรายนี่ดารินร้องตะโกนกล้องไปทั้งไพรทึบอย่างตื่นเต้นระคนยินดีขีดสุดแล้วขยับจะออกแล่นกวดตามไปแต่ระพินคว้าแขนกระชากไวจ้องด้านหลังของร่างที่เดินอย่างเบากริบราวกงเงาของผูดผีปีศาจโดยไม่แสดงท่าว่าจะหันกลับมาสนใจหรือได้ยินเสียงตะโกนนั้นตาไม่กระพริบไม่ต้องรีบร้อนครับ ถึงจะปวดตามมันยังไงก็ไม่มีวันทันได้ยกเว้นแต่จะจับไว้ด้วยลูกปืนเท่านั้นแหละครับอย่านะระพินอย่ายิงไปนั้นขาดหลนร้องเร็วปรือรล่าละละักแล้วแผดเสียงตะโกนเรียกนามแงซายกึกกล้องออกไปอีกสะบัดมือเขาเต็มแรงพยายามจะวิ่งตามไปให้ได้แานใหญ่รั้งตัวไว้อีกครั้งคราวนี้บีบแน่นยึดให้ยืนนิ่งอยู่กับที่ใจเย็นๆไว้ครับคุณหญิง คุณหญิงรีบตามในขณะนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นมันจะไม่ยอมให้เราเข้าถึงตัวได้เลยละ่ะคุณหญิงไม่เข้าใจเหรอครับนั่นเป็นลักษณะที่มันเจตนาจะล่อให้เราตามและเราก็จะตามมันไปทุกระยะแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องปวดให้ถึงตัวหรอกครับนักผจญภัยสาวเลือดราชสกุลเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ตามคําพูดของเขาหล่อนจ้องด้านหลังของร่างนั่นขมิง้งด้วยประกายตาอันลุกวาวพึมพำออกมาแงซายยังอยู่ เขาปรากฏตัวให้เราเห็นอีกอมันหมายความว่ายังไงกันนี่มันก็น่าจะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ดีท่ามกลางความมืดมนรอบด้านที่แวดล้อมเราอยู่ขนาดนี้แล้วครับผมไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้พบเห็นแง่า้ายอีกโผล่มาในลักษณะเดิมคือล่อให้ตามแล้วคุณคิดยังไงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับนอกจากตามไปถึงที่สุด่าวจบเขาก็พยักหน้า ร่างแขนหล่อนให้ออกสาวรอยตามไปเบื้องหลังร่างที่เห็นเดินดุมดุมนำอยู่เบื้องหน้านั้นไปด้วยอัตราฝีเท้าปกติไม่เร่งร้อนอะไรนะักกระชับไรเฟิลไว้ในมืออย่างเตรียมพร้อมทุกขณะจิตโดยบุกตัดปารกเข้าหาทางด่านแล้วส่งหญิงสาวให้เดินอยู่เบื้องหน้าตนเองร่าง้ายคอยระแวดระวังด้านหลังไวพลาดเจ้าคนใช้ชาวดงอันเป็นตัวการต้นเหตุและมือพฤติการที่ลึกลับที่สุด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 สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือไม่ว่าทั้งรพินและดารินจะเร่งฝีเท้าหรือผลทวงให้ชาลงอย่างไรระยะที่ทอดห่างกันก็คงรักษาระดับอยู่เช่นเดิมคือห่างประมาณห0เมตรจากลักษณะที่สังเกตเห็นดูมันยังคล่องแคล่วกำยำแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมราวกับจะเป็นภาพมายาของผูดผีปีศาจหรือมิฉนันก็ตุ ก, กตาหยุดหลายต่อหลายครั้ง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 มันก็ดักทำร้ายสกัดกั้นเขาไว้ซะไม่ให้ตามใกล้ชิดอีกต่อไปประเดี๋ยวขึ้นมอประเดี๋ยวลงมากประเดี๋ยวก็แทรกหายเข้าไปในเส้นทางเล็กรๆอันเป็นทางอพยพของสัตว์และประเดี๋ยวก็ออกสู่ด่านใหญ่การเดินนำจากฝ่ายหนึ่งและการติดตามมาทางเบื้องหลังของอีกฝ่ายหนึ่งคงดำเนินอยู่เช่นนั้นและเวลาก็ผ่านเลยไปเป็นลำดับจากนาทีเริ่มกลายเป็นชั่วโมง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 สิงสู่อยู่ในตัวมันอีกอย่างหนึง่งลำพังผมคนเดียวผมก็คิดว่าพอจะไล่กวดมันทันหรอกแต่คุณหญิงตามไม่ทันแนแ่เราเดินตามมันไปเรื่อยๆดีกว่าครับดูสิว่ามันจะนำเราไปไหนครั้งนี้มันโผล่มันนำเราโดยเปิดเผยทีเดียวเฉะละีคุณคิดว่าแผนที่ของเราจะติดอยู่ในตัวเขาขนาดนี้ไหมทันทีนั้นหลอนก็ถามขึ้น ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันครับจนกว่าเราจะถึงตัวมันและค้นดูแต่อยากจะเชื่อนะครับว่าเมื่อมันขมโมยเรามามันก็น่าจะติดอยู่กระตูนนั่นแหละยิงขูให้หยุดดีไหมหล่อนหยุดพิงก้อนหินขยับไรเฟินขึ้นแต่เะพินสัส่นศีสระไม่มีประโยชน์ครับคุณหญิงเสียลูกปืนเปล่าคุณหญิงก็เคยเห็นแล้วนี่ว่าตอนที่เราตามมันในครั้งแรก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 แล้วก็เล็งต่ํามาที่บริเวณขามือของหล่อ น, นอจัดอึดใจต่อมานั้นเองหล่อนก็ลดปืนลงเป็นตายได้ดียังไงฉันก็ฆ่าหรือทําให้เขาพิการไม่ได้หรอกระพินนั่นนะ่ะมันคนชัดๆแล้วก็เป็นคนชั้นดีของฉันซะด้วยเขาเคยเป็นคนใช้ที่ดีที่สุดนะมันคนเดียวแท้ๆเช่นนะครับคุณหญิงที่ทําให้คณะของเราเนอะวอดวายหายยนะกันลงไปหมด มันคือตัวต้นเหตุทําให้เราต้องลําบากกันอยู่ในขณะนี้ถึงอย่างนั้นก็เธอะมันยังไม่มีเหตุผลพอที่จะลงความเห็นได้นะพ่ามันเกิดขึ้นด้วยเจตนาทุจริตของเขาฉันจะฆ่าเขาหรือยอมทนเห็นใครฆ่าเขาก็ไม่ได้หรอกไหนเราก็ตามเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นก็ต้องตามไปจนถึงวาระสุดท้ายล่ะฉันยังระลึกอยู่เสมอนะว่าถึงแม้เขาจะกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ตาม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 เพราะไม่ได้พักกันเลยตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงเต็มที่เดินไต่เขามาตลอดอากาศก็ทวีความร้อนระอุอ้าวขึ้นทุกขณะดงใหญ่ทั้งดงสังัดเงียบแม้แต่ใบไม้เล็กๆก็ไม่กระดิกคงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของจอมพนเจนจรเงสายที่เดินย่ำกรวดดินและใบไม้แห้งแสกๆไปเบื้องหน้าในจังหวะที่สมำเสมอ และเสียงลากขาสลับไปกับอาการสะดุดดวนเรของฝ่ายติดตามทั้งสองเวลายิ่งผ่านไปนานเท่าใดพรานใหญ่ก็ยิ่งกระสอบกระสายร้อนใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นเขาไม่สามารถจะทำเวลาได้มากกว่านี้เพราะเป็นห่วงดารินซึ่งเดินตามไม่ทันต้องคอยทวงเวลารอคอยหลอนอยู่ทุกระยะกำลังของหล่อนเริ่ม อ, อ่อนลาลดถอยลงเป็นลาดับ พักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับคุณหญิงเขากระซิบถามขณะที่คว้าแขนหล่อนประคองไว้มเมื่อหญิงสาวเหยียบก้อนหินพลาดสวนเซทําท่าจะลม้มลก ด, ดารินหอบจนตัวโยนหน้าซีดเงื้อโชคกายเหมือนหน้าซีดเงื้อโชคกายเหมือนอาบน้ําแต่สั่นศรีรสักยังเด็ดเดียวตาอันแสดงความตั้งใจเฉียบขาดมั่นคงจับจ้องอยู่ยังร่างที่เดินนําดุมดุมอยู่เบื้องหน้าซึ่งขณะนี้ ขึ้นเนินอีกครั้งถ้าหยุดเราก็จะตามเขาไม่ทันแงาซายจะต้องรับตาเราไปไม่ต้องหงในข้อนั้นหรอกครับคุณหญิงผมรับรองว่าถึงยังไงแงาซายก็จะไม่มีวันรับตาเราไปอย่างเด็ดขาดกลับใดก็ตามที่มันประสงค์จะล่อให้เราตามอีกอย่างหนึง่งลงได้เห็นเป็นแบบนี้แล้วต่อให้มันเตลิดหนีไปผมก็เชื่อว่าพอจะแกะรอยได้ครับ ดารินคงสัรหน้าตามเดิมสบัดเหงื่อออกจากใบหน้าอย่าหยุดดีกว่ารพินฉันยังพอมีแรงเดินน่ะมันเหมือนกับมีสังหรณ์มาบอกให้ฉันรู้ว่าถ้าเราชักช้าเสียเวลาไปแม้แต่นิดเดียวเราอาจพลาดหรือสายต่อเหตุการณ์บางอย่างบางทีมันอาจหมายถึงชีวิตของเราด้วยก็ได้นะยิ้มให้กำลังใจพยักหน้าแต่ยังจับต้นแขนไวเช่นนั้นตกลงครับ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 ถ้าคุณทำอันตรายแงายสายก็เลยทำามนทำผมละคุณหญิงฉันยังไม่เคยเห็นแงซ า, ายทำอะไรคุณโดยเจตนาร้ายเลยสักครั้งเดียวนะนอกจากครั้งหนึ่งที่คุณจะเข้าไปจับตัวเขาแล้วเขาก็ต่อสู้ป้องกันตัวเล่นเอาคุณสรบมือดไปก็เท่านั้นน่ะทำไมคุณไม่คิดถึงตอนที่เรากำลังจะอดน้ำตายและเขาหาน้ำมาไว้ให้เรากาลังจะอดอาหารเขาก็หาอาหารไว้ให้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 ขอสักเรื่องได้ไหมคุณจะลองเชื่อฉันดูบ้างไม่ได้เชียวเหรอผานใหญ่หัวรอกคือคือไม่ตอบคำใดอีกและบัตรนั้นเองทั้งสองก็เลยเห็นความผิดปกติของเป้าหมายที่กำลังติดตามอยู่เบื้องหน้าบนทางด่านลาดประมาณส0สองศาขึ้นไปสู่เนินตอนหนึง่งซึ่งเต็มไปด้วยพุ่มไม้กระจัดกระจายอยู่โดยรอบ ร่างที่กำลังเดินเลี้ยวลับไตเนินขึ้นไปของแง่ทรายหยุดชะงักกึกลงอย่างกระทันหันและมาถึงแนวเมื่อมาถึงแนวขนาบของหินใหญ่สองลูกเปรียบเสมือนปากทวารผ่านทางแล้วชั่วพริบตาเดียวก็ลบแวบหายเข้าไปทางซอกขินซ้ายมือด้วยอาการรวดเร็วราวกะสั์ปาลรพินภพยวันชะงักกึกบาดแขนกั้นอกดารินไวครั้นแล้วก่อนการเคลื่อนไหวอื่นใดอีกทั้งสิ้น ความเงียบเชียบสงัดวังเวงของป่าใหญ่ก็สะเทือนก้องขึ้นด้วยเสียงโกลจนาาแปรแป ร, แปรของขโขลงช้างป่ามันดังแซ่ประสานกันขึ้นอย่างดุร้ายกระหายเลือดอื้ออึงไปหมดทั้งราวป่าพร้อมกับเงาเมาือมาของภูเขาเคลื่อนที่ได้ก็โผล่ทมืนพ้นสันเนินขึ้นมาจากอีกฝากหนึ่งวิ่งยาวๆสวนทางลงมาอย่างรวดเร็วเจ้าจ่าโขลงตัวนาหน้า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 มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ขวางทศทางเข้าให้แล้วและไม่ได้สนใจกันแพร่ทายที่หลบแวบหายไปอีกแต่พากันแผดเสียงร้องชูงวงวิ่งทูงก็มายังคนทั้งสองภาพที่ดารินวราวรริศไม่เคยเห็นและไม่คิดว่าจะเห็นก็พลันปรากฏขึ้นกับพร้อมจากสุขอันเตินตะลึงของหลอนในวินาทีรับขันขีดสุดนั้นหลอนเห็นดัฐินวิ่งปลาตกไปเบื้องหน้าห้าหเก้า กระทึ้เท้าลงกระแผ่นดินแล้วแผ่เสียงตวาดกล้องในความรู้สึกของหลอนเสียงของเขามันคงดังกว่าคำมีไล่ควายหลายเท่านักเจ้าจากโขลงหยุดชะงักอยู่กระที่ในทันใดนั้นพลอยพายให้ลูกโขลงหยุดตามกันไปหมดทุกตัวกลางหูผึง่ ง, ง, งชู ง, งวงสูงร่อนราอยู่เช่นนั้นโดยเฉพาะเจ้าตัวยักษ์ใหญ่หัวหน้าโขลงใายหัวอยู่ไปมา หันรีหันขวางส่งเสียงร้องอย่างดุร้ายเช่นเดิมยืนโยกกายเอาเท้าหน้าซ้ายขวาอันใหญ่โตแต่ดินตรงหน้าแตกกระจายเป็นฝุ่นฟุง้งกระหลบไปหมดจอแพานยืนนิจ้องตามันไม่กระพริบไร้ฝ้นกระชับแน่นอยู่ในมือท่าเฉียงแต่ก็ยังไม่ได้ประทับขึ้นไหลสะกดปรานนิจดาริงยืนตัวแข็งอยู่เบื้องหน้า มือเท้าอ่อนไปหมดล่อนก็ทับปืนขึ้นลอนกะทับปืนขึ้นไหล่เตรียมพร้อมแต่ก็สติดีพอที่จะไม่ลั่นไกออกไปก่อนเวลาอันควรต่อมาหล่อนได้ยินเขาตะโกนขึ้นอีกเป็นภาษากะเหรี่ยงสำเนาสำเนียงนั้นห้าวกลางวานเป็นจังหวะมีทั้งความเยือกเย็นและฉีกขาดราวกับปาฏิหาร เจ้าจากโขลงที่โยกกายเตะดินเข้าใส่อยู่นั้นวาดใบหัวอันใหญ่โตราวกับใบตาลที่กลางพึงอยู่รี่รีไปเบื้องหลังยืนหมุนวนหันรีหันขวางอยู่อีกครู่หนึ่ง <c oughs> ก็เดินถอยหลังไปสองสามเก้าจากนั้นก็หมุนตัวกลับตอนลูกโขลงของมันให้เดินย้อนกลับไปทางเดิมอย่างสงบจนกระทั่งลับตาไปหมดสิน้น ดารินตื่นจากตะลึงวิ่งเข้ามาเกาะแขนเขาแน่นร้องออกมาอย่างตื่นเต้นสุดขีดรับพินโอ้นี่คุณเป็นผู้วิเศษหรื อ, อยังไงเนี่ยช้างป่าทั้งโคลงและคุณไล่มันถอยกลับไปได้อย่างสงบไม่ได้เสียลูกปืนเลยแม้แต่หนึ่งนัดคุณทุาทำได้ยังไงจอมพรานถอนใจลึกผมไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกครับคุณหญิงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่สติและกาลังใจเป็นเหตุ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 อ้าวก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคุณหญิงหลบลงเหวไงคุณไปร่ำเรียนวิชาสยศาสตร์ของพรานป่าเหล่านี้มาจากไหนนะมันค้ากับุคลิกท่าทีของคุณเหลือเกินนะระพินไพรวันเป็นสิทธิ์เมียอาจารย์นะครับคุณหญิงหาไม่เช่นนั้นผงไม่มาอยู่ได้ถึงป่านนี้หรอกอว่าแต่เจ้าเงาทายคนดีของคุณหญิงเถอะนี่มันพาเรามาช้างโขลงเหยียบชะแล้วไมละ่ะแล้วที่หายนี่ หายหัวไปไหนพ่านใหญ่พูดพร้อมกระสาวเท้าโดยเร็วตรงมาถึงก้อนหินตำแหน่งที่หินแงซทรายหลบแวบหายไปพยายามสอดใส่สายตาค้นหาไป ร, บรอบๆดารินวิ่งตามเข้ามาด้วยช่วยมองค้นตีนช่วยมองค้นรอยตีนตามพื้นแต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยอะไรให้เห็นเพราะเป็นดินลูกรังบนหินแข็งและแห้งสนิท เขาคงไม่ตั้งใจจะพาเราเดินสวนทางกับช้างโขลงนั้นหรอกคงเป็นเหตุการณ์บังเอิญมากกว่านะ่ะฉันเห็นเขเป็นหลบไปแนะ่ฉันเห็นเขาเพ่นหลบไปเหมือนกันนะก็ใช่สิพอมันหลบไอ้โขลงนั้นก็เลยเห็นเราสองคนกลางทางด่านพอดีพอดีต า, ตามปกติแล้วการเดินสวนกาสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ถ้าเราเป็นฝ่ายอยู่ต่ํากว่าและศรีรษะของมันหันลงมา มันจะแล่นสวนทันทีภูมิประเทศตอนนี้นะ่ะเหมาะที่สุดราวกับว่ามันจะล่อเราสองคนมาให้ช้างโบราณโขลงนั้นขยี้ซะอย่างนั้นแหละพี่ทํำยังไงฉันถึงจะทําให้คุณเลิกมองแง่ทรายในแง่ร้ายได้ซะทีนะดารินร้องอย่างกลุ่มใจกระพินหันมาจ้องหน้าคุณหญิงก็จับตัวมันมาให้ผมให้ผมเอาแผนที่แผ่นนั้นคืนมาได้ได้ไหมตกลง ปัไปนี้ฉันจะเป็นคนนำคุณตามแง่ทรายเองคุณคอยตามหลังฉันไว้ก็แล้วกันและทำเฉพาะเท่าที่ฉันสั่งแค่นั้นนะหญิงสาวพูดพ่น้วดตาลุกวาวขึ้นและพร้อมกันนั้นหล่อนก็เงยลำกล้องไรเฟิลจุดสามศูนูนย์เวทีบีขึ้นฟ้าระเบิดกระสุนกึกกล้องสนั่นตาออกไปนัดหนึ่งสถท้านไปทั้งไพรกว้างและหุบเขาพราก็กู่ร้องตะโกนเรียกนามแง่ทรายออกไปสุดเสียง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 แล้วกูตอบมาใครเริ่นร้องออกมาด้วยเสียงกระซิบแต่เดี๋ยวก็รู้ครับอะตามมาเร็วเสียงดังมาจากด้านนี้กล่าวจบเขาก็ก้าวออกเดินตัดทางด่านไปขึ้นเขาทางซีขวามือโดยเร็วดารินปีนตามโดยไม่จําเป็นจะต้องให้กล่าวเตื่นทั้งสองออกกําลังเร่งฝีเท้าอย่างเต็มที่ดารินนั้นได้ยินแต่เสียง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 เหตุการณ์ซึ่งมาพบใหม่อย่างกระทันหันนี้ทำให้ทั้งสองเลือกสนใจกับร่องรอยเงาทรายลงชั่วขนาดและก็ไม่เห็นวีแววของเจ้าคนใช้ชาวโดงผู้ลึกลับอีกในทิศทางใหม่ที่มุ่งหน้ากันไปจอมพรานนำน้องสาวของนายจ้างลิวรุดแวกทางไปในลำห้วยแห้งเล็กๆ ล, ล, ลูกหนึ่งซึ่งทอดลงไปสู่เนินตำ่ำอาการเดินของเขาเป็นไปในลักษณะเดิมคือเดินเร็วยิ่งกว่าตามควายหาย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 แต่ถึงอย่างไรทมกลางความหลงปา่าพลัพรากอย่างไม่รู้อนาคตกันอยู่ในโดงมรณะเช่นนี้การแววกลิ่นมนุษย์พวกเดียวกันย่อมจัดว่าเป็นชะข่าวอันน่าตื่นเต้นยินดียิ่งอีกอุจใจต่อมาระพินก็นำตัดปีนตะลิงห้วยขึ้นฝั่งซ้ายมือพอขึ้นไปถึงฝั่งบนก็ส่งมือให้หลอนจับชุดลากให้ตามขึ้นไป และในครั้งนี้เสียงตะโกนกู่อันแสดงถึงว่าผู้กู่ได้ใช้เสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดเพราะหนึ่งจะเรียกร้องให้ผีสางหรือเทวดาช่วยดังแวววโวกออกมาจากปาทึบตรงหน้านั่นเองกระพินยังคงนั่งคุกเข่าอยู่ริมฝั่งห้วยคำม่นมองฝ่าความรกทึบเข้าไปอย่างพินิษครค่ครวญางยกแขนขึ้นป้ายเงืออันออกโชคใบหน้า ดารินก็ชุ่มโชกเราก็อาบน้ําอ่าปากหอบอยู่เคียงข้างเขารู้สึกจะอยู่ข้างหน้าเราใกล้ๆนี่เองหล่อนกระซิบหอบๆอยากจะร้องกูเรียกออกไปบ้างแต่ก็ไม่มีเสียงเพราะความเหนื่อยแลพินกัดริมผีปากแน่นเวลตาเริ่มเป็นประกายขึ้นเอผมรู้สึกว่าจะเป็นเสียงคุ้นคุนหูนะครับเขาบอกแล้วป้องปากคราวนี้กูออกไปอีกเสียงหนึ่ง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 ดารินก็แล่นตามไปติดๆด้วยความยินดีขีดสุดไม่ถึงกลั้นใจต่างก็ผ่านบริเวณป่ารกที่ขึ้นบังเป็นกระเซิงอยู่เบื้องหน้าเข้ามาประจันกับภาพที่มองเห็นแล้วก็จำต้องตะลึงต้องจ้องทางทั้งตกใจแปลกใจและคนขบขันเหลือที่จะกล่าวได้บนคาครบแรกของต้นกลางใหญ่ขนาดสามคนอบที่ยืนตรงะลูดสูงลิฟขึ้นไปจากพื้น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 หากล้มระเนระนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเถาวัลที่ทอดปกคลุมอยู่ทั่วไปอันเป็นบันไดให้บุญคมปีนไต่หนีขึ้นไปเป็นรุกเทวดาอยู่บนคบแรกนั้นถูกขลุงของมันช่วยกันฉุดกระชากถึงดึงขาดลงมาหมดสิน้นกองระเนนทัพถมอยู่กับพื้นมองเห็นสภาพการได้ถูกในทันทีว่าเหตุใดตาพรานเท่าจึงติดค้างอยู่บนคาคบกลางนั้น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 ตะโกนเรียกเอ็ดอึงโบกมือลงมาหย่อยๆนายนายจริงๆด้วยอุยแม่เจ้านายหญิงของบุญคําด้วยอีกคนตาบุญคําไม่ฝาดชยโย<อ>ตายแล้วโว่เร็วเข้านายช่วยบุญคําด้วยบุญคำเป็นทาสายอยู่บนนี้มาวันก็คืนเต็มๆแล้วหิวข้าวใส่จับขาดหน้ามือจะเป็นลมตกก็ไม่ตายแล้วนายช่วยที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 บุญคำดันขึ้นไปโหเย้ยวเย้ยวอยู่บนนั้นผ้าพรก็ไม่นุ่งทําไมจอมพลาลอดไม่ได้ที่จะตะโกนยาวขึ้นไปพี่โทษนายเหลือกุงเกงขากล้วยติดตัวอยู่นี่ก็ดีถมไปแล้วนายช้างมันขับบุญคำถ้านจะเอาชีวิตไม่รอดอะไรต่ออะไรมันพลาดหลุดจากตัวไปมดปีนหนีขึ้นมาบนนี้บุญคำลงไม่ได้ตั้งแะเย็นวันมาแล้วนย้ย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 มันช่วยกันดึงเถาวันที่บุญคำอาศัยไต่ขึ้นมาขาดออหมดแล้วขาขึ้นมาขึ้นมาได้เพราะปีนเถาวันขาลงมาลงไม่ได้เพราะเถาวันไม่มีไอตีนแล้วได้พุทโทรเรื่องแค่นี้ก็ทําไมไม่กระโดดลงมาเล่าพระพินอารมณ์แจ่มใสขึ้นที่เห็นคนของเขารอบตายเสียงบุญคำร้องลั่นดารินกาเข้ามาจิกกลางหลังเขาจนสะดุง้ง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 ตาเท่านางกระดูแข็งจะตายไปแล้วเขาก็ฟ้องปากตะโกนขึ้นไปอีกอา้าวนั่งร้องยิ่เกไปก่อนนะบุญคำให้ฉันคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีไม่ต้องคิดแล้วละนายลูกทอยอยู่ทางโคนต้นด้านเนี้ยนายอ้อมมาทางนี้สิแล้วจะเห็นบุญคำโบกเวกชี้มือลงมาที่โคนต้นรับพินหมวดคิ้วป้องหู ว่ายังไงนะถอยนายลูกทอยทอยทไหนของใครอ่ะเขาร้องออกมาอย่างแปลกใจไอ้เงา้ายนายเสียงแกตะโกนตอบลงมาไอ้เงา้ายมันแบกถอยมายืนเงนดูบุญคำตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วบุญคำตะโกนเรียกให้มันช่วย อ่อนวอนมันก็แล้วขุดโคดมันก็เลวมันยังยืนยิงฟันดูบุญคําเฉยแล้วก็โยนลูกทอยทิ้งไว้คนต้นตัวมันเองเดินหายไปในป่าเป็นทองไม่รู้โ้นแล้วบุญคาก็ไม่เห็นมันอีกเลยเห็นแต่ลูกทอยที่มันทิ้งไว้เลยนายเหมือนกับว่ามันจะให้ทอยเรื่อยขึ้นมาหาบุญคําเองงั้นแหละไอ้จิ๊บหายนะมันเหมือนคนบ้าลําพองอะ่ะนาย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 ในข้อที่ว่าเง่ทายเป็นคนนําทอยมาทิ้งไว้ที่โคนต้นเอ้หมายความว่ายังไงกันนี่ดารินร้องออกมาขณะที่รัพพินก้มลงหยิบลูกทอยขึ้นมาพิจารณาอย่างงงๆทอยนี่น่ะเหรอของแง่ทายเขางแงนขึ้นไปร้องถามอย่างแปลกใจถ้าไม่ใช่ไอ้แง่ทรายก็ไอ้ผีป่านั่นแหละน่อยแต่บุญคําเห็นมันแบกมาโยนทิ้งไว้ไม่ผู้ใจอะไรทั้งนั้นเลย แถมยังมองบุญคำเฉยๆโยนทอยไว้โคนต้นแล้วมันก็ไปละน้อยนี่เป็นไปได้ไหมไงทรายมาพบเห็นบุญคำเข้าที่นี่แล้วก็ไปนำทางเรามาเพื่อให้มาพบแล้วก็ช่วยเหลือกันเองโดยหาเครื่องมือไว้ให้ดารินกะสิฐาน็นัทจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่งั้นมันจะเอาทอยมาทิ้งไว้ที่นี่ทำไมแล้วจากคำบอกเล่าของบุญคา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 ก็อาจไม่ต้องไม่ต้องการจะตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคันด้วยตัวเองเพราะถ้าช่วยบุญคันลงมาแล้วตาเท่าจะต้องจับตัวเขาไว้แน่นแง่ท า, ายก็เลยเป็นนําทางเราให้มาพบและช่วยกันเองโดยเตรียมหาเครื่องมืออำนวยความสะดวกไว้ให้ฉนยังนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าเขาไม่เอาทอยมาทิ้งเตรียมไว้ให้เราจะมีปัญญาช่วยบุญคยยําได้ยังไงเพราะถ้ามัวแต่ไปหาไม้มาเหลาเป็นลูกทอยอยู่ ฉันว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จพานใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรอีกแต่เงยขึ้นไปบอกบุญคำว่าเอาละรองยี่เกสบายใจได้แล้วฉันจะตอกทอยขึ้นไปให้พร้อมกับพูดเขาปรวดนับดูลูกทอยอย่างถี่ถว้วนแล้วล้วงปืนสั้นจุด44แมกนัมออกมาเอากระสุนออกจากรังเพลิงจนหมดเพื่อจะใช้ด้ามอันหนักหน่วงของมันแทนสันขวาน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 ก่อนที่จะเริ่มบริกรรมตอกทอยยอมพรานชะ ง, งักกึกหันมาชาเลืองมองตอบเลยลอยเช่นกันว่าก็าเพราะไม่นิยมในการที่จะเกี้ยวดะนะซีถึงได้ซัพเฟอร์อกหักแล้วต่อไปก็จะถูกใครหักอ ก, อกเอาอีกมัง่งก็ยังไม่ทราบตอกทอยให้ดีช่วยบุญคำลงมาให้ได้สำเร็จอุสลผลบุญนั้นคงไม่ทำให้ใครใจร้ายหักอกเอาอีกหรอก สำคัญให้ถือสัตว์ปฏิญาณไว้ให้มั่นเหมือนวิชาพรานที่ร่ำเรียนมาก็แล้วกันไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นสัตว์ป่าที่ถูกตามล่าพร้อมคำตอบปลายมือเบาๆตบกระตุ้นมาที่หลังเขากระแสสัมผัสนั้นมันแสงจะอ่อนหวานอบอุ่นระคนไปกับอาการสัมทับขมขวัญระพินสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการว่า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 มันน่าจะทานน้ำหนักไม่ไหวและถอนหลุดออกมาเสือเหลือเกินแต่มันก็ไม่ยักกะหลึบในที่สุดเขาก็ตอกขึ้นไปจนถึงระดับคาคบที่บุญคำเกาะนั่งจ้องอยู่แล้วก็ปีนขึ้นไปบนคบนั้นต่อมาก็เห็นบุญคำไต่ลงมาก่อนอย่างระมัดระวังจนกระทั่งถึงพื้นโดยสวัสดิภาพจากนั้นทานใหญ่จึงไต่ลงพร้อมกับตีถอนทอยออกจากต้นไม้ทีละลูก เหมือนเมื่อขาตอกขึ้นไปพักใจ ห, หลังจากนั้นระพินก็ลงมาถึงพื้นพร้อมกับถอนทอยลูกสุดท้ายออกจากต้นกลนาดขณะนั้นบุญคำลงนั่งแผลาหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่โคลนต้นดารินกลาเข้าไปเขย่าเรียกและสำรวจดูสภาพร่างกายก็ไม่เห็นว่าแกได้รับอันตรายอะไรมากไปกว่ารอยขีดข่วนจากกิ่งไม้และเรียวหนามตลอดจนสภาพอันสูบผอมหมดกาลังวางชาภายหลังจาก ขอน้ำจากระปิของหลอนไปดื่มกล้วคออึดใหญ่ตาของแานเท่าก็ใสขึ้นถอนใจเฮือกยิ้มแห้งๆเห็นเหนือกซีดคล้ำเหมือนตายแล้วเกิดใหม่บุญคำไม่คิดเลยนะว่าจะพบนายกับนายหญิงมาช่วยไว้หาแรกนะ่ะนึกว่าบุญคำรอดชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็คงจะหนีช้างขึ้นไปอดตายอยู่บนยอดไม้จะเป็นแน่แท้แล้วล่ะไปยังไงมายังไงกันนี่บุญคำ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 หลดผ้าเข้าม้ามาพันกายท่อนล่างไวอ่ะเล่าเหตุการณ์ครั้งหลังสุดก่อนก็ได้เอาตอนที่บุญคำหนีช้างขึ้นไปติดอยู่บนยอดไม้นั่นน่ะก็เมื่อวานนี้ตอน โ, รโพร่เพล์น่ะนายบุญคำก็เดินผ่านหลงมาทางนี้คนเดียวแกเล่าแล้วรีบกัะครุบเนื้อย่างเสียบไม้ที่ระพินโยนมาให้จากกองไฟขย่ำกินอย่างหิวโหวยปากก็พูดไปพลางก็พาเดินเข้าไปกลางโขลงไอ้โคจสาร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 ถึงได้พากันไปบุญคำติดอยู่บนนั้นทั้งคืนพอตะวันขึ้นจะลงก็ลงไม่ได้กูตะโกนให้ผีสางเทวดาช่วยอยู่ตลอดเวลาจนหมดเสียงพ่อสายหน่อยมองลงไปหาแรกว่าตาฝาดเพราะเห็นใครเดินดุมดุมออกมาจากราวปา่ามาหยุดยืนอยู่โคนต้นอีตอนนั้นก็ขยี้ตาอยู่หลายทีก็เห็นว่ามันเป็นแง่ า, ายนั่นแหละเห็นอย่างถนัดที่สุดเลยนาย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 เสียงที่บอกให้รู้ว่าอย่างน้อยที่สุดพวกเราคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตรอดอยู่ได้และอยู่ในละแวกใกล้เคียงอีตอนนั้นกำลังมีอยู่เท่าไหร่ก็โหเป็นทาซานออกไปหมดกะว่าโหก็ได้คอออยแตกตายไปเลยเชลานายโชคดีเหลือเกินนะครับที่คุณหญิงยิงปืนนัดนั้นขึ้นรพินพูดแผ่วเบากับหญิงสาวซึ่งสูดลมหายใจลึกอย่างยินดี และนึกขอบคุณต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเราได้ยินเสียงของบุญคําก็ตามเสียงมานี่แหละถึงได้พบตัวเขาบุญคําก็ได้ยินนายครั้งแรกเสียงตุม้มมันเป็นเสียงไรฟ้ลพอโหไปก็มีเสียงกูตอบอีทีนี้ก็รู้ตัวละว่ายังไม่ถึงที่ตายซะละมัง้งบุญคําก็เร่งกูเรียกใหญ่ได้ยินเสียงกูตอบไกลเข้ามาทุกที ครั้งสุดท้ายได้ยินอยู่ในลําห้วยนั่นเสียงกู่สัญญาณของนายบุญคำจําได้รู้ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่เห็นว่าต้องเป็นนายแน่โอ้ดีใจจนแทบตกต้นไม้ทีเดียวแหละแต่ทายไม่ออกเท่านั้นว่านายไปยังไงมายังไงและทําไมถึงโผล่มากับ น, นายหญิงเบียงสองคนว่าแต่นายกับ น, นายหญิงเธอรอดตายแล้วผ่านมาทางนี้ได้ยังไงนี่อย่าเพิ่ง ถ, ถามถึงด้านเราก่อนเลยบุญคำ ดารินเอ่ยเสียงแผ่วต่ำเคร่งขรึมจ้องหน้าบุญคํำขมิ้งเอื้อมมือมาจับไหลอันผอมบางของแกไว้บีบแน่ตอบคำถามฉันก่อนดีกว่านีม่มีบุญคาเหลือรอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวเหรอนายใหญ่และพวกเราทุกคนไปอยู่เสียที่ไหนคำถามชนิดนั้นสร้างความชงะงักเงียบงนันให้แกตาพรานเท่ากระดูกหล็กแกเงยหน้าขึ้นจากเนื้อย่างในมือ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 เพราะขณะนั้นมันสับสนโอลมานไปหมดในถ้ำกลางความมืดได้ยินแต่เสียงร้องเออะโวยวายอย่างตื่นระหนกของพวกพองและเสียงแผดร้องของช้างขลุงนั้นดังสะท้านไปหมดทั้งครูหาถ้ำปานแผ่นดินจะถลม่มทลายแกหาของอยู่คู่กระรยินแล้วก็ได้ทิ้งหาบลงจากไหลเมื่อได้ยินเสียงเชิถาตะโกนให้ทุกคนเอาตัวรอดอย่างอิสระ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 มันทำให้พวกเราต้องบันเลยจักกันไปหมดทั้งคณนนะไม่คิดเลยว่าจะได้พบเห็นมันอีกแต่แล้วก็ยังเห็นมันอยู่จนได้อ๋อนี่มันไปเดินนำนายกนายหญิงให้มาพบบุญคำงั้นเหรออย่าไปด่าว่าลงโทษอะไรแงซ า, ายเลยบุญคำดารินกล่าวมาอย่างสงบนี่ทาไมได้ในแงาสายนำทางชั้นกระถานใหญ่มาบุญคำก็จะติดอยู่บนต้นไม้นั่นแหละอย่างน้อยที่สุดแม้จะเสียสติ ถูกอะไรเข้าสิงจนผิดไปจากแงซายคนเดิมแต่เขาก็ยังมีสัญชาตญาณในด้านเป็นมิตรและคอยให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะบุญคำยกมือรูปทางพื้พรมันบ้ามันบ้าไปแล้วจริงๆบุญคำเห็นมันชัดที่สุดตอนที่มันแบบทอยมายืนแงนมองบุญคำอยู่แววตาของมันน่ะเหมือนเสือหรือมิฉะนั้นก็ผีหาก็อาจจริงที่บุญคารอดไป และได้พบกับพรานใหญ่และนายหญิงเพราะมันแต่ทำไมมันมาพบบุญคำแล้วแบกทอยมาแล้วไม่ยกักกระตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคำเองทิ้งลูกทอยไว้โคนต้นแล้วพาไปนำนายสองคนไม่พบถ้าเขาเป็นแง่ท า, ายแน่ละเขาจะต้องตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคำก่อนแล้วแต่นี่เขาไม่ใช่แง่ท า, ายแม้ร่างกายของเขาจะใช่ก็าตามแต่การแบกทอยมาทิ้งไว้คนต้น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 ตาพรานเท่าน่งไปครู่ก็หันไปหาเจ้านายถามอ่อยๆว่านี่เหลือเรารอดตายอยู่เพียงสามคนเท่านั้นหรือนายคำถามนั้นทําให้รพินไพรวันตันที่คอหอยเหลือไปที่นายจ้างสาวอย่างไม่ตั้งใจก็เห็นรอยแดงๆปรากฏขึ้นที่ขอบตาของหล่อนขณะนี้เรารู้แน่ว่าเรายังมีชีวิตรอดอยู่สามคนรวมทั้งเจ้าแงาย่สายด้วยอีกคนหนึ่งก็เป็นสี่คน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 บุญคำเดินหลงเป็นวงกลมหาทางออกไม่ได้เดินไปเดินมาก็มาทะลุออกที่เก่าวันอยู่ได้ตั้งสองสารอบไม่ยอมออกพ้นหุบจนกระทั่งเจอช้างเข้าจนได้เดี๋ยวน า, นายให้บุญคำไปเอาของก่อนไม่รู้ไอ้พวกนั้นกระทืบปนปี้ไปหมดแล้วหรือยังปราพางแกก็กระโดดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเดินพละไปโดยเร็วดารินร้องทักมาเร็วปึ้บบุญคำมันจะไปไหนอะ่ะ ปืนแล้วก็ข้าวของบุญคำมันตกอยู่ตรงชายห้วยน้นบุญคำจะไปหาดูนาหญิงจะไปคนเดียวได้ยังไงเดี๋ยวก่อนฉันไปด้วยหลอนว่าพร้อมกับขยับตัวจะลุกขึ้นเดินตามแกไปแต่แทนใหญ่ฉุดแขนไว้ไว้ให้แกไปตามลำพังก็ได้ครับไม่ต้องห่วงหรอกระยะห่างแค่นี้เองบุญคำเอาอตัวรอดได้เสมอไม่จาเป็นต้องมีพี่เลี้ยงคุ้มกันหรอกครับพักใหญ่ต่อมา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 ได้คืนมาครบเลยนายแกแล่นเข้ามาถึงก็ทิ้งกายลงนั่งตรวจสอบไรเฟิลอย่างดีอกดีใจเหลือที่จะกล่าวบนต่อมาไม่ทันยิงเลยเมื่อวานนี้มันน่าจะซัดให้แองแมงสักตัวสองตัวก่อนจะหนีขึ้นไปเปลิงอยู่บนยอดไม้น่นมันอ่อนแรงหมดกําลังวางชาตาลายไปหมดเออเมื่อกี้ที่นายเล่าก็เหมือนกันทาไมไม่ซัไอจากโขงให้ความไปบุญคัมเจ็บใจนะัก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 ชานะ่ะมันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ผีสางแม่นางโก้นะ่ะบุญคําพอรับไหวนายลูกปืนยิงมาทําไมให้เสียเวลาทําไมถึงไม่ถอดหัวออกเอ า, เอาเสกรวดใส่เศษใส่เข้าไปแล้วยิงเหมือนเมื่อคราวนางไม้อลาวานครั้งนั้นนะเอาเถอะเอาเถอะเจอกันก็ดีละวถ้าเราพบกับมันอีกครั้งบุญคําแสดงฝีมือก็แล้วกันบุญคําบอกนายแต่แรกแล้วขอผ้าเลือดของผู้หญิงให้บุญคำผืนเดียวเท่านั้นแหละ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 เลือดของผู้หญิงนะนายหญิงเลือดเลือดของผู้หญิงเหรอดารินทวนคําอย่างตื่นงงไม่รู้เรื่องอยู่เช่นนั้นหันไปมองหน้าพรานใหญ่ระพินทนต่อสายตาคําถามนั้นไม่ได้ก็เลยจำใจต้องอธิบายว่าบุญคําก็หมายถึงเบนส์เลือดประจําเดือนของผู้หญิงไงหม่อมราชวงศ์สาวลืมตาโตอาการของหลอนยังไม่สแสดงว่าเข้าใจอะไรขึ้นมาเลย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 กันไพยหลังทุกอย่างแต่ในขณะที่แกมากระซิบบอกผมคราวนั้นน่ะผมไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังข้อสันนิษฐานของแกได้บุญคำเรียนมาทางสยเวทอาคมและม่นมืดตัวเองนอกจากจะเป็นพรานแล้วยังเป็นหมอผีด้วยจะบอกว่ามีสิ่งอาถรรพ์จะต้องแก้กันด้วยความอาถรรพ์แบบน้ำยอ่อเอาน้ำบงแกว่าถ้าเอาผ้าซับประจำเดือนของผู้หญิงผูกติดขกซากเ ส, กสือหิน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 แกไอผีตายซากเป็นวิญญาณเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะเข้าสิงร่างไหนเท่านั้นนายหญิงเชื่อบุญคำเถอะมันต้องจริงอย่างบุญคำว่าสิบุญคำไม่เคยเห็นกระตามาก่อนในเรื่องนี้หรอกแต่ปู่ทวดครูบาอาจารย์ก็สอนบุญคำมาพรานเท่ายืนยันกระหล่อนแข็งขันสีหน้าของแกเครียดเคร่งจริงจังป๋าสจากแววตลกขนองอันเคยเป็นนิสัยประจาตัว หมอดารินซอยเปลือกตาทีีเกือบจะหลุดปากออกมาแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่แล้วประโยคนั้นก็ชังนักอยู่ในลำคอหลายต่อหลายสิ่งมันได้เป็นไปแล้วจนหล่อนเลิกใช้คำถามชนิดนี้ไปนานและไม่เคยคิดจะถามอะไรใครเกี่ยวกับประโยคนี้อีกแล้วอึ้งไปครู่ใหญ่แต่แววตาฉายแสงฉงนสนเทลื้อที่จะกล่าวบุญคาบอกต่อไปว่านี่ ถ้าพรานใหญ่เชื่อบุญคําจะแต่แรกนะเราก็จะไม่ลําบากกันถึงเพียงนี้หรอกเอาผ้าเลือดผู้หญิงผูกติดไอเสือหินที่เราพบในถ้านั่นใช่คราวนี้ก็เหลือแต่ไอผีตายสร้างอยู่เพียงตัวเดียวถ่ายวิญ ญ, ญาณกลับคืนเข้าร่างเสือไม่ได้มันจะแสดงฤทธิ์กับเราไปได้ถึงไหนเมื่อถอดวิญ ญ, ญาณห น, นีไม่ได้เราก็ฆ่ามันได้ง่ายที่สุดดาบเล่มเดียวเท่านั้นแหละบุญคาจะฉาไ้ขาดเป็นสองท่อนดีเดียว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 เขาเองกลับเป็นฝ่ายหลบตาหล่อนยักไหลแล้วนิงง่งเงียบเฉยๆโดยไม่เ อ, อ่ยคําใดดารินจึงเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ตาท้าบุญคําบุญคำเชื่อเช่นนั้นแล้วทาไมถึงไม่บอกพวกเราให้รู้ซะแต่แรกละ่ะก็บุญคําไม่กล้าสินายหญิงบุญคํามีอะไรก็ปรึกษาหารือกับพรานใหญ่ก่อนถ้าพรานใหญ่เห็นสมควรด้วยก็จะบอกพวกเจ้านายเองละ่ะ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 ผมก็ห้ามไว้แล้วคุณหญิงก็เดินพวดพลาดก็มาถามผมว่ามีอะไรผมว่าจำเป็นต้องบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรก็อย่างงี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่มีสาระสมควรจะต้องรายงานให้ทราบแล้วเรื่องผา่าทรัพย์ประจําเดือนที่จะแก้อาถรรพ์ของเจ้าวิญญาณไร้มันไรก็เหมือนกันบุญคําบอกผมจริงแต่จใจผมออกนโยบายนี้ไปบอกคณะนายจ้างทราบอย่างนั้นเหรอผมเองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะ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 มีรถมา้ามีเกวียนมีถนนหนทางมีบ้านเรือนเหมือนใครมาใช้หนังกลางแปลงให้ดูอย่างนงั้นเลนะนายหญิงพอตั้งสติบริกรรมขัดมันก็หายไปแต่พอเหลอมองลงมาอีกก็เห็นอีกครั้งสุดท้ายบุญคำปัดสวะรถลงมาภาพที่เห็นมันเลยหายไปหมดคำบอกเล่าของบุญคาทาให้พรานนาทางกับนายจ้างสาวหันมามองตากันโดยไม่ได้นับหมายกันอีก บุญข้าเห็นเป็นผ้าบ้านเรือนเหรอดารินถามเสียงสูงใช่แล้วนายหญิงเมื่องอะไรก็ไม่รู้สิรูปร่างบ้านเรือนมันก็แปลกออกไปไม่เหมือนเมืองในจังหวัดหรือเมืองบางกอกอย่างที่บุญคำเคยเห็นมันมีเชิงเทินมีกำแพงสูงแล้วมีอะไรที่มันรูปร่างคล้ายๆโบสถสูงลักษณะก่ออิฐถือปูนบางแห่งก่อคล้ายๆเอาหินสกัดทั้งแท่มาเรียงกันไว้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 มันแต่งตัวกันเหมือนพวกละครหรือยีเกนั่นแหละถือหอกถือดาบโล่เขนแล้วก็ธนูแล้วก็มีแพะแอะวัวควายด้วยนาะนายหญิงแล้วเห็นเจ้าหญิงโฉมงามนั่งมาในวอทองานหามด้วยหรือเปล่าละ่ะดารินถามเร็วฝรือออกมาไม่เห็นนะบุญคำเห็นแต่ภาพบ้านเมืองแล้วก็ชาวเมืองแหมน่าเสียดายเหลือเกินที่บุญคา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 คุณไม่คิดบ้างเหรอว่าปราสาทร้างที่มีเจ้าหญิงนิทรานอนสงบอยู่ในโรงแก้วคุณจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ใกล้ไม่ไก ล, ไไกลจากเราในขณะนี้พรานใหญ่ลุกขึ้นยืนบิดกายอย่างเมื่อยขบรู้สึกว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนพอสมควรแล้วและพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปตอบพร้อมกับยิ้มกล้นกลนว่างในขณะ น, นี้ผมไม่มีความคิดอื่นใดทั้งสิ้นนะครับ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 แต่ไม่รู้จะเดินกันไปทางไหนนี่สิอยากกลัวนายหญิงบุญคำรู้แล้วละ่ะว่าจะต้องเดินไปทางไหนทันใดนั้นเสียงแผ่วต่ำของบุญคำก็แทรกเข้ามาขณะที่แกยังนั่งขับสมาธิอยู่กับพื้นจ้องตาเปิงไปยังเบื้องหลังของคนทั้งสองซึ่งกำลังยืนเคียงกันอยู่ในขณะนี้ทำไมเหะบุญคำรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะบ่ายหน้าไปทางไหน หญิงสาวถามอย่างสงสัยก็เห็นพรานเท้าเสยะยิ้มบุยปากไปเบื้องหน้าหันไปดูอะไรนั่นนะ่ะนายหญิงท้งดารินและรพินหมุนตัวควับไปทางเบื้องหลังพร้อมกันกลางแสงอารามเรืองของตะวันที่สาดลอดรอยโวของกิ่งไม้ลงมาร่างหนึ่งยืนเด่นระ ง, งานอยู่บนเนินปลวกลูกหนึ่งและเห็นอย่างถนัดชัดเจนที่สุด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 เชิญตรงบุญคำค่อยๆเอื้อมมือไปคว้าไรเฟินของแกแต่ละพินไรวันเหยียบลำกล้องไว้พร้อมกระซิบเฉยบุญคำเฉยไว้ไอผีป่าแงายมันโผลไม่เห็นอีกแล้วบุญคำอยากเอาลูกปืนแกะสะบ้าหัวเข่ามันออกนะักมันจะได้ไม่หนีเราไปไหนอีกลาพรานเท่าคำรามอยู่ในลำคอทุกคนเตรียมพร้อม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 ระยกแค่นี้บุญคําไล่ท่านเสียงบุญคํากระซิบมาอีกระพินร่างแขนไว้อย่าไม่มีประโยชน์หัวได้กระเกงหลุดบุญคําก็ไม่มีวันจะถึงตัวมันได้บอกให้เฉยๆไว้ก่อนไงด้วยการของมันสิว่ามันจะเอาอยัางไงแงซายเรากําลังต้องการตัวเธอนะกลับก็ามาหาเราเธอแงซ า, าย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 ให้ตามไปมันเรียกเรามันโบกมือให้เราตามไปอ่ะนายบุญคำร้องก็ต้องตามกันให้สุดแผ่นดินแหละไปดูสิมันจะนาเราไปถึงไหนคราวนี้แปลกมากโผลออกมาโบกมือเรียกเลยจอมพรานว่าทั้งสามเคลื่อนออกจากที่สาวเท้าติดตามเงยทรายไปในทันทีนั้นลระพินลำไปเบื้องหน้า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 คงเร่งฝีเท้ากูดตามไปอย่างไม่ลดละรักษาระยะห่างไวให้เท่าเดิมเพื่อการมองเห็นได้อย่างถนัดครั้นแล้วต่อมานั่นเองกัะพินผู้เดินอยู่เบื้องหลังก็รู้สึกตัวหยุดชะงักรอคอยอยู่ริมทางด่านอันสูงชันเมื่อได้ยินเสียงบุญคำกูเรียกมาหันหลังไปอีกทีก็พบว่าเขาทิ้งดารินกับบุญคาไว้เบื้องหลังห่างลิบอันเนื่องมาจาก เร่งฝีเท้าติดตามแงซทรายมาอย่างไม่ลดละจนลืมนึกถึงหญิงสาวส่วนบุญคำนั้นถ้าไม่ติดนายหญิงก็คงจะเดินตามมาทันแล้วพักใหญ่ต่อมาทั้งดารินะบุญคำยิงเดินมาทันเขาผู้หยุดรออยู่นั่นหมายความว่าแงซทรายได้หายลับตาไปซะแล้วหญิงสาวพอไต่เนินขึ้นมาถึงก็หัวเข่าอ่อนส่วนเซจะลมลงพารานใหญ่ฮิ้วปีกไว แล้วประคองลุงนั่งบนหินก้อนเป็นยังไงบ้างครับคุณหญิงเขาถามอย่างเป็นห่วงดาลินไม่ตอบราเหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจเพราะการเดินแบบเร่งและพินส่งกระติกน้ำให้หล่อนรับเอาไปดื่มกลั้วคอแล้วนั่งหายใจยาวๆจอมพนมองอย่างกังวลและสงสารยิ้มให้ขออภัยเธอะครับ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 ต่อไปนี้เราจะตามมันในลักษณะแกะรอยทางด่านในระยะนี้พอจะสังเกตเห็นรอยเท้าของมันได้ชัดทีเดียวครับเพราะเป็นดินขุยฝุ่นหนาแปวพลางเขาก็ชี้ดูรองรอยเท้าที่ล่วงหน้าไปก่อนของแง่ทรายซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะบุญคำสบดพรมยกมือขึ้นเกาหั ว, หวกระดกดพี่ลึกแท้ทีานาย ที่แรกมันก็เดินช้าอยู่ดีๆแหละแล้วอยู่ๆมันก็เร่งฝีเท้าเปิดอ้าวหายไปเฉยๆบุญคำอ่านมันไม่ออกเลยจริงๆนะนายระพินกัดริมผีปากแน่นย่อนกายลงนั่งตรงข้ามกับดารินปพ า, นาพรานเท้าพลอยทิ้งกายกางขาลงกับพื้นปิดขัดอยู่ที่ชั้นคนเดียวเท่านั้นดารินพูดอย่างเจ็บใจตนเอง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 ระพินผู้สาวรอยไปเบื้องหน้าชนิดเก้าต่อเก้าหยุดชะงักก้มลงอ่านรอยนั้นอย่างพินิษพิจารณาทีท่วนที่สุดดารินและบุญคำก็ตามเข้ามาถึงมันตัดลงทางด้านนี้ใสแล้วละนายบุญคำเอ่ยขึ้นเบาๆภายหลังจากช่วยตรวจรอยระพินทอดสายตากวาดหาต่ำลงไปตามทางด่านอันกว้างขวางเส้นเดิมเพื่อจะพบวีแววอื่นใดอีกก็ไม่ได้ร่องรอยอะไรทั้งสิน้น รอยเท้าแง่ทายตัดแยกจากทางด่านบุกเข้าไปในป่ารกมองเห็นชัดมีหน้ำซ้ำยังมีรอยหักกิ่งไม้เล็กๆ เ, เอาไวส้สดๆร้อนๆเหมือนเจตนาจะบอกทางให้อีกด้วยจอมพรานหันมามองดูหน้านายจ้างสาวรู้ซึ่งธาตุแห่งความแข็งแกร่งทารหดอดทนของหล่อนเริ่มจะลดถอยลงไปเป็นลำดับเพราะความอิดโรยอ่อนล้าจากการกลากรมอย่างแสนสาหัส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 เดินสบายๆมาตามทางด่านดีๆดัดนผ่าเข้ารกสิอีกแล้วไอชิพหายบุญคำด่าอุบอิบเพราะเป็นห่วงสงสารนายหญิงเมื่อเขานาทางเราไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นนั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะเลือกได้ขณะ น, นี้ทุกอย่างสำหรับความหวังในด้านดีของเราฝากไว้กับแง่ายเพียงคนเดียวเท่านั้นดารินกล่าวอย่างปรงต ก่อนจะตัดทางลกเขากระซิบเตือนให้หลอนตรวจดูกระสุนไรเฟลิลที่บรรจุอยู่ในจุด3 0 0เวเทอร์บีของหลอนดารินเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าหลอนทำให้จำนวนมันขาดไปหนึ่งนัดตอนยิงขึ้นฟ้าก่อนจะพบบุญคำจึงรีบบรรจุใหม่เต็มอัตรารอบครอบเสมอนั่นนายพลัต์ฉันลืมไปซะและ้วเหตุการณ์มันน่าจะเตือนให้คุณหญิงสานึกดีอยู่แล้ว จะประมาทหรือเล้อแม้แต่เพียงเปอร์เซนต์เดียวนะมันอาจหมายถึงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้ครับกล่าวจบเขาโบกมือเป็นสัญญาณให้บุญคำล่วงหน้านำลงไปก่อนกันราชสกุลสาวไว้ตรงกลางตนเองเปลี่ยนมาเป็นปิดตายกระบวนตาพรานเท่าไตาทางไล่รอยของแง่ทรายลงไปอย่างแค่งเคร่งและแม่นยาไม่ผิดอะไรกับหมาล่าเนื้อเสียงแก่บุญอะไรพึมพาไปตลอดทาง บางครั้งก็หยุดฟังเสียงท่ามกลางความสงัดเงียบเฉียดอันมีแต่สาเสียงของพวกจักะจันเรไรเหล่านั้นทางเดินล่าต่ำลงไปทุกขณะท่ามกลางพื้นใบไม้อันกองสุมทับถมกันชนิดที่พอเหยียบลงไปก็จมเกือบจะถึงเขา่านานๆครั้งจะเห็นพวกตะกวดดงและสัตว์เลื้อยคลานลักษณะแปลกๆวิ่งตัดหน้าแสกซากไปกับพื้นใบไม้ทาเอาสะดุ้งตกใจ และเตรียมพร้อมกันบ่อยๆรอยของแง่สายย่ำเป็นเทือกลงไปเห็นชัดเจนที่สุดแม้กระทั่งคนไม่ชำนาญในการอ่านรอยอย่างดารินก็แทบจะตามได้โดยอิสระผ่านลำห้วยแห้งที่คดเคี้ยวทอดโอไปตามแนวไหลเนินแล้วก็ปีนขึ้นสูงอีกฝั่งหนึ่งรอยนั้นนำรุดเป็นแนวตรงตัดดิงเข้าไปในดงเถาวัลย์ยักษ์ที่ทอดระเกะระกะ เป็นสายระยางอยู่ทั่วไปขณะนั้นเองบุญคำก็หยุดยืนเงี่หูเหมือนจะสดับตรับฟังเสียงอะไรชนิดหนึ่งซึ่งแทรกมาในความเงียบร้านใหญ่ก็รังไหลของดารินผู้กำลังย่ำสูบสาบอยู่ให้หยุดการเคลื่อนไหวลงสะกดใจฟังอยู่ครู่แล้วจึงจูงมือดารินค่อยๆ ย, ย่องตามหลังมาจนถึงบุญคำผู้ยืนคอย อ, อยู่ก่อนแล้วสาหรับดารินนั้น หล่อนไม่สามารถสำเนียอะไรได้ทั้งสิ้นในขณะ น, นี้นอกจากเสียงลมที่ลั่นกริงออกจากหูทางน้ําไหลยอยู่ไม่ห่างจากเราลงไปนะครับตาพรานเท่าพูดต่ำๆ ต, ตามองไล่รอยเท้าของแง่ทรายที่นาเรื่อยลงไปสู่ด้านต่าโดยไม่หยุดยัง้งหรือเลี้ยวลดไปทางอื่นใดอีกระพินก็สัมผัสได้กับความเย็นชื้นของอากาศ ที่ราคนไปกันละ อ, องน้ำบนคาคบไม้ใหญ่ในละแวกนั้นก็เต็มไปด้วยกล้วยไม้และกาฝากที่งอกอยู่คาคบงดงามออกดอกม่วงเหลืองแดงและขาวสลุกสลับกันดูลานตาไปหมดเสียงที่แว่วมาให้ได้ยินแผ่วเบานั้นเป็นเสียงน้ำไหลผ่านแง่หิงอยู่ริกริกมีอะไรเหรอดารินถามขึ้นแทบจะไม่มีเสียง ริมฝีปากของหล่อนแห้งผากรู้สึกว่าจะมีลำทานอยู่ในตอนล่างของเนินลูกนี้รอยของแง่ทรายนำลงไปทางด้านด้านนั้นครับหวังว่าคงไม่ใช่แหล่งน้ากระโจนที่เก่าตรงที่เราพลูกันออกมาพักเมื่อคืนนี้นะไม่ใช่ครับมันห่างออกมาคนละทิศ ท, ทีเดียวครับเขารุนหลังให้บุญคำออกเดินต่อไปทั้งหมดค่อยๆตายต่ำลงมาเป็นลาดับ โดยไม่ทิ้งร่องรอยของเจ้าคนดงผู้ลึกลับที่ยำเป็นเรือนำร่องลงไปยิ่งต่ําลงไปเท่าไรเสียงน้ำไหลก็ได้ยินถนัดชัดเจนขึ้นทุกทีระพินบอกได้ทันทีว่ามันเป็นลําธารขนาดย่อมที่ไหลผ่านไปตามโขกเขาหรือมิฉะนั้นก็หุบเหวกระแสน้าไม่มากนักและไหลเอื่อยอ่อนไม่เชี่ยวแล้วก็จริงตามที่คเนาวาย้ย ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งสามก็มาพบตนเองยืนอยู่บนฝั่งสูงลิฟ์เบื้องล่างเป็นหุบเหวตัดลาดลึกลงไปอุดมไปด้วยพุ่มไม้เล็กและก้อนหินที่งอกอยู่ดารดาดก้นหุบนั้นและเห็นลำธารสายหนึ่งไหลออกมาจากใต้ภูเขาใหญ่คดเคี้ยวไปตามเส้นทางอันเต็มไปด้วยกรวดและทรายลงสู่ด้านใต้น้ำใสและตื้น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 จอมพรานใช้เวลาสังเกตอย่างใคร่ครวรอยู่ครู่หนึ่งก็พยักหน้าให้บุญคำไต่นำลงไปก่อนเขากะดารินทยอยตามลงไปแบบเรียงเดี่ยวทิศทางที่แงซ้ายไต่ลงไปก่อนแล้วนั้นดูเหมือนจะเป็นตำแหน่งที่อาศัยเป็นทางลงได้สะดวกกว่าทางด้านอื่นทั้งสิ้์เพราะมีแง่หินและต้นไม้ให้เหนียวพยุงลงไปเป็นระยะปะหลิงก็ไม่สู่จะสันชันนะัก มีชานหินยื่นออกมาเป็นขั้นพัดตลอดแนวไม่ช้าทั้งสามก็ลงมาถึงบริเวณรางน้ำก้นหุบภายหลังจากวักน้ำลูบหน้าดื่มแก้กระหายและบรรจุลงกระติกเพิ่มเติมจนเต็มแล้วตารานเท่าก็ดมกลิ่นแงซ้ายต่อไปนายตะ ก, กี้มันพาเราลงอีที่นี่มันพาขึ้นอีกแล้วนหนบุญคำจุปากเบาๆขณะที่ยืนเท้าเอว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 ลักษณะของมันเป็นทางออกของลาธารใต้ดินเหมือนกับที่เราพลูกันออกมาแล้วเพียงแต่ว่าตรงที่เราเห็นอยู่นี่มันเป็นทานสายเล็กไม่ไหลเชี่ยวเหมือนที่มันพัดเราออกมามันแปลกมากนะถ้า ง, งั้นก็แปลว่ามันจะต้องมีทางออกทะลุอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ขเขาอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้สิครับผมก็เข้าใจเช่นนั้น บุญคำเองก็บอกกับเราว่าแกเดินมุดสายน้ําใต้ภูเขามาทะลุออกกลางดงดิบตอนหนึ่งอย่างเราเหมือนกันลองถามแกดูสิตรงนี้หรือเปล่าที่กแกโผลกมาถ้าใช่แกก็คงรีบบอกเราแล้วล่ะครับรบพินนว่าแล้วก็สอบถามบุญคำตาพานเท่าสันหัวทางนี้ไม่ใช่ทางที่บุญคำโผล่จากใต้ดินหลอกนายบุญคำโผล่มาจากทางด้านเหนือนู้น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 บุญคำพยายามคลำหารอยของแง่ทรายต่อไปอย่างไม่ลดละแต่แล้วบัตรนั่นเองขณะที่พากันเดินบุกโพรงริมฝั่งห่างออกไปได้เพียงยี่สิบเก้าทั้งหมดก็มาพบเข้ากับอะไรชนิดหนึ่งที่ทำให้ต้องตะลึงงงงนันไปชั่วขณะทั้งหมดลืมตาโพรงจ้องนิ่งอยู่เช่นนั้นนันน้นนายกองทัพรถแท็กเตอร์ที่ไหนมันมาไถาขุดดิน่าเป็นทางอย่างเงี้ยนายเสียงบุญคำ อุทานออกมาสั่นระรวัวทุกคนดูเหมือนจะลืมนึกถึงแง่ายไปสะชั่วขณะในสิ่งประหลาดที่เห็นอย่างจู่โจมกระทันหันดารินถึงก็ยกมือขึ้นขยี้ตาสะบัดหน้าแรงๆลืมขึ้นจ้องอีกครั้งสุนทรพินไภัยวันแยกเขี้ยวรีตายิบหยีลงสิ่งที่ทั้งสามยืนชะโงกมองอยู่ในขณะนี้ลักษณะแลผาดผาดเหมือนจะเป็นลำห้วยแห้งอันกว้างใหญ่ ที่ทอดคดเคี้ยวเป็นแนวสุดสายตาไปในระหว่างดงดิบสองฝั่งแต่มันไม่น่าจะเป็นลำห้วยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันควเป็นไปเพราะมีรอยดินพลิกใหม่ๆเราก็ใครอรรถแทคเตอร์มาคราไถ่ไว้ต้นไม้ขนาดเขิงๆนับไม่ท้วนถูกขุดรากถอนโคลนล้มระเนระนาดเป็นทางไปสุดลูกหูลูกตากองดินสองฝั่งก็ถูกดันทะลักล้นภูนขึ้นมาร่วนซุยราวแยกไปหมด ราวกับแผ่นดินไหวระพินสื้อตัวลงนั่งเอามือแตะที่ดินซุยร่วนขอบห้วยนั้นอย่างปีเคราะห์และวทอดสายตามองไปตามแนวร่องอันคดเคี้ยวทั้งสองด้านเท่าที่รัศมีของสายตาจะหเห็นได้จากเงาบทบางของป่าดึกดำบันที่แวดล้อมอยู่บุญคำเองก็กระโดดลงไปยังก้นห้วยที่เต็มไปด้ดินซุยเหล่านั้นเอามือคลำตรวจ ด, ดูสองฝั่งระดับที่ตานายพรานลงไปยืนอยู่นั้น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 ยังไม่อาจตอบคำใดได้ในกรนี้สปริงตัวกระโดดตามบุญคำลงไปที่ก้นห้วยเอาเท้ากวาดเขียดินซึ่งมีลักษณะเหมือนถูกเครื่องไถมาขุดคลาดไว้นั้นแล้วก้มลงหยิบกอไม้เล็กๆกอหนึ่งที่ถูกขุดถอนรากร่วงลนอยู่ใต้ดินขึ้นมาพิจารณาเสียงเขาซุบซิบหาหรืออะไรกับบุญคำตามลำพังโดยที่ดารินไม่สามารถจะจับข้อความได้นอกจากนั่งคุกเขา่า จ้องมองดูบนฝั่งห้วยเช่นนั้นต่อมาเขาจึงโบกมือทำสัญญาณให้หญิงสาวตามลงมาด้วยดารินค่อยๆเกาะตะลิ่งหย่อนตัวลงมาอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่ไวที่จะถลไหลื่นคลูดลงมาจากริมตลิง่งอันร่วนซุยจนถึงก้นห้วยและคว้าไหลบุญคำไว้ได้ก่อนที่จะล้มลงพอจะได้คำตอบอะไรขึ้นมาบ้างไหมหญิงสาวถามซ้าขึ้นอย่างร้อนใจจ้องหน้าทั้งสอง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 และต้นไม้ที่ถูกขดล้มระเนระนาดเหล่านั้นโดยร่องรอยที่เห็นสันนิษฐานได้ว่าเป็นสัตว์ไม่มีตีนตัวยาวบางทีมันน่าจะใหญ่กว่าไอ้สองตัวที่เราประจันกันมาแล้วที่ลมช้างสักห้าหกเท่าครับดารินวราฤทธิ์เข่าอ่อนสุดกายลงไปนั่งลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงอาการของหลอนเหมือนคนที่กาลังจะเป็นลมเราเปรียบกันเหมือนหมด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 เขาก็ไปตามทางของเขาเราก็ไปตามทางของเราคงไม่พบกันหรอกตาพรานเฒ่าสงบนิ่งอยู่อีกครู่ก็ยกมือขึ้นพนมเหนือหัวพึพมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองไม่ใช่งูธรรมดาแต่เป็นงูเจ้าแน่ๆครับนายหางทอดไปทางตะวันตกหัวหนะหันไปทางตะวันออกเคลื่อนตัวไปเมื่อเย็นวานนี้เองกล่าวพราน ก็แหงนมองสังเกตขึ้นไปยังยอดไม้ทึบทำมืนรอบด้านเอ่ยต่อมาอย่างมั่นใจว่านายป่าอาถันเปิดทางให้กับเราแล้วล่ะนายบุญคำรู้ได้ยังไงดารินถามโดยเร็วจ้องหน้าแกอย่างแปลกใจสีหน้าของบุญคำแช่มชื่นในบัดนั้นกิริยาก็กระปรีก้กระเป๋าเต็ไมไปด้วยความหวังผิดไปจากเดิมบุญคารู้นายหญิง ขอเวลาให้บุญคำทำพิธีอะไรสักเดียวเถอะว่าแล้วแกก็รีบตะกายปีนขึ้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยเร็วและพินกระดารินไยตามขึ้นมาด้วยก็เห็นแกตรงเข้าไปตัดกิ่งไม้อย่างรวดเร็วนำมาปักเข้าที่ริมบริเวณปากคั้วที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจการเคลื่อนย้ายตัวของสิ่งที่สันนิษฐานกันว่าเป็นงูใหญ่เพียงครู่เดียวต่อ ม, มันก็กลายเป็นสารเพียงตาขึ้นหันหน้าไปทางทิตะวันออก ตพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมผู้แก่กล้าอาคมหลวงทูบซึ่งมีติดประจำอยู่ในย่ามหลังตลอดเวลาของแก่ออกมาสิบห้าดอกจุดลุกโชนควันขมงลงนั่งขัดสมัดท่องบนบริกรรมอะไรเป็นร่ายยาว พ, พึมพำฟังไม่ได้สับตลอดเวลาพรานใหญ่กระดารินนั่งดูอยู่เงียบเงียบบนขอนไม้ใกล้ๆ้โดยไม่ขัดจังหวะพักใหญ่แกก็ปักทูบลงกับแผ่นดินตรงหน้าสารเพียงตาแล้วเดินยิม้มกลิ่มตรงเข้ามา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 ต่อมาหล่อนเงยขึ้นมองตาพรานใหญ่เสียงที่พูดไปไม่เกินกระซิบเมื่อเช้านี้เองที่เจ้าตัวถอดออกทิ้งไว้ที่นี่นะอมพรานไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นในขณะนั้นก้มลงพิจารณาพื้นอันปรากฏรอยเท้าจางๆนั้นอย่างรีบร้อนแล้วออกสาวรอยตามไปโดยเร็วด้วยจิตใจอันสั่นระทึกตื่นเต้นเหลือที่จะกลับอืใจต่อมาทั้งหมดก็พบเข้ากับรอยกองไฟ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 ขณะที่พักอยู่ที่นี่เมื่อคืนผมทายว่าเขาคงโผล่มาจากใต้ภูเขาในเวลาเย็นมากแล้วจึงเลือกยึดที่พักนอนที่นี่ยังไม่ทันจะขาดเสียงของระพินบุญคํำก็ตะโกนเรียกโบกเวกว์มาจากตากค้วอันเป็นการเลื้อยตัวของงูใหญ่อีกต่อห น, นึง่งแกกําลังคุกเขา่าก้มก้มเงยเงยทำอะไรอยู่ที่นั่นทั้งสองวิ่งตรงเข้าไปโดยเร็วแล้วก็พบเข้ากับความประหลาดใจอีกชนิดหนึ่ง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 มีรอยกวาดดินที่ปกคลุมก้อนศิลาแรงออกไปจนทําให้มองเห็นได้อย่างถนัดหินก้อนหนึ่งมีรอยลอกขาวเวอร์เป็นทางไประพินสันนิฐานว่าคงจะเป็นรอยของมีดโบวีที่คนหนึ่งคนใดใช้ขูดดินที่เกาะติดอยู่ออกทั้งส ม, มองหน้ากันตื่นตื่นช่วยกันพิจารณาบริเวณนั้นอย่างละเอียดถี่ถ่วนที่สุดด้วยความประหลาดงงงันเหลือที่จะกลั่ ปุนคำก็ชี้มือให้ดูลงไปยังก้นห้วยเบื้องล่างซึ่งมีรอยเท้าของคนทั้งสองย่ำเป็นเทือกอยู่เช่นกันนายทหารกับนายแหม่มไต่ลงไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในคูใหญ่รอยงูเลื่อนนี่แล้วปีนขึ้นทางด้านนี้มาช่วยกันขุดดินปกโคูพบไอหินแปลกลักษณะเหมือนกำแพงเมืองสองสามก้อนนี่มีรอยมิดขุดแล้วก็คงขุดต่อไปไม่ไหวเลยขุดไว้แค่นี้เอง แต่ว่านี่มันเป็นกำแพงอะไรละนายกำแพงอะไรนั่นน่ะไม่ใช่ข้อประหลาใจของบุงคําแต่เพียงคนเดียวหรอกแต่มันเป็นข้อพิศวงอัศจรรย์ใจสาหรับอมพรานระินและดารินอยู่ก่อนแล้วในทันทีที่มองไปเห็นด้วยทั้งหมดเงียบกริบกันลงชั่วขณะหนึ่งจ้องที่ก้อนศิลาแรงซึ่งโผล่พ้นดินขึ้นมาเหล่านั้นและมองตากันเองอยู่ไปมา ต่อมาบุญคำก็ลงมือเอามีดเดินป่าของแกทดลองแงะดินขุดต่อจากสองสามแผ่นที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วโดยไล่ระดับไปในขณะที่ระพินย่อนตัวลงไปยืนอยู่ก้นห้วยตรงบริเวณที่เห็นรองเท้าของชายยันกับมาเรียย่ำเปรอะไว้ดารินไต่ตามลงมาอีกคนหนึ่งทั้งสองช่วยกันสำรวจอย่างพิเคราะห์ไปรอบๆท้งพื้นก้นห้วยผนังตลิงและแนวคดเคี้ยวยาวเหยียด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 กำแพงเมืองเหรอดารินพึมพัมในตาวาววามไปด้วยความคิดลักษณะของหล่อนกำลังใช้สมองใคร่ควรวนอย่างหนักที่สุดนี่ก็แปลว่าทั้งเมย์และชัยยันได้มาพบและมีความสะดุดใจอะไรไม่ผิดกับเรามาก่อนแล้วสิหาไม่ทำไมทั้งสองคนจึงช่วยกันขุดดินออกดูอย่างที่เราเห็นอยู่นั่นละ่ะไม่มีปัญหาหรอกทั้งคุณชัยยันและเมนะ่ะเป็นนักศึกษาชั้นสูง จะต้องสำเนียกได้กับสิ่งประหลาดอันผิดวิกลชวนให้คิดนี้ได้อย่างแน่นอนและคงจะเกิดความสงสัยขบคิดอัศจรรย์ใจมาก่อนเราแล้วเพราะเขาพบก่อนเราร่องรอยที่ช่วยกันขุดไว้แสดงว่าทั้งสองคนมีความสนใจเป็นอย่างมากแต่ไม่มีกำลังพอที่จะขุดต่อไปได้จึงขุดทิ้งไว้เพียงแค่นั้นไปพักนอนโคนไม้ตรงที่เราพบรอยกองไฟและรอยหักกิ่งไม้พอรุ่งเช้าก็ออกเดินทาง ผมกาว่าทั้งสองคนนั่นคงจะล่วงหน้าไปก่อนเราเพียงไม่เกินเจ็ดแปดชั่วโมงเท่านั้นน่ะคุณว่าที่เรากําลังยืนอยู่นี่มันคืออะไรถ้าข้างบนที่บุญคํากําลังขุดอยู่นั่นเป็นสันกําแพงด้านบนตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็ควรจะเป็นครูเมืองนะครับงูใหญ่คงจะมานอนจําสิลอยู่ในแนวคูเมืองนี่มานานแล้วพอเคลื่อนตัวไปก็เกิดพลิกดินขึ้นมาทําให้ศีลาแรงที่ก่อกําแพงเมืองบางส่วนโผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน ที่นี้คุณชายยันกับเมก็พลูออกมาจากทางลำธารใต้ดินในหุบข้างล่างโน้นก็ปีนขึ้นฝั่งมาพบรอยคูเมืองหรือลำห้วยอันเกิดจากที่งูใหญ่เลื้อยตัวไปจึงตั้งใจจะข้ามคูไปฝั่งโน้นวิธีจะข้ามก็ต้องไต่ลงก้นคูก่อนแล้วก็ไต่ตะลิงขึ้นยังอีกฝั่งหนึ่งจังหวะนี้เองนะครับที่ทั้งสองคนได้พบเข้ากับส่วนของกำแพงเมืองที่พลู ข, ขึ้นมาแล้วพินพยายามจะอ่านเหตุการณ์ จากร่องรอยเข่าเงื่อนที่เห็นดารินกระดกลิ้นออกมาเลียริมฝีปากแล้วบทเม้มสนิทภายหลังจากไใตรองอย่างรอบคอบที่สุดแล้วหล่อนก็คิดว่าข้อสันนิษฐานของพรานใหญ่น่าจะใกล้เคียงกับความจริงที่สุดปัญหามันมีอยู่ว่างูใหญ่ตัวนั้นเลื่อยจากตำแหน่งที่นอนอยู่นี่ไปเมื่อไหร่และชา ย, ยันกเมมาถึงที่นี่เมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นเวลาไล่เลี่ยห่างกันไม่เท่าไหร่ก็ได้ พระสังเกตดูจากหลักฐานการเคลื่อนตัวของงูใหญ่ก็ไม่พอพอกระรอกรอยของคุณชัยยันและเมที่ผ่านเข้ามาที่นี่คุณหญิงกังวลในข้อที่ว่าคนทั้งสองจะคราอร้ายเผชิญหน้ากับ ง, งูใหญ่ตัวนั้นล่ะครับดารินไม่ตอบได้แต่ขมวดคิ้วคิดอย่างไม่สู่จะสบายใจนะักเสียงพรานใหญ่บอกต่อมาว่าหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ก็ยืนยันอยู่แล้วนะครับว่างูได้เลื้อยไปก่อนแล้วคุณชายยันกับเม ยึงลงมายังก้นคูที่มันอาศัยนอนอยู่เดิมมีหน้ำซ้ำเราก็ยังได้หลักฐานในข้อที่ว่าทั้งสองนอนพักอยู่ที่โคนต้นนั้นต้นไม้นั้นตลอดทั้งคืนเดียวกระทั้งออกเดินทางไปเมื่อเช้านี่เองไม่มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ให้เห็นอันแสดงว่าได้เกิดการต่อสู้หรือเกิดเรื่องร้ายแรงใดๆขึ้นเลยผมกล้าเอาหูเป็นประกันได้ครับว่าทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่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 บริเวณที่บุญคำขุดไว้เมื่อประกอบเข้ากับที่ชัยยันและมาเรียขุดไว้ก่อนก็ยิ่งมองหินเป็นแนวสันกำแพงเด่นชัดขึ้นอีกส่วนกว้างของมันแบบนี้ขยายออกไปถึงหนึ่งวาเต็มๆ เ, เบื้องล่างลงไปฝังอยู่ในผนังคูและในด้านยาวก็สุดที่จะคำนวณได้ว่ามันจะเป็นแนวไกลไปอีกสักเพียงไรเพราะจมอยู่ในดินเอาละพอแล้วบุญคำอย่าไปเสียเวลาขุดมันต่อไปเลย ออมแรงไว้ทำในสิ่งที่จำเป็นดีกว่าตาพรานหยุดขุดเอาแขนป้ายเช็ดเหงื่อบุญคำสงสัยเจริง่ะนายตําแพงเมืองอะไรที่ไหนดันมาจมอยู่กลางตาดงดิบแบบนี้นายลงไปตรวจที่ก้นคูนั่นได้ความว่ายัางไงมั่งละนายมันเป็นแนวคูเมืองนะงูใหญ่นะ่ะมันอาศัยนอนอยู่แล้วมันเป็นเมืองอะไรตั้งแต่สมัยไหนละนายบุญคาเงยหน้าขึ้นถามสื่อ ต้องถามกรมศิลปากรพรานใหญ่ตอบหน้าตาเฉยมือขวาของเขาทำหน้าตื่นลิกหลักไม่รู้เรื่องดารินจ้องหน้าเขาแผ่วเสียงกระซิบฉันไม่คิดว่าคุณจะมองข้ามความสนใจในสิ่งที่เราค้นพบไปใช่ได้นะถึงแม้ว่าอาการเบื้องนอกของคุณจะไม่แสดงว่าสนใจอะไรกับมันเลยระพินยักษ์ไหลคุณหญิงครับเราจะทำอะไรในขณะนี้ได้ นอกจากเดาเดาแล้วก็เดาเท่านั้นผมหลับตาเห็นภาพคุณชัยยันกับเมยซึ่งคงจะมานั่งปรึกษาหารือกันอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนกับเราในขณะนี้แหละแล้วก็คงช่วยกันเดาไปสารพัดเหมือนกันเราย้อนกลับไปตรงที่พักนอนของทั้งสองคนนั่นดีกว่าครับเผื่อจะพบร่องรอยอะไรเพิ่มเติมอีกกล่าวจบเขาพยักหน้าเชวญบุญคำให้พระจากบริเวณคูตรงที่พบสันกำแพงเดินกลับมายังบริเวณโคนไม้ใหญ่ อันเป็นรอยแรมคืนของบุคคลทั้งสองในราตรีที่ผ่านมาดารินเดินตามหลังมาเงียบเงียบโดยอาการครุ่นคิดหนะักหลอนซุดตัวนั่งลงบนขอนไม้ริมกองไฟซึ่งบัดนี้เหลือแต่เพียงรอยขี้เท้าและดุนฟืนที่เหลือจากไฟกินไว้ท่อนสั้นๆขณะนั้นเองหลอนก็เหลือไปเห็นก้อนหินสันฐานกลมๆรีๆก้อนหนึ่งวางอยู่ใกล้ๆลักษณะของมันถูกย่างลนไฟไว้ ยื้สาวช้ยเท้าเขียบมาสำรวจแล้วยิ้มออกมาเล็กน้อยเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเมื่อคือนนี้ทั้งสองคนนั่นคงจะขลุกขลักกันมากทีเดียวละโดยเฉพาะอย่างยิ่งชา ย, ยันเขาคงภาวะพาวังกลุ่มใจถ้าเป็นบ้าตายเวลาเมเกิดอาการชนิดนั้นขึ้นจะปวดดิน้นพลาดจนหมดสติช่วยตัวเองไม่ได้เลยและช ย, ยันก็ไม่ใช่หมอซะด้วยคนเรานะเมื่อเกิดความจาเป็นขิดสุด ก็คงต้องมีปัญญาแก้ไขไปตามเรื่องนะครับคุณหญิงผมคิดว่าคุณชัยยันต้องช่วยเมยได้ตามมีตามเกิดนะครับใช่หล่อนพยักน์นะะบุยปากให้ดูที่ก้อนหินลูกนั้นชัยยันน่ะเขาฉลาดพอที่จะทำลูกประครบช่วยให้ในด้านความอุ่นกเัเมเหตุการณ์คงเกิดขึ้นในตอนกลางคืนภายหลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นหมครับสาหรับโรคประจาตัวชนิดนั้นของเมย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 กระพรานอีกห้าคนของเราเท่านั้นที่เรายังไม่ได้ระแคะระคายวี่แววอะไรเลยแต่ผมรู้สึกเชื่อมั่นยังไงพิกลนะครับว่าเราจะต้องได้ข่าวคุณชายกับพวกนั้นแน่ๆและผมเชื่อว่าทุกคนยังต้องมีชีวิตอยู่ขอให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเธอดาริงพึมพำขณะนั้นก็มีเสียงบุญคำร้องบํงว่านายได้รอยทางไปของนายทหารกับนายแห ม, มแล้วล่ะ เอามีดฟันไม้ทําเครื่องหมายไว้ชัดทีเดียวเราก็จะทิ้งไว้ให้เราเห็นเงินแหละแต่น้าแปลกนะนายรอยของไอ้เงยไซที่นำเรามาแต่แรกนะปลับหายไปเฉยๆฉฉฉฉหาเท่าไหร่ก็ไม่พบทั้งสองลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปยังชายดงที่ตาพรานเท่ากำลังก้มๆเงยๆตรวจร่องรอยอยู่แล้วก็พบหลักฐานการเริ่มต้นพระเดินทางจากที่พักของบุคคลทั้งสองริงตามที่บุญคาบอกไว้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 มันเกิดจากการเลื้อยเคลื่อนตัวของงูยักษ์แล้วพินเข้าไปพิจารณาดูที่รอยมีดบากต้นไม้ไว้แล้วยิ้มออกมาเล็กน้อยฟันไวเมื่อเช้านี่แน่นอนครับสังเกตได้จากยางไม้นี่เห็นจะเป็นฝีมือของเมย์แน่ๆละ่ะในฉลาดรอบคอบเหลือเกินที่ทําเครื่องหมายทิ้งไว้เพื่อสําหรับใครพวกเราคนใดคนหนึ่งที่บังเอิญยังมีชีวิตรอดและผ่านมาได้สาัาบ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 ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับตนเองด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าบังเอิญเดินหลงวนเวียนกลับมาที่เก่าก็ยังสังเกตรู้จากเครื่องหมายที่ทำเอาไว้แต่เดี๋ยวเราจะตามเขาได้อย่างสะดวกที่สุดผมเชื่อว่าเมค์คงทําเครื่องหมายไว้ทุกระยะที่เดียวแหละครับไม่มีรอยของแง่ทรายเลยเหรอหญิงสาวหันไปถามบุญคาผู้ขนานีทั้งหูทั้งตาและจมูกไม่ผิดอะไรกหมาบลาดาัดฮาว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 ชนิดให้เห็นตัวกันอยู่เมื่อเรามาพบหลักฐานเหล่านี้เข้าถึงยังไงเราก็จะต้องพาวะระวั ง, วงสองฝักสองฝ่ายไหนจะต้องใครควรพิจารณาถึงหลักฐานที่ปรากฏอยู่เหล่านี้และไหนจะต้องคอยจัดกตาติดตามมันต่อไปอีกโสดนึงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ถูกเหมือนกันว่าผมจะเลือกตามรอยคุณชยันกะเมหรือมุ่งที่จะตามแง่ใส่กันแน่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 เสียงพูดของรพินดังไม่เกินกระสิบถ้างั้นนครประหลาดตั้งแต่โบราณกาลนั้นก็คงจมอยู่ใต้แผ่นดินในป่าลาแวกนี้นี่เองดารินกล่กาวอย่างแผ่วเบาเดี๋ยวมองไปรอบๆ ร, บ ร, บราวป่าอันทึบทมึนซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ดึกดำบันอ่ะคุณคิดว่าบริเวณไหนที่ควรจะเป็นตัวเมืองล่ะตามปกติแล้วนะครับ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 เจ้าผีดิบมันไรซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปุโรหิตที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของนคร น, นี้มันเป็นอมตะมันยืนยงคงอยู่ตั้งแต่การละครั้งนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้โดยทําหน้าที่เป็นเสมือนโสมเฝ้ารัพย์คอยกีดกันทําลายล้างใครก็ตามที่จะผ่านเข้ามาพบทราบ ข, ของนคร น, นี้ดารินบังเกิดอาการขนลุกเกลียวขึ้นมาในทันทีนั้น ด้วยความรู้สึกสยองใจเมื่อหวนนึกไปถึงภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมารู้สึกว่าได้เดินทางเข้ามาใกล้จุดหมายปลายทางเต็มทีแล้วทั้งๆที่ไม่ทราบแน่ว่าจุดหมายปลายทางนั้นคืออะไรกันแน่แต่ก็บังเกิดความอบอุ่นมั่นใจขึ้นอย่างประลาดเดี๋ยวนี้ไม่เพียงแต่ละพินไทยวันผู้จะเป็นหลักประกันอันแน่นอนและมั่นคงเท่านั้นเรายังมีบุงคาผู้เก่งกาจ เข้ามาร่วมสมทบด้วยอีกคนหนึ่งยิ่งกว่านั้นอย่างได้ร่องรอยการมีชีวิตอยู่และเดินเข้าสู่เป้าหมายอันเดียวกันของชยันกับเมย์สำเนาสายเล่าก็ป้วนเปี้ยนใกล้ชิดเข้ามาทุกทีแสดงว่าไม่ยอมทอดทิ้งห่างออกไปและมีพฤติกรรมที่อาการช่วยเหลือเด่นชัดขึ้นทุกขณะสองคนนั่นก็จะสันนิษฐานรูปการเช่นเดียวกับเราหรือไม่นะ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 กจบเขาก็เหลี้ยวไปรอบๆและตะโกนเรียกบุญคำสิ่งกระร้องตอบออกมาจากหลังจอมปลวกและพิงจึงสาวเท้าตรงเข้าไปพอรับพุ่มไม้เขาก็อุทานออกมาเบาๆ บ, บุญคำตาพรานเท้าผู้กำลังนั่งยองๆ อ, อ, อยู่กับพื้นเงยหน้าขึ้นแยกเขี้ยวยิ้มกับเขาสิ่งที่พานใหญ่เห็นด้วยอาการตะลึงก็คือแกกาลังบรรจงเขีย่ยผ้าซับประจาเดือนของมาเรีย มาวางไว้บนใบบอนขนาดใหญ่แล้วค่อยๆห่ออย่างระมัดระวังต่ก็พึมพมออกมาว่าคราวนี้ล่ะนายไม่ต้องวันอะไรอีกแล้วขอให้พบหน้ากันอีกสักครั้งเถอะไม่ว่าไอ้ผีดิบมันไรหรือไอ้เสือโคร่งดำตัวนั้นกระพินเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ลืมตากว้างฮะมีเอาเจิงเหรอบุญคำโอแล้วกันสินาย เห็นบุญคำพูดเล่นไปได้บุญคำนะเห็นผ้าเลือดของนายแหม่มโอ้โหดีใจยิ่งกว่าได้แก้วสิก็บอกแล้วนะว่าเจ้าป่าท่านเปิดทางให้แกเราถึงได้บรรทายบรรดาให้บุญคำมาพบกับไอ้นี่เขายังไม่คาดฝันเรานี้ล่นายตั้นได้เห็นดีเห็นชั่วกันเสียทีมันล่าเรามันนานแล้วต่อไปนี้บุญคำจะล่ามันบ้างประโยคสุดท้ายแกหัวเราะออกมาด้วยเสียงคำราม จัดการห่อผ้าซั์ประจําเดือนที่พบทิ้งอยู่นั้นอย่างระมัดระวังและบรรจุลงถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเอาผ้าเขาม้าห่ออย่างดีผูกมัดติดกับเอวไวปาก็พึมพำต่อไปอย่างลิงโลดใจนายแหม่มดีแท้ๆอุดสาห์ทิ้งไว้ให้บุญคำน่ะเป็นทุกอยู่นี่ว่าจะไปหาไอ้ของชนิดนี้มาได้จากที่ไหนในที่สุดเจ้าปาก็สงโปรดจ้าพรามทาหน้าแย กระดึกน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นกระพริบตาปริบ ป, ปริบดูการของตาแพรนเท่าออครูใจครางมาว่าเออนะเอาจริงฮฮนั่นจะเอาติดตัวไปด้วยเหรอนายไม่เชื่อก็คอยดูสินายนี่แหละพายันวิเศษโบเข้าไปที่ไหนต่อเนื้อหนังบังสาของมันทําด้วยเหล็กไหลหรือหินมันก็จะยุย่ยเป็นยวกด้ยไปเลยเมื่อคืนนี้ทั้งนายทหารกับนายแหม่มมันนอนพักอยู่ที่นี่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 เขาไม่ต้องการให้นายหญิงทราบว่าแกทาอะไรท่านใหญ่จิงวางหน้าเฉยเป็นปกติและชิงตาวกลบเกลือนขึ้นเป็นการตัดความสนใจของหล่อนอะอ่พร้อมหรือยังนะครับคุณหญิงเราจะได้ออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้แหละเวลาไม่คอยท่าแล้วครับพร้อมแล้วแต่หล่อนเหลือบสายตาไปที่พื้นตำแหน่งที่เคยเห็นผ้าซับประจาเดือนของมารีย ว, วางทิ้งอยู่ซึ่งบัตรนี้มันอันตราทานไปซะละ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 ตลอดทางวิรอยมีดเฉาะกิ่งเถาวันไว้เป็นระยะการตามรอยเป็นไปอย่างสะดวกสบายที่สุดเพราะสองคนที่ล่วงหน้าไปก่อนทำเครื่องหมายไว้อย่างเด่นชัดระหว่างที่เดินเคียงหลอดกิ่งเถาวันไปด้วยกันดารินก็กระซิบถามว่าใครเป็นคนเก็บเอาวะคุณหรือบุญคำนะอะไรครับคุณหญิงก็แพชชินนันไงบุญคาครับ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 ท่านใหญ่พูดโดยเร็วขณะที่พลิกปอกกระสุนดูดารินก็ร้อนใจขึ้นมาในบัตรนั้นสั่งให้บุญคำตรวจบริเวณหาร่องรอยอื่นๆอีกไม่มีอะไรผิดปกติและปลอกกระสุนก็มีอยู่เพียงนัดเดียวที่พบเท่านั้นรอยเท้าของคนทั้งสองคงเดินไปด้วยอาการปกติทัานแล้วไม่กี่อึดใจของการตามรอยต่อไปนั่นเองทั้งหมดก็ได้คาตอบชัดเมื่อตามรอยขึ้นมายังขวางฝาของลาห้วยทีเห็นแผงตัวหนึ่ง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 โดยยังไม่ได้กินในขณะ น, นี้โล่ง อ, อกไปทีหล่อนถอนใจยาวยิ้มออกมาได้วางใจได้ครับคุณหญิงถ้าคุณช้ยยันหลงมากะเมร์เรื่องอาหารเป็นไม่อดแน่นอน้วยความจริงเราน่าจะได้ยินเสียงปืนนะระยะมันก็ไม่ได้ห่างกันออกไปเท่าไหรน่นักนี่จะอาศัยเสียงปืนไม่ได้เสมอไปหรอกครับมันสุดแล้วแต่ทางลมและภูมิประเทศด้วย มันลั่นขึ้นใต้ลมระยะสักสองสามกิโลนี่เราก็ไม่ได้ยินแล้วล่ะหรือถ้ามันมีเหลี่ยมเขาบางวายก็ไม่ได้ยินเหมือนกันครับเราจะาําตามก็ทันก่อนมืดสนิทวันนี้ไหมก็ไม่ได่เหมือนกันนะครับถ้าสองคนนั่นหยุดหรือเดินวนก็อาจทันแต่ถ้าไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ต้องพบแน่นอนครับระวังรอยจะหายซะนะ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 จะเป็นลำแสงแห่งทิวาการสุดท้ายของวันนี้ท่านใดนั้นเองก็มีเสียงเหมือนพายุคลางอู้ใกล้เข้ามาทั้งทั้งที่กิ่งไม้ใบหญ้ารอบตัวในขณะ น, นี้ไม่ได้กระดิกไหวเลยบุญคำผู้นำหน้าเดินไปเก้าสองเก้าก็หยุดเสียงนั้นใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วปาพานเท่าทำหน้าเลิกลักเอามือทั้งสองยกขึ้นป้องหูหันไปรอบรอบแล้วก็ถอยกรูด้็มารวมกลุ่มการพินและดาริน อ๊ลมอะไรมันดังพิลึกอยู่หน้านหนจอมพานเงี่ยวหู ก, ก่อนแล้วเหมือนกันหมุนไปรอบๆ อ, อย่างรวดเร็วแล้วตบลูกเลื่อนขึ้นลำจุดสี่ห้าแปดในมือเสียงดังสนัน่นหันไปทางดารินผู้ยืนหน้าตื่นอยู่เอามือดันหลังโดยแรงวิ่งวิ่งเร็วที่สุดปัดดมสักรมไปที่ชายผานั่นเร็วไม่กระบุนคาไม่ต้องเนหวงผมขณะจิตหนึ่งดารินวราริทยืนตะลึงแต่แล้วก็ถูกบุญคาจับข้อมือ ชุดกระชากพาออกวิ่งแนบสุดฝีเท้ารงไปยังหน้าผาของเชิงเขาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักรพินไครวันเลี่ยงเข้าหาต้นพริกยักษ์ที่มีลำต้นใหญ่แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะหาได้ในละแวกใกล้เคียงลวงกระสุนอีกชุดหนึ่งขึ้นมาถือกำรรพร้อมไวในมือประสาททุกส่วนตื่นพร้อมแต่ใจเย็นสงบและสติมั่นคงมิได้วันไหวสะทกสะเทือนแม้แต่น้อยจากประสาทสัมผัส และเสียงครางอู้ที่ได้ยินราวกระพายุนั้นเขาเคยผ่านมันมาก่อนแล้วและจำได้อย่างแม่นยำที่สุดมันเป็นเสียงปีนนับรอยรอยคู่ที่ตะกายมากับพื้นใบไม้แห้งและพุ่งพงของเจ้าสัตว์ปีนมากชนิดนั้นซึ่งถ้าตัวมันยาวเพียงแค่คืบแค่ศอกเขาเคยรู้จักมันในนามของตะขับแต่เมื่อมันยาวตั้งร่วมห้าสิบเมตร และมีลำตัวปานต้นรังอย่างเช่นที่เคยเผชิญกันมาแล้วแทบเอาชีวิตไม่รอดเขาก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเหมือนกันในบัดนี้มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากไอ้โคตรตะขาบชนิดนั้นแหละมันกําลังเลื้อยเป็นพายุบุกแคมมาด้วยอัตราความเร็วสูงสุดของมันใบหน้าขึ้นเนินตรงเข้ามาเรากับจะได้รู้ว่าศัตรูฤทธิ์นิดช น, นั้นก็เหยื่ออันโอชะของมันอยู่ที่นี่ หลมพัดจัดยอดเนินลงไปสู่่าเบื้องหลังมนุษย์เป็นฝ่ายอยู่เหนือลมผ่านใหญ่จ้องตาอันคมกริบสำรวจทางหนีทีไล่ในรัศมีรอบตัวและจับจ้องไปยังปลายเนินอันเป็นตำแหน่งที่มาของเสียงอื้ออึงแผ่นดินสะเทือนนั้นไร้ฝนในมือถือชูปากกระบอกขึ้น45องศาพร้อมที่จะกดลงหาเป้าหมายใดๆก็ได้ภายในพริบตาเรือไปเบื้องหลังอีกครั้ง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 ลอนคงไม่ยอมพละหยักที่เดิมอยู่เช่นนั้นระดับที่หญิงสาวยืนอยู่สูงกว่าเขาขึ้นไปประมาณ30สบเมตรและสามารถจะมองเห็นอะไรในวงที่กว้างไกลกว่าโดยเฉพาะในส่วนที่ลาดต่ำลงไปบุญคันตรงเข้ามาเร่งราวฉุดลากลอนอีกครั้งเพราะเคยชินกันดีกับคำสั่งของเจ้านายแต่แล้วก็ไงหลังล้มจำเบ้าลงเพราะถูกดารินผลัก อ, อกทิ้งเขาไม่ได้นะเขาอยู่ที่นั่นเพียงคนเดียวลนตะโกนเสียงหลง โอ้นายหิงไม่ต้องห่วงร้านใหญ่หรอกปรเดี๋ยวก็วิ่งตามเรามาทันรีบไปตั้งหลักที่หน้าฐา น, นนั่นเถอะกรงนี้นะแมนอันตรายมากแตะปืนสามก็บอกดีกว่ากรบอกเดียวนะบุญคําดารินแผดเสียงอย่างดื้อดึงระหว่างที่ทั้งสองกําลังยื้อยุดกันอยู่ฝ่ายหนึ่งจะปักหลักอยู่กระที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะลากตัวไปให้ได้เบื้องหลังสิ่งที่รอคอยอยู่ด้วยหัวใจอันเต้นระทึก ก็ปรากฏกายของมันขึ้นส่วนสีสะอันประกอบไปด้วยเส้นหนวดและเขี้ยวงงใหญ่มาคึมาโผล่ขึ้นมาก่อนครันแล้วช่วพริบตาพื้นของชายเนินก็แลดูแดงฉานรอกระานไฟเคลื่อนที่จากลำตัวที่เคลื่อนไตเนินตรงขึ้นมาและไม่ผิดอะไรกับกระแสทานของเท่าลาว่าที่ไหลทวนขึ้นที่สูงแะพิงกดลำกล้องไรเฟิลของเขาลงในทันทีนั้นพร้อมกับแตะไกแมกนัมแอฟริกัน ระเบิดผ่านลำกล้องออกไปกลบสรรพเสียง ใ, ใดๆทั้งมวลลงมาหมดสิน้นตาทั้งตาดูเหมือนว่าจะทลายลงมาด้วยอนุภาพของลูกปืนผสมกับการดิ้นรนวัดว่าตัวยังเกลี้ยวการอมโกดัง ข, ของเจ้ากระหับโลกล้านปีจะเป็นเพราะความรีบร้อนในการยิงหรืออัการาที่มันผลดยานมาด้วยความเร็วปานลมพัดก็ไม่ทราบได้กระสุนนับนันแทนที่จะพุ่งเข้าหาก้านคอกลับพลาด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 ทำให้เขาพังงาหลังจำ้ำเบาลงทั้งยืนและพริบตาต่อจากนั้นมาโหวที่เบนบิดไปก็แวงกลับประวัติววทรวดเร็วเลยต้นพริกที่ระพินกำบังอยู่ขึ้นมาดวงตาที่ฝังอยู่ในศีรษะทั้งสองลุกแดงฉานราวกำมีดวงไฟเข้าไปจุดไว้คิ้วสยายอ้ากว้างกัดขย่อมพุ่งไม้เล็กๆ เ, เบื้องหลังจอมพรานขาดกระจุยออกไปราวก็ถูกดาบฉะด้วยความโกรธแค้นดุร้าย แล้วมันก็พยายามตวัดส่วนหัวเข้าหาเหยื่อผู้ล้มลุกคลุกคานอยู่ให้ได้แต่ขัดอยู่ที่องศาของการแวงตัวไม่สามารถจะกระทำได้ทันหนึระพินเพนขึ้นวิ่งกระโจนข้ามพงไม้ตรงเข้าหากลุ่มโขดหินที่เห็นอยู่ใกล้ที่สุดก่อนที่มันจะแวงหัวอีกครั้งเมื่อ น, นั้นเองจุด300เวทบีแม็กจากดารินวาราริตก็ระเบิดกึกก้องมา หลนใช้ความรวดเร็วกว่าไวสุดแต่ที่สะกดไว้ไม่ได้ก็คือความตื่นเต้นงานงกในระยะติดพันจวนตัวที่ระพินกระเจิดกระเจิงหลบกลิ้งตัวเพื่อหลีกมฤต ย, ยูในขณะนี้เขาสามารถได้ยินเสียงหัวกระสุน2อยเกรนซึ่งพุ่งแหวกอากาศมาด้วยความเร็วสูงเจาะควานแหวกลำต้นอันใหญ่โตมโหฬารปานสูงนั้นอย่างถ น, นัดทันที เศษเนื้อและของเหลวคนในร่างกายของมันไปอูกระจายขึ้นไปบนอากาศแต่มันหาประโยชน์อะไรมิได้เลยเพราะการยิงเจาะเข้ากลางลำตัวของไอสัตว์เซนต่ํ่ำเลือดเย็นจะมีก็แต่ ย, ยั่วยุทวีความโกรธแทนดุร้ายบมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเสียงมันคู่คำรามฟาสนั่นขึ้นราวกับเสียงไอพ่นออกมาจากหัวรถจักรและลำตัวส่วนหนึ่งที่มีตีนะตะกายพลิวอยู่ ก็ทับลงมาบนตุ่มหินที่ระพินโดดก็ไปบังอยู่จอมแพร่รีบก้มลำตัวต่ําอย่างรวดเร็วก่อนที่ลำตัวส่วนนั้นจะกระแทกทับลงมามันติดค้างอยู่ในระหว่างยอดหินโดยมีเขามุดหลบอยู่ภายใต้และหินสองสามก้อนที่ขึ้นเรียงรายเป็นหมู่อยู่นั่นเองที่ช่วยป้องกันเขาไว้ไม่ให้ถูกบด ท, ทับแหลกละเอียดแต่บัดนี้มันพาดคล่อมอยู่เบื้องบน เรากับมีใครเอาหลังคามาปิดไว้บังแสงสว่างให้มืดมิดไปหมดครั้นแล้วก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรนั่นเองหูก็แว่วเสียงสะท้านของไรฟอิลอีกสองนัดกำป้านมาติดติดกันบุญคำกับดารินคงปล่อยกระสุนซ้ำ ม, มาอีกในเวลาไล่เลี่ยและถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของลำตัวมันอย่างถนัดถนีที่สุด เพนท้องส่วนหนึ่งที่ปิดบังอยู่เบื้องบนก็กระชากหูค้นไปจากยอดหินเหนือศีรษะหูก็แว่วเสียงตะกนเอ็ดอึงฟังไม่เป็นภาษาของตาพรานเท่ากับนายจ้างสาวแทรกขึ้นมาจากเสียงคูครามและลื้อตัวเป็นพายุสลาตันที่แวดล้อมอยู่รอบกายในขณะนี้คนทั้งสองจะร้องบอกเช่นไรเขาก็ฟังไม่ได้ถนัดในนาทีวิกฤตที่กาลังแสวงหาทางต่อสู้และเอาตัวรอดอยู่ในขณะนี้ ระพินคลานจะออกทางซอกขินอีกด้านนึงแล้วก็ต้องถอยกลับเพราะและเห็นลำตัวของมันส่วนหนึง่งแล่นลื้ออ้อมดักเป็นกำแพงอยู่ทางด้านนั้นพอหันกลับจะวิ่งออกทางด้านตรงข้ามก็ต้องทำ ง, งานหลังอีกครั้งบัดนี้ป่าทั้งป่าแล่ไม่เห็นอะไรนอกจากลำตัวของไอ้ยักษ์แมกตีนที่กําลังพันรอบโคงหินที่เข้ามาหลบอยู่ดูราวกับว่ามันจะตะวัดเป็นวงกลมล้อมเข้าไวตรงกลาง ไม่สามารถจะคันเนได้ถูกว่าด้านไหนเป็นส่วนหัวหรือหางเพราะความใหญ่โตและระยะที่ใกล้ชิดเกินไปอยากเนินของดองสักเบื้องบนก็ได้ยินเสียงปืนที่กระห น, นํายิงลงมาสนันวันไหวไม่ขาดระยะทั้งสองคนคงจะช่วยกันซันโบอย่างแข็งกับเวลาและคนไปกระสียงร้องตะโกนฟังไม่ได้สับอยู่เช่นนั้นแล้พินกัดริมฝีปากแน่นคุ้มตัวกระชักปืนมั่นอยู่ริมก้อนหิน ปากรเม่นมองออกไปยังลำตัวสีแดงคล้ำประกอบไปได้วยตีนยุ่งยากนับไม่ถ้วนที่กำลังแล่นผ่านหน้าเขาเป็นวงกลมห่างออกไปไม่เกินสามสีวาในขนาดนี้แล้วตัดสินใจเด็ดขาดแม้จะไม่สามารถสังเกตชวนสำคัญใดก็ตามเขาอัดกระสุนเข้าใส่กลางลำตัวนั้นในระยะเผาขนนัดหนึ่งด้วยความรู้สึกที่บอกกับตนเองว่าเหมือนเอาก้อนอิดเล็กปลาเข้าใส่ซุงใหญ่ทางต้น แต่อย่างน้อยที่สุดนัดนั้นก็บรนดาลผลให้เกิดขึ้นบ้างละ่ะลำตัวที่เห็นเลื้อยล้อมเป็นวงกลมอยู่กระชากวูบด้วยอาการกระตุกไปเบื้องหน้าโดยแรงมวลฝุ่นตลบอบอวนไปหมดริบตาต่อมามันก็เคลื่อนสวนทางถอยหลังแล้วฟัดฟาวูบว่าคลายตัวห่างออกไปจากการล้อมวนอยู่รอบโขดหินครั้นแล้วหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเป็นเมื่อเอยวูบขึ้นไปเบื้องบน เห็นส่วนสีสะของมันยกชูพ้นแนวก้อนหินที่กำบังขึ้นมาอย่างพรวดพราดจอมพรานตะหวัดลำกล้องไรเฟิลเข้าใสแต่ก่อนที่เขาจะลั่นไกลออกไปนั่นเองอีกสองนัดจากไรเฟิลเบื้องบนก็ดังประสานกันขึ้นแทบจะเป็นเสียงเดียวแนวกระสุนพุ่งผ่านขอบยอดด้านโงขคแล่นเข้ากระทบกลางท้องของมันขาสอสอันที่กาลังตะกุยอากาศอยู่ขาดเรนปลิวไปพร้อมกัน ลํำตัวท่อนบนที่ยกชูขึ้นก็ทิ้งโครมแผ่นดินสะเทือนลงไปกับพื้นอีกครั้งมีเสียงบิดตัวดิ้นรนเหมือนโลกสินั้นจะพล่มลงทางแถบปาหักคลื่นโครมสนานวันไหวแหลกยับเป็นแปลยอมพางกระโจนออกมาจากที่อับจนวิ่งหลีกล้ำตัวที่กำลังหมวนขดวัดแกงอยู่ไปมาอย่างบุบบิดจะถูกบดทับแหลกเหลวไปพ่อแนบยังไม่คิดชีวิต ใบเนินตรงขึ้นไปยังโคกด้านบนซึ่งแบบ น, นี้เลยเห็นดารินก บ, บุญคํากําลังจ้าละวันกันอยู่บุญคําประทับปืนอยู่กับไหล่ลั่นตูมตูมลงมาอย่างไม่ยัง่งในขณะที่ดารินกําลังสาละวนบรรจุกระสุนทุกใบ อ, อย่างร้นลามสิงคนทั้งสองร้อนเร่งให้เขาวิ่งขึ้นเนินมาให้เร็วที่สุดเพื่พิงกับควันโดยพลกำลังเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดวิ่งตะกายขึ้นมาถึงโคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ป บ, บนั่นเองหู้เขาก็แหววเสียงป่าหักสู้เป็นพายุประการดังไล่หลังมาจากปลายเนินอีกด้านหนึ่งมันเป็นคนละด้านกับไอ้ตัวแรกกำลังดิ้นพลาดอยู่ในขณะ น, นี้และยังไม่ทันจะหันไปดูเสียงหลอมของดารินก็ดังมาอย่างกระหนกตกใจขีดสุดระ ว, วังมันโทรตามขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วพระพิมหันขวักลงไปเป็นเวลาเดียวกับที่บุญคากระโจนลงมาถึง ดึงตัวให้ไตรุดหน้าขึ้นไปเขาจึงเห็นเพียงชั่วแวบเหมือนภาพอุปท า, านว่าเจ้าสัตรายัยากษ์พันเดียวกันกับตัวแรกอีกตัวหนึ่งพุ่งปราดปราดพ้นเนินของดงพริกป่าขึ้นมาอย่างดูร้ายเกรียวกราบขนาดของมันย่อมกว่าตัวแรกเพียงเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะมีความว่าวไวปราดเปรวที่เหนือกว่ามากาเ่อพอพ้นเนินขึ้นมาก็ไม่มีการหยุดรอรัง้งหรือชะงักใดๆทั้งสิ้น มันเลื้อยพุ่งไล่ตามขึ้นมาด้วยความเร็วสูงสุดเรากำลับจะรู้ถึงสถานการณ์โรมรันระหว่างมนุษย์กับคู่ของมันตัวแรกอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันเอานายหญิงหนีไปก่อนเจ้าทรานตะโกนสุดเสียงตกกลางหลังบุงคำเต็มแรงเร่งล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วเหวียงไร้เฟินขึ้นเลระยะนั้นโปร่งโล่งไม่มีอะไรบังทั้งสิน้นและเห็นส่วนศีรษะของมันที่พุ่งไล่เข้ามาอย่างถนัดถนี และบักนีถึงตีเนินเบื้องล่างห่างลงไม่เกินสี่สิบเมตรกำลังจะเงยหน้าขึ้นมาตามแนวอันล่าชันของพื้นที่เขาเลงดักหน้าแล้วกระดิกไกแฉจุดส5 8ห้าปดนัดที่สซึ่งประจำอยู่ในรังเพริงในขณะ น, นี้ทอรยยศเส็จแล้วผลสืบเนื่องมาจากการที่แช่น้ำโชคมาเป็นเวลานานของเหตุการณ์เมื่อวันก่อนแล้วมันก็ดันมาด้านเอาในนาที ขันขิดสุดกระพินไทยวันเย็นวา่าตั้งแต่เส้นผมลงไปถึงปลายเท้าตะโกนร้องบอกบุญคำในขณะที่ตนเองกระชากลูกที่ด้านออกยิงเร็วตาพรมเท่ากำลังจะพละออกแรงหันหลังมายกปืนขึ้นอย่างตาลีตาเหลือกแล้วลั่นไกลพรนใหญ่รู้สึกเหมือนตายไปแล้วคล่อมตัวเมื่อไรฟฟนจุด3 7เห้าของบุญคำมีเสียงเข็มแทงฉนวน กระแทกลงไปในรังเพลิงที่ว่างเกล่าและความรีบร้อนของแกที่มุ่งจะแล่นลงมาชุดตัวเขาทำให้ลืมบรรจุชุดใหม่แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งเสียงต้มดังแทบจะฉีกแก้วหูมาจากจุดส0มศนเ์นตรจากมือของดารินวาราริสหล่อนยิงผ่านศีรษะของรพินละบุญคำซึ่งกำลังลุกลนอยู่ในขณะนี้ลงไป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 ขมวดม้วนงอเป๋ไปครั้นแล้วมันก็ยกหัวชูขึ้นจังหวะนี้เองนัดสุดท้ายในวินเชสเตอร์ของรพินก็สัมผัสกับเข็มแทงชนวนอย่างชนิดเสียงบุญเสียงกรรมของคนหญิงมันจะด้านอีกหรือไม่เขาไม่อาจทราบได้ก่อนที่จะลั่นไกลออกไ ป, ป ตาที่กระสุนนัดนั้นทําหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องและตัวคนยิงซึ่งยืนอยู่อย่างหลักไม่ดีก้นกระแทกลงกับพื้นดินล่าชันเบื้องหลังอ้ยักตีนมากซึ่งกําลังชูหัวร่อนราอยู่ห่างลงไปเพียงไม่เท่าใดเอ็นพังงาไปเบื้องหลังราวกระถูกหัดอันทรงพลังของเทพเจ้ากระทุ้งแล้วมันก็ตะแคงฟาดลงไปกับพื้นตีนเนินพลิกสะบัดสามสีท่ทอด เห็นท้องขาวกับหลังอันเป็นสีแดงคล้ำสลับกันระพินไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาอาการของมันอยู่เพราะไม่สามารถจะไว้วางใจอะไรได้ทั้งสิ้นสำหรับไอสัตว์เลือดเย็นประเภทนี้รู้สึกแต่เพียงว่ากระสุนพุ่งเข้าไปเจาะใต้ลำคอในระดับกลางพอดีแต่จะกินสูงระเบิดออกกลางศีรษะอันเป็นเป้าหมายเฉียบขาดหรือไม่นั้นไม่อาจบอกได้ในขณะนี้พรนใหญ่ตะกายลุกขึ้นวิ่งตามหลังบุญคา ซึ่งแจนขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะที่เขาไตาเนินพาตัวหนีขึ้นไปอย่างรีบร้อนนี้ก็มองเห็นดารินประทับไรเฟิลของหล่อนเล็งอย่างหมายมั่นแล้วกดซ้ําลงไปอีกผลการหญิงจะเป็นอย่างไรไม่อาจเลี้ยวกลับไปดูได้และทั้งเขาและบุญคําก็ห่อมาถึงตะพักตรงที่หญิงสาวยืนรอคอยอยู่ก่อนสองคนที่บันจูกระสุนอย่างรีบร้อนแข่งกับความเป็นความตายหันกลับลงไปมองเบื้องหลาง เจ้าตัวที่ถูกกระสุนของดาริงยักษ์ยังอยู่ตีนเนินยังคงดิน้นม้วนตัวทุรนทุรายอยู่เช่นนั้นผงคลีและเศษใบไม้แห้งตลบฟุ้งไปหมดระคนไปกระเสียงป่าถลม่มตูมตักส่วนห่างออกไปบนพื้นรากอันเป็นโดงพริกป่าเจ้าตัวแรกที่แทกไถไปก่อนและคาดว่าน่าจะหมดฤทธิ์ไปแล้วบัดนี้ตั้งตัวได้อีก ส่งเสียงขู่คำรามฟูฟาสนันวันไหวปีนยุ่มย่ามราวกรใบพายของพวกฝีพายเริ่มพุ้ยตะกายดินอีกครั้งนำลำตัวอันใหญ่โตตงงดิงรุกไล่เข้ามาอย่างไม่ลดละท่ามกลางความตะลึงพรึงเพลิดตกใจที่หมดสติของทั้งสามมันยังไม่ตายมันไล่ขึ้นมาอีกแล้วดารินร้องแหลมอย่างลืมตัวกายสั่นเร่าไปหมด พระพินฉุดแขนออกนำวิ่งไตเนินป่าศักต่อไปโดยเร็วแรงของคนที่หนีเพื่อเอาชีวิตรอดบุญคำหันไปยิงอีกนับหนึ่งซึ่งแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแล้วก็วิ่งหัวซุกหัวซุนตามหลังขึ้นมาเสียงขาหรือตีนนับรอยๆระกายพุนดินสู้ซ่ากวดไล่หลังมาในหูของทั้งสามคนขณะ น, นี้ฟังไม่ผิดอะไรกมัดยุราบทำรามหาชีวิตต่งเม็ดเหน่วยกันแทบจะขาดใจ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 แล้วเสียหลักกลิ้งหลุนลุลุ น, ล น, ลนสวนทางลงไปเบื้องตักระพินผู้ไต่ตามขึ้นมาไปติด ต, ต, ตะครุบตัวไว้ได้อย่างบุตรวิตไร้ันจุดสามนศูนของหล่อนระเด็นพลับหลุดจากมือลงไปเบื้องหลังหญิงสาวร้องเสียงหลงยังตกใจหยุดชนะกู่กับที่ลืมตาโพลจ้องตะลึงตามปืนที่กลิ้งหล่นลงไปพร้อมกระเศดดินระพินก บ, บุญคาก็พลอยชนะกลงชั่วอึดใจหนึง่งเหลียวไปมองโอ้ เบื้องล่างห่างลงไปเพียงไม่เกิน30สิเมตรเจ้าสัตว์เลื่อนทางยุคโลกล้านปีกำลังเลื้อยทรายหัวไล่ติดเข้ามาพร้อมๆกับกรงเขี้ยวที่ขยับอยู่ไปมาอย่างหมายมัน่นการเคลื่อนที่ของมันบัดนี้แม้จะดูเช่นช้ า, งชางลงกว่าเก่าก็ากาตามแต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ตัวเล็กๆมันก็เร็วกว่าหลายเท่านักไม่ต้องห่วงปืนนีต่อไปเข้ากระชากแขหล่อนสุดแรงเกิดประกงกรอกช่องหู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 ไม่ว่ามันจะเกิดทรยศด้านขึ้นหรืออันเนื่องมาจากยิงผิดจุดจุดหมายสำคัญเรื่องที่จะอยู่เป็นคนต่อไปไม่ต้องหวังและเขาก็ยอมเสี่ยงแล้วสุดลมหายใจเข้าปอดแล้วสะกดก้านไวประทับปืนเล็งระยะมันสายหัวเข้ามาบัดนี้ห่างเพียงไม่เกินสิบห้าเมตรมองไม่ผิดอะไรกับภาพของปีศาจในฝันรายแต่ก็เห็นเป้าส่วนหัว ชนิดส่วนหน้ายางขนาดทันีที่สุดแล้วหัวกระสุนน้ำหนัก5้ารอยกรัมแรงประทะห้า0ันกว่าปอนก็ระเบิดบึ้มขึ้นพกกุ่งเข้าไปในระหว่างดวงตาทั้งสองข้างด้วยพลังที่ไม่ได้สูญเปล่าไปเลยเพราะเป้าหมายอยู่ห่างปากกระบอกเพียงไม่กี่วาเท่านั้นและในแนวตรงเช่นนี้มันคงจะเล่นทะลวงตลอดผ่านจากศีรษะเข้าไปในลำตัว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 ขาติดอยู่กระซอกหิงใหญ่ประมาณหนึ่งในสามของความยาวทั้งหมดทางด้านหัวพลิกหงายทองคงมีแต่ตอนปลายเท่านั้นที่วางนิ่งอาการปกติสงครามไม่ได้ยุติลงเพียงแค่นี้ยังไม่ทันจะได้หายใจคู่ของมันตัวที่สองก็เลือ้อยผ่านลำตัวของเจ้าตัวแรกกวดไล่ขึ้นมาอย่างไม่ยอมลดละล่าถอย แต่คราวนี้นรกโลกันหรือวิญญาณอันชั่วร้ายใดก็ไม่ทราบได้สอนให้มันมีวิธีการที่ฉลาดยิ่งขึ้นเพราะไม่ได้เลื้อยไล่ขึ้นมาในแนวตรงเพื่อเปิดโอกาสห้เห็นส่วนหัวได้อย่างขนัดหากแต่เลื้อยเลาะลัดบังมาทางหมู่โขดหินมีอาการเหมือนจะอ้อมสกัดหน้าเห็นเฉพาะลำตัวเท่านั้นระพินขยับปืนแต่แล้วก็ไม่อาจปล่อยกระสุนออกไปได้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 คุณคำเองก็ภาวะระวังเหลือที่จะกล่าวไหนจะห่วงพานนายหญิงหนีไหนจะห่วงพรานใหญ่ผู้รังทายและมองเห็นอยู่ชัดว่าไอ้มัจจุราชมากไปนั่นกำลังลื้อกลัวตามาอย่างหวุดหวิดกระชั้นชิดแกหันมายิงสกัดอีกสองนัดเป้าหมายไม่ได้ตําแหน่งที่ดีอะไรมากไปกว่าส่วนลำตัวซึ่งก็กําหนดไม่ได้เสียด้วยว่าเป็นลำตัวส่วนไหนเพราะมันเลื้อเลาะบังอยู่ในระหว่างหมู่ก้อนและในที่สุด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 พร้อมกับโบกปุยเป็นสัญญาณให้ทราบทิศทางตัวเองก็เปลี่ยนเข็มเ บ, มเบนพละออกทางด้านซ้ายมือพยายามนำตัวไปห่างมันที่สุดดารินและบุญคาหันมาเห็นภาพนั้นอยู่แล้วและเข้าใจดีที่สุดว่าหนทางรอดหรือการที่จะยืดชีวิตออกไปนั้นควรจะมุ่งไปในด้านใดหากันเลี้ยวจากเส้นทางตรงแยกไปทางด้านซ้ายมือในทันทีต่างส้มสางกระเสือกกระสนปิ่มว่าจะขาดใจในที่สุด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 ร้องบอกให้ปีนีน่ขึ้นไปเบื้องบนบุญคําซึ่งบัตนี้ตัวแกเองก็เหน็ดเหนื่อยเสียแทบหมดกําลังกระดิกกระเดียะผลักใ ส, ส่ทรงนายหญิงให้ปีนล่วงหน้าขึ้นไปก่อนดารินบัตรนี้มีแต่ตัวเปล่าเพราะไรเฟิลพลาดหลุดมือไปแล้วช่วยให้ปีนตายคล่ำคล่องขึ้นตรงข้ามกับตาพรานเท่าผู้เกจกะทวงหนักปืนแต่แกปีนพลาดทะไหลลื่นทุรักทุเลอยู่เช่นนั้นแล้วก็ใช้ผานท้ายไรเฟิลทิมยันลงกับพื้น แทนไม้ทอค้ำตัวขึ้นไปอย่างไม่ยอมทิ้งปึกทันทีนั้นเองระพินก็โกลยอา้าวมาถึงก้อนหินที่บุญคํากําลังยักแย่ยักยันอยู่พร้อมกับมฤตยูมากตีนที่เลี้ยวไล่เข้ามาติดติดทิ้งปืนไว้ตามนายหญิงขึ้นไปเลยที่สุดทพานใหญ่ร้องกระหืดกระหอบแทบไม่มีเสียงบุญคำดีอยู่อย่างหนึง่งที่ถือหลักปฏิบัติตามคําสั่งเขาอย่างเคร่งครัดที่สุดโดยไม่คํานึงถึงเหตุผลส่วนตัวใดๆดทั้งสิน้น โดยเฉพาะในนาทีคับขันเดสละไรเฟิลจุดสาห้าที่เป็นภาระเกะกะทวงหนักอยู่ในมือทันทีโดยโยนลงมาตกลงกับพื้นตรงหน้าเขาแล้วรีบปีนตามนายหญิงขึ้นไปโดยเร็วแล้วปนยืนเอาหลังพิงก้อนหินอ้าปากขอบขุมเชิงเป็นกองระวังหลังด้วยความหวังครั้งสุดท้ายแบบนี้เขาหมดเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูดได้แต่งแง้นมองขึ้นไปเบื้องบนซึ่งคนทั้งสองกําลังไตนําตัวสูงขึ้นไปเป็นลําดับ ทางเหลียวมองลงมาอย่างเป็นห่วงได้แต่โบกมือเร่งร้าวให้หนีสูงขึ้นไปอีกโดยไม่ต้องร่างรอดารินไปหยุดชะงักอยู่ที่ชะ ง, งอนหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่โผล่ยื่นออกมาเป็นเสมือนชายคาหล่นหันตัวกลับมามือหนึ่งยึดลำต้นของต้นไม้เล็กๆไว้อีกมือหนึ่งกระชากเบืนงสั้นจุดสหเจที่ติดเอวอยู่ออกมาโดยสัญชาตยานของนักสู้แบบสุดใจขาดดิน เสียงหลอนร้องบอกอะไรกับเขาลงมาแานใหญ่ฟังไม่ได้ยินใช่แล้วสำหรับหูที่ลั่นอื้ออยู่ในขณะนี้เขาเคลื่อนขยับถอยไปยึดอยู่ในตำแหน่งที่ันัดที่สุดหลากปืนของบุญคำที่ทิ้งไว้ด้วยมาอีกระบอกหนึง่ทงท่ามกลางแสงขมุกขมัวโล่เพล ข, ของตะวันชิงพลบห็นสว่างสวยราวกับไฟนรกก็แต่เฉพาะลำตัวของเจ้าสัตว์โล ก, กันที่กาลังเลื้อยเลาะเรียบกบาบังกอไม้และก้อนหินตีโอเข้ามา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 ลอนกงปืนสั้นอันเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่ติดตัวอยู่แน่นกระชับพยายามกวาตาค้นหาลงมาเบื้องล่างแต่ก็ไม่สามารถจะลั่นกระสุนได้เพราะมองไม่เห็นส่วนหัวหลายอึดใจเต็มเต็มเป็นการพักเหนื่อยและควบคุมตั้งสติของเขาและพินย่องย้ายที่อีกครั้งอ้อมไปทางด้านหลังของหินก้อนใหญ่ที่กำบังตัวอยู่และหัวใจก็เต้นแรง เมื่อสังเกตเห็นปลายหนวดของมันโผล่แผลมออกมาจากรอยโหวกของพุ่มไม้ทึบตอนหนึ่งห่างออกไปเพียงไม่เกินสามสิบเมตรจอมพรานยันปลายเท้าแมกนัมแอฟริกันเข้ากาันไหลนิ้วแต่ไกลรอคอยโอกาสสำคัญที่สุดขณะใดขณะหนึ่งในอนาคตอันใกลน้นี้ที่มันอาจโผล่ส่วนศีรษะออกมาให้เห็นแม้จะเป็นด้านข้างก็ตามและนั่น คือโอกาสอันหายากของเขาเดี๋ยวก็แทบจะต้องสะบัดออกมาอย่างผิดหวังเมื่อปลายหนวดที่เห็นแกว่งควายอยู่ทั้งคู่ค่อยๆกระถดถอยหายลับเข้าไปในเงาบางของหมู่ไม้มันคงเคลื่อนตัวถอยหลังเขากวาดมองไล่แนวไปตามเส้นทางที่คะแนว่าลำตัวของมันทอดโอบอยู่แล้วก็เห็นรอยโหวดในระหว่างกลุ่มหินอีกตอนหนึ่งห่างออกไปอีก ซึ่งลำตัวยาวเท่าท่อนสูงขนาดใหญ่ทอดผ่านให้เห็นสายตาจ้องไปที่นั่นไม่กระพริบถ้ามันยังเคลื่อนถอยอยู่เช่นนั้นส่วนศรีรษะของมันก็จะต้องโผล่ให้เห็นทางรอยช่องนั้นศูนไร่เฟิลจึงเปลี่ยนไปจับรอคอยจังหวะอยู่ที่นั่นแต่และบัตดนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียจังหวะไปหมดเมื่อเสียงปืนสั้นจุดสาห้จากดารินแผดตึกกล้องขึ้นก่อน และบาดใจเดียวกันแผ่นดินแถบนั้นทั้งหมดก็แทบจะพลิกความถล่มทลายลงอีกครั้งเสียงพลิกตวัดตัวอย่างรุนแรงสนั่นอึ้งขึ้นพร้อมกับเสียงขูคำรามฟาและอีกสองเปรี่ยงที่ลั่นมาติดติดกันหินก้อนขนาดเท่าครกและกิ่งไม้ใบไม้กระเด็นว่อนขึ้นไปบนอากาศด้วยอิทธิฤทธิการดิ้นดนสะบัด ต, ตัวแวบหีที่รพินผู้ตะลึงงานแลเห็น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 และดูเหมือนนัดหนึ่งจะได้เป้าหมายส่วนที่ใกล้เคียงกับ ศ, รศีรษะกันเพราะการพงกหัวร่อนราขึ้นมาของมันพรหมดระดับในแ้กมิ น, ก, นก็ฉวยจุด7ามเจ็ดคําขอนทั น, นทนแแล้วคราวนี้ก็มองเห็นหัวอันประกอบไปด้วยเขี้ยวหน้าสะพึงตัวของมันอย่างถนัดชัดเจนที่สุดกำลังเสือกปาดมาบนยอดก้อนหินปู้่ตรงเข้าใกล้เขาผู้เป็นเหยอือกใกล้ชิด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 ยอมผ่านโยนปืนทิ้งกระโจนขึ้นเหนี่ยวกิ่งไม้เหนือศีสะไกวตัวขึ้นไปบนยอดถินที่งอกอยู่ริมผาอย่างชนิดแม้ลิงในขณะนั้นก็คงไม่ไต่ได้เร็วเท่าขเขาเบื้องหลังไอ้มหาการจะเข็นเขี้ยวไล่งับเข้ามาเช่นใดน้ำมองไม่เห็นรู้แต่เพียงว่าดารินผู้ยืนเห็นเ ห, นเหตุการณ์ทุกระยะเบื้องบนพลกระสุนปืนสั้นในมือสวนลงมาสนันวันไหวโดยไม่นับ พร้อมกับส่งเสียงโวยวายเอ็ดอึงมาไม่เป็นภาษาของบุญคำบางทีอาจจะเป็นเพราะกระสุนปืนสั้นสามนัดหลังของดารินที่ช่วยชีวิตของเขาไว้พอให้ตะเกียกตะ ก, กายโหนตัวขึ้นมาจนถึงระดับที่ยืนตับต า, าเท่ารอคอยอยู่ก่อนที่จะถูกคมเขี้ยวบันร่างกายย่อยยับไปน้นัดของกระสุน 7, ถึงแม้แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย สำหรับสัตว์เลือดเย็นที่มีร่างกายใหญ่ยิึงปานนั้นแต่ยังน้อยที่สุดก็รบกวนสกัดกั้นให้การบุกไล่ของมันเชื่องช้าลงกว่าที่บุญคําเป็นคนเอื้อมมือลงมารับและฉุดกระชากเขาให้เซหัวปักหัวตามขึ้นมาบนชาญหินเรียบบริเวณแคบแบนะั้นดารินคว้าคอเสื้อด้านหลังไวครึ่งหิว้วครึ่งดึง ให้เข้าไปนั่งพิงอ้าปากหายใจอยู่กับผนังหินแล้วตัวหลอนเองก็ลนลานเปิดลูกโม่ออกคัดบอกกระสุนเก่าทั้งหกนัดออกทิ้งรีบบรรจุชุดใหม่เข้าไปยันแข่งกับเวลาแทบไม่หายใจแต่อันเนื่องมาจากปืนสั้นของหลอนเป็นรีวอลเวอร์แบบซิงเกิลแอคชั่นการเปลี่ยนและบรรจุชุดใหม่จึงทำให้เสียเวลาล่าช้าอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวินาทีแห่งความเป็นความตายเช่นนี้ ยิงสาวรีบรอนซึ่งจนกระทั่งกระสุนพลัดหล่นจากมือตกกระจัดกระจายเรี่ยราดอยู่กับพื้นทำให้ต้องร้องลั่นออกมาอย่างขัดใจยิ่งรีบเท่าใดก็ยิ่งดูเหมือนจะทาให้ช้าลงเท่านั้นทางาปใจที่ร้อนราวกับไฟเผาปืนสั้นของคุณรับทินปืนสั้นหล่อะล่ำละลักเป็นอยู่เร่าเราเมื่อแลเห็นศีอันใหญ่โตซึ่งเบนสะบัดไปด้วยอานาจกระสุนชุดหลังของหลอน เริ่มพงกชูขึ้นแล้วเคลื่อนทื่อเข้ามายังไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตั้งตัวใดๆได้ทั้งสิ้นระยะมันจวนตัววูดวิดเข้ามาเต็มทีบุญคําขนาดนี้ทําอะไรไม่ถูกทั้งสิ้นได้แต่วิ่งเข้าไปประคองนายใหญ่ไว้ด้วยอาการงกเงินระพินนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยถ้บหัวใจหยุดเต้นเพียงไรก็ยังสบาดีพอที่จะมองเห็นอาการนั้นเต้นร่าของดารินในขณะนี้ได้เขาล่วงมือเข้าไปในย่ามหลัง วานหาจุด44แม็กนัมประจําตัวแล้วโยนไปให้หญิงสาวอย่ามัวแต่บรรจุเขาร้องบอกอย่างยากเย็นด่ารินคว้าปืนสั้นที่รพินโยนมาไว้ให้และโดยฉับพลันนั้นหล่อนก็โยนปืนของตัวเองที่บรรจุไม่เรียบร้อยแลกเปลี่ยนไปให้เขาเพื่อทําหน้าที่บรรจุต่อตอนเองถือด้ามจุด44แม็กนัมไว้ด้วยมือทั้งสองข้างสองลำกล้องไปยังศีรษะที่กําลังเลื้อยผ่านก้อนหินถือใกล้เข้ามาทุกขนาด ระเบิดกระสุนออกไปอย่างถวายชีวิตสองนัดลั่นกึ ก, ก้องนัดที่สามดัดแต่นัดที่สี่ห้าและหททำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ทุกนัดที่ผ่านพ้นลำกล้องออกไปแล่นเข้าหาบริเวณหัวอันใหญ่โตราวกระสุนนั้นแม้ว่ามันจะเปะปากยักเพื่อใดก็ตามสำหรับเป้าใหญ่มื่คือมาเช่นนั้น ไม่มีนัดไหนหลุดพ้นไปได้เลยแต่นรกเป็นพยานเถิดดารินสํา น, สนึกได้ด้วยหัวใจที่แทบจะวายดับลงในบัตรนั้นแรงประทะเพียงพันกว่าฟุตบอลเล็กน้อยและด้วยน้ำหนักหัวกระสุนย240ยเกรนมันแทบจะไม่มีผลอะไรขึ้นมาเลยสำหรับไอสัตว์จากโลกันตนนั้นหรือมิฉะนั้นอำนาจความตื่นเต้นขวัญเสียประกอบกระแรงสะท้อนถอยหลัง อันหนักหน่วงของปืนที่เกินกำลังข้อมือของหล่อนทำให้ไม่สามารถจะส่งกระสุนเข้าไปยังจุดสำคัญได้มัจุระที่มาในรูปกายของตะขาบดวงเพียงแต่สะดุ้งในทุกครั้งที่กระสุนแหลนทะลวงเข้าไปฝังแล้วก็ใส่หัวพรูดพลาดไปมาดวงตาทั้งสองลุกแดงฉานเขี้ยก็อาสยายกว้างออกอย่างเกลี้ยกล่อดุร้ายชะงัดงันไปช่วยเสียววินาที จากนั้นก็ถือดิ่งขึ้นมาอีกด้วยความทรหดของอสุญยักษ์หญิงสาวถอยหลังกรุดเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินทัลันลุกขึ้นมาได้พร้อมกับปืนของดารินที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยมองเห็นเหตุการณ์นั้นทุกระยะด้วยความตกใจเหลือที่จะกล่าวไม่มีทางจะหยุดมันได้แล้วถอยเร็วจอมพรานกระชากแขนหญิงสาววิ่งเปะปะตามเดยถากรรมอ้อมหินใหญ่ก้อนนั้นเข้าไปเบื้องหลัง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 กำลังรุกไล่คุกคามเข้ามาจวนเจียนเต็มที่ดารินมุด ต, ตัวผุบเข้าไปก่อนเป็นคนแรกโดยการผลักใสของระพินจากนั้นเขาก็ใส่คอบุญคําให้มุด ต, ตามเข้าไปเป็นคนที่สองตอนเองหันควับกลับมาแล้วก็เผชิญหน้ากับไอ้มหาประลัยซึ่งกำลังล่อหัวพงาล่าขึ้นมาห่างออกไปแค่สี่ห้าวาเท่านั้นเรากับจะเป็นคู่อาฆาตแค้นกันมาจากชาติก่อน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 และแม้ในขณะ น, นี้ส่วนหัวของมันจะห่างจากเหยื่อเพียงชั่วเสือกายปราดเดียวถึงก็จริงอยู่หากแต่ภูมิประเทศไม่อำนวยอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องเสียเวลาชุดลากส่วนยาวของลำตัวขึ้นมาตั้งหลักให้ได้ขนัดก่อนและนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเขาแล้วจอมพรานยกปืนในมือขึ้นหมายไปที่ตำแหน่งใต้เขี้ยวกะให้กระสุน เจาะช้อนทะแยงเป็นมุม45องศาขึ้นไปกลางศีรษะเมื่อเปรียบเทียบปืนในมือกับขนาดของมันแล้วจะแตต่างกันเช่นไรก็ตามไอ้เรื่องที่จะหนีท่าเดียวไม่เคยมีอยู่ในสัญชาติตยานสู้ของจอมพลานอย่างระพินไพรวัตเขาปล่อยกระสุนนัดนั้นออกไปอย่างใจเย็นที่สุดเสียงมันระเบิดหนักแน่นแหลมกลางวานสะท้อนกลงไปทั้งกูหาหินที่แวดล้อมรอบได้ ส่วนหัวอันหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นกระชากวูบหายไปจากคลองจักสุในพริบตาที่กระสุนลั่นขึ้นหินก้อนที่มันเกยอยู่ลั่นไหวเราก็มีมือยักมาโยกคลอนระหว่างที่พรานใหญ่นั่งรอคอยฟังผลต่อไปด้วยจิตใจอันระทึกไม่เป็นสํานั่นเองใครคนหนึ่งที่หลบหยุนในซอกโพรงถ้ำก่อนแล้วก็กระชากคอเสื้อเขาพงาหลังแล้วก็ถูกล่าเข้าไปในช่องอันมืดทึบ ที่โลภัยชั่วคราวนั้นภายในเต็มไปด้วยกลิ่นอับพื้นแห้งสนิกและก็อ่อนนุ่มเพราะดินปนกรวดซุยรวดมือที่ลากเขาเข้ามาเป็นมือของนายจ้างสาวกับตาพรานเท่าบุญคำซึ่งช่วยกันคนละแรงและบัดนี้ศีรษะของเขาดูเหมือนจะวางพาดอยู่กับตักนุ่มแต่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อของใครคนหนึ่งที่เห็นจะไม่ใช่บุญคําน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 มือกระด้างของบุญคำลูบคำอยู่ที่เนื้อตัวซีกซ้ายของเขารพินพยายามทรงกายขึ้นหนะักเบื้องนอกแสงสว่างรางัรงๆยังพอสาดลอดเข้ามาให้เห็นและเขาอยู่ห่างจากปากทางเข้าไปเพียงวาเดียวรอยแยกจากผนังหินอันเป็นช่องโพรงที่มุดลอดเข้ามาอาศัยหลบอยู่ในขณะนี้ในตอนชิดกับพื้นเบื้องล่างเป็นช่องโหว่กว้างประมาณวาเศษสูงขึ้นไปเม็ดเดียว ลักษณะเป็นวงรีรูปไข่แต่มีรอยแยกของผนังหินห่างสองซอกเป็นแนวคดเคี้ยวขึ้นไปเบื้องสูงแล้วก็ปรากฏรอยโวขนาดใหญ่เหมือนจะเป็นช่องระบายอากาศอยู่เบื้องบนอีกตอนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากคำนวณด้วยสายตาแล้วก็พอจะเชื่อได้ว่าส่วนหัวอันใหญ่โตมโหูามของตะขับยักษ์ไม่อาจจะมุดลอดรอยโวเหล่านั้นเข้ามาได้เสียงสั่นของบุญคัำถามซ้ำ ม, มา ปลุกประสาทอัญชาดิกของเขาให้ตื่นขึ้นไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวขาดเสียงของเขาเงาอันดำมืดก็บังปากทางทามึนเข้ามาอย่างแช่มชา้ามันโผลหัวตามก็มานั่นแล้วดารินร้องลั่นทั้งสามพงะหลังถอยร่นเข้าไปอีกด้วยสัญชาติยานหนีภยัยจนรู้สึกว่าหลังยันติดกับผนังหินครุกระด้านหนึ่งทางด้านมุมทแยงกับปากทางเข้าไยฉายเร็ว ดารินเรืม่มมิฉะนั้นก็บุญคําคนใดคนหนึ่งคนย่ามหลังใจเดียวลำแสงของฮันเตอร์แปดทอดก็สว่างจ้าพุ่งเป็นลำออกไปยังปากช่องโพรงซึ่งบัดนี้กำลังถูกบงังมืดมิดท่ามกลางแสงไฟนั้นทั้งหมดเห็นหนวดสองเส้นใหญ่ขนาดเชือกมันิลาเขื่องเคืองกวาดดุบดิบพโพลูลำเข้ามาก่อนทางปากโพรงต่อมาก็เป็นปลายเี้ยวอันแหลมงง ดันเข้ามาทางช่องนั้นอากว้างออกและขยับบดเข้าหากันอยู่ไปมาอย่างน่าสยองใจมันพยายามที่จะมุดส่วนศรีรษะดันเข้ามาให้ได้แต่ก็ติดอยู่เพียงแค่นั้นเพอปากโพรงหินอันแข็งแรงเปรียบเสมือนทวารที่กั้นสกัดไว้และเห็นส่วนปากที่ซ่อนอยู่ใต้โค้งเขี้ยวยุ่มย่ามไปด้วยขนหน้าขยับขยงอย่างถนัดพร้อมกับบางส่วนของศรีรษะบริเวณที่เหนือเขี้ยวไปเล็กน้อย มันไม่ละความพยายามใช้ส่วนหัวอันใหญ่โตดุนดันจุกปากช่องอยู่เช่นนั้นเหมือนจะแหกทลายปากช่องแคบให้เปิดกว้างออกแล้วมุดลอดหัวเข้าไปตามเยือทั้งสามชีวิตให้จงได้ทำไมไม่ยิงเสียงดารินสถานไปทั้งครูหาเมื่อเห็นพรานใหญ่นั่งชันเข่ากุมด้ามปืนสั้นหนีบไว้ในระหว่างขาจ้องปากกระบอกเฉยอยู่ ปืนของผมอยู่ไหนทรงกระบอกนั้นมาดีกว่าเขากระซิบฉันฉันทําพลัดหลุดมือตอนที่คุณกระชากฉันให้หนีเมื่อตะกี้น้ําเสียงของหล่อนเหมือนจะร้องไห้รพินไพรวันความหวังดับวูบลงในบัตนี้กระสุนปืนกระบอกนี้ของคุณหญิงเหลืออยู่กี่นะัดหญิงสาวคลําคนที่เข็มขัดปืนสั้นซึ่งติดเอวอยู่อย่างรีบร้อนแล้วกระซิบมา เหมือนคนกำลังจะสิ่นใจอีกสามนัดเท่านั้นความจริงมันเหลือมากกว่านี้แต่ฉันทำหล่นหมดตอนที่บรรจุลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคําครางออกมาแห็ดๆที่ติดกระปืนนี่มีอยู่ห้านัดที่คุณหญิงอีกสามนัดรวมเป็นแปดนัดสามชีวิตของเราในขณะนี้มีปืนเหลืออยู่เพียงกระบอกเดียวกับกระสุน แนะัดจอมพรานพูดอย่างใจเย็นตายังจับนิ่งอยู่ที่เขี้ยวสีดําคลา้าราวกับหัตมฤตยูทั้งคู่ที่ขยับขยําอากาศครุ่มครุ่มอยู่เบื้องหน้าแล้วถีหินก้อนหนึ่งขนาดครกตามน้ําพริกคลิกลิ้งครุ ก, ร ก, ร ก, ร ก, รกๆๆๆเข้าไปกระทบเพราะแต่สัมผัสมันก็คขบหนีไว้ทันทีราวกับก้ามปูนล้อึดใจเดียวก็คลายออกเมื่อสัมผัสส่งให้รู้ว่านั่นเป็นแต่เพียงก้อนหินแข็ง ที่ปราศจากชีวิตเริ่มการเคียวสายค้นหาต่อไปฉันมีจุดสองสองแมกหน่ำเหลืออยู่กระบอกหนึ่งในยามหลังนี่หล่อนรีบบอกมาโดยเร็วเพราะเพิ่งนึกขึ้นมาได้พร้อมกันก็ดึงปืนยังชีพหาอาหารกระบอกนั้นขึ้นมากระชับไว้ในมือไม้จิ้มฟันสองอันช่วยอะไรเราไม่ได้แน่แน่อเย็นๆไว้ครับคุณหญิงถึงยังไงมันก็ไม่มีทางจะรอดหัวเข้ามาได้ แล้วจะปล่อยให้มันมาจุกปิดช่องอยู่อย่างงั้นเหะอย่างน้อยที่สุดถึงปืนของเราจะฆ่ามันไม่ได้ก็ยิงให้มันเจ็บไปก็ยังดีบางทีมันอาจจะเลิกความคิดที่จะเฝ้าดักเราอยู่อย่างนี้นะไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับปืนสั้นของเราสองกระบอกนี่แหละครับเมื่อกี้นี้แต่ผมยิงได้เป้าหมายอย่างจังที่สุดถ้าเป็นไรเฟิลมันก็น่าจะสิน้นฤทธิ์ไปแล้วแต่นี่มันไม่ได้สะเทือนอะไรเลยลูกปืนของเราเกือบทั้งหมด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 นอกจากปืนสั้นเล็กปัติว๋วหลิวสองกระบอกเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมันจุดสําคัญของมันเราก็ไม่เห็นขืนยิงไปก็เสียกระสุนเปล่าชีวิตของเราขณะนี้ฝากไว้กับปืนและกระสุนในวงจํากัดนี้เท่านั้นรออีกสักนัดเถอะนานายเพื่อมันจะถอยไปบ้างบุญคาหายใจไม่ออกที่เห็นเขี้ยวมันขยับกรุ่มกลุมอยู่ตรงหน้าแบบเนี้ย ป้าพรานเท่าเร่งราวมาอีกคนกระพินส่งจุดสามเจ็ดสามห้าเจ็ดแม็กนัมกระบอกนั้นไปให้พรานคู่ใจของเขาเอาละบุญคำลองดูเองแล้วกันบุญคำรับปืนมาจากเขาสุดตัวลงนอนทางภาาแนบกับพื้นกำด้ามปืนสองมือส่องออกไปยังเป้าหมายเบื้องหน้าที่ห่างเพียงสองวาอย่างระมัดระวังแล้วแกก็เนียวไกระเบิดกระสุนเปรียงออกไป ในที่อันจำกัดเช่นกํากปนานของมันแล้วกับฟ้าพาไอ้ยักษ์ที่กําลังพยายามเอาหัวดันปากโพรงอยู่หดหัวหายแวบไปในทันทีพร้อมกับเสียงพ่นลมฟ้าใหญ่เศษดินและฝุ่นภายในโพรงถ้ำฟุ้งตลบไปหมดมีเสียงเลื้อตัวก้อนหินลั่นคึกๆกอยู่ยังบริเวณปากโพรงอย่างแช่มช้าแล้วก็หยุดนิ่งต่ อ, อมาก็มีเสียงเคลื่อนไหวอีก เลื้อยเลหยุดหยุดอยู่ยังบริเวณปากโพรงนั่นเองไม่ยอมพละไปไหนภายหลังจากสงบใจฝังทั้งสามก็รู้ว่ามันคอยเฝ้าคุ้มเชิงอยู่นั่นเองเพียงแต่ไม่กล้าโผล่หัวล้วงเข้ามาเท่านั้นมันยังไม่ไปจะทำยังไงดีดารินพึมพาอย่างน้อยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ในตอนนี้มันจะคุ้มเชิงเฝ้าเราอยู่ได้นานสักแค่ไหนก็ยมันรู้ไป ระพินว่ากวาดไฟฉายสำรวจดูภายในโพรงที่เข้ามาหลบกันอยู่ด้วยความพิจารณาทีท่วนเป็นครั้งแรกบุญคำว่ามันคงไม่เฝ้าเราอยู่นานนักหรอกนายคงแบบเดียวกับไอ้ช้างขลุงที่ขับบุญคำขึ้นไปอยู่บนยอดกลางนั่นแหละมันเฝ้าอยู่โคลนต้นสักสามสี่ชั่วโมงเพราะมันเบื่อมันก็ไปเองคืนนีเราเติดอยู่ในนีแนะ่แต่บุญคาก็ว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้ว น, นาย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 หลังพิงผนังหินอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงมือถือจุดสองมองตมนัมวางผ้าจุกตักอย่างปราศจากความหมายลาพานเท่านั้นลงนอนแผ่ราโดยไม่คำนึงถึงว่าบริเวณที่แกวางหลังลงไปมันจะเป็นอะไรคงมีแต่รพินเท่านั้นที่ประสาททุกส่วนยังทำงานพร้อมเขาสัตว์ไฟฉายสำรวจบริเวณไปรอบๆ อ, อย่างเช่ยวชาภายในโพรงถ้าแคบๆ มีอาณาบริเวณเป็นเวิ้งแอ่งหรือคูหาย่อมๆนั้นลักษณะของมันเป็นรังอาศัยของหมาป่าที่เข้ามาอาศัยออกลูกเพดานหินเหนือศีรษะเป็นรูปโคง้งสูงขึ้นไปประมาณสามเมตรในตอนสุดผนังด้านในพอที่จะยืนได้อย่างสบายส่วนเบื้องบนชิดกระปากโพรงที่มุดลอดกันเข้ามาเป็นช่องโพรงสูงขึ้นไปราวสเมตรตามแนวแยกของหิน จนกระทั่งถึงส่วนบนที่ทะลุเป็นปล่องกว้างวาสิบมองเห็นท้องฟ้าและกิ่งไม้ที่ปกคลุมอยู่เบื้องบนมีแง่หินและรากไม้ที่ช้อนทะลุเข้ามาพออาศัยเป็นที่ปีนป่ายนำตัวขึ้นไปยังปากปล่องด้านบนได้พื้นเป็นดินลูกรังปนกรวดร่วนซุยและราบเรียบพอสมควรมีรอยเม่นเข้ามาอาศัยอยู่แทนหมาป่าซึ่งร้างไปนานแล้ว ลักษณะของโพรงแคบแคบที่หลบภัยเข้ามาโดยบังเอิญนี้จะเป็นที่อาศัยพักนอนตลอดคืนได้อย่างปลอดภัยทีเดียวเขาเรียกปืนสั้นคืนมาจากบุญคำเน็บไว้ที่เอวแล้วค่อยๆพยุงตัวปีนอย่างระมัดระวังขึ้นไปตามแง่หินและรากไม้มุ่งขึ้นไปสู่ปากปลองอันไม่สูงเกินไปนักซึ่งบัดนี้เห็นแสงสว่างจากโลกภายนอกเหลืออยู่เพียงเลือนลางเป็นทีนั่นคุณจะทาอะไร ดารินพ ง, งก์ตัวขึ้นยืนพร้อมกระ บ, บุญคำเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเขาร้องถามออกไปอย่างสงสัยรออยู่ที่นั่นนะผมจะขึ้นไปดูอะไรบนช่องทะลุนั่นหน่อยพรานใหญ่ตอบเบาๆนำตัวไตสูงขึ้นไปอย่างแช่ช้าๆใจต่อมาของการเฝ้าจับตามองของอีกสองคนจากเบื้องล่างก็เห็นเขาขึ้นไปถึงระดับปากปล่องนั้นค่อยๆพลูศีรษะขึ้นไป กว่าตาสังเกตดวอรไรอยู่ครูใหญ่และจึงชักมีดโบวีที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาตัดลำต้นไม้เล็กๆต้นขนาดข้อมือที่งอกอยู่ยังบริเวณปากปล่องด้านบนโยนทิ้งลงมาเจ็ดแปดต้นบุญคำซึ่งรอคอยอยู่เบื้องล่างก็จัดการลากลำต้นไม้เหล่านั้นมากองรวมกันไว้ลิ้ใบออกเอาใบเหล่านั้นเกลี่ยโรยทับพื้นดินลูกรงสาหรับเป็นที่รองนอน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 เขาทิ้งมันลงมาให้บุญคำก่อนตัวเองโหนตัวตามลงมาทีหลังพอลงมาถึงพื้นก็จัดการลิดกิ่งใบออกตัดทอนส่วนปลายทิ้งเหลือยาวประมาณวาเษิษเสียมปลายแหลมในลักษณะปากฉลามแล้วทดลองถือกระชับไว้ในมือดารินผู้ยืนมองอยู่เงียบๆก็พอจะเข้าใจได้เลาๆว่าเขาต้องการจะทำไม้เสียมปลายแหลมท่อนนั้นเพื่อประโยชน์อันใด จะเอาไว้รับมือกับไอ้ยักษ์นั่นตอนมันโผล่หัวเข้ามาละวมะัว้งก็ยังดีกว่าที่ต้องเสียลูกปืนที่มีอยู่จํากัดไ ป, ปเปล่าๆยังไม่แน่เหมือนกันนะว่าเมื่อไร่มันจะพยายามดันหัวเข้ามาอีกไรเฟิลทั้งหมดสามกระบอกปืนสั้นอีกกระบอกหนึ่งหลุดจากมือเราไปหมดหญิงสาวเอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนจะรำพึ้นุนเท่าไหร่แล้วที่เอาชีวิตหนีรอดเข้ามาในนี้ได้นะ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 ปร่องนู้นก็อีกช่องหนึ่งที่จะดูดควันขึ้นไปแอบรองครับว่าผมจะไม่บูชายันตัวเองหรอกก้นไม้สดออกอย่างนั้นมันจะติดไฟได้ยังไงแทนคำตอบกระพินจุดซิปโป้ขึ้นลนต่อขั้นชิ้นฟืนเล็กๆที่เกียนออกจากท่อนใหญ่วางกายกันหลวมๆเหล่านั้นใจเดียวก็ลุกติดเป็นเปลวขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเอาฟืนท่อนใหญ่กายพาดเข้าไป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 จอมผ่านบอกเบาๆพร้อมกับส่งท่อนฟืนที่บุญคำทอนไว้เรียบร้อยแล้วส่งไปให้หล่อนกล่าวต่อมาว่าสังเกตและจำไว้ด้วยนะครับบางโอกาสเราอาจหาฟืนแห้งไม่ได้เลยก็ต้องอาศัยต้นไม้ประเภทนี้ทำฟืนแทนนะครับดารินรับมาพิจารณาดูอย่างทึ่งๆมองหน้าเขาแล้วหันไปมองดูกองไฟที่บุญคานั่งคุมอยู่ซึ่ง บ, บัดนี้เริ่มจะติดโชน นั่งประสานมือกอดเขา่าไม่กล่าวอะไรอีกเพียงแต่คิดอยู่ในใจว่าความรู้ที่จะศึกษาร่ำเรียนจากสุภาพบุรุษไคยผู้นี้เกี่ยวกับการ ด, ดำรงชีพอยู่ในป่าช่างไม่มีวันจบสิ้นเอาซะเลยดะพินปลดเครื่องหลังของเขาออกหยิบก้อนเนื้อที่ย่างรมควันเป็นสเบียงติดตัวอยู่โยนให้บุญคำย่างซ้ำเปิดกระติกน้ำออกยื่นส่งให้หญิงสาวเมื่อดารินสันศีรษะ เขาจึงกรอกเข้าปากตนเองดื่มกลั่วแล้วเอนกายลงครึ่งนั่งครึ่งนอนศีสะวางผาหยาความมืดโดยตัวลงมาปกคลุมป่าใหญ่สนิทลงแล้วราวกับมีผ้าดำผืนใหญ่มากั้นไว้แต่ภายในโพรงซอกหินแคบๆที่ทั้งสามชีวิตเข้ามาหลบภัยอยู่สว่างพร้อมแพรมด้วยแสงจากไฟในก่องพอจะเห็นอะไรภายในครูหานั้น ได้รางรางความเงียบย่างเข้ามาครอบคลุมคงได้ยินแต่เสียงไฟกินไม้ปะทุพวกผบเบาๆอยู่ในกองบุญคำนั่งมวลบุรีใบตองแห้เฝ้าดูเนื้อย่างอยู่เหนือกองไฟดารินยังคงนั่งกอดเข่าอยู่ในอาการเดิมหล่อนสะดุ้งนิดนึงเมื่อถูกสกิดหันกลับมาก็เห็นครานใหญ่ยื่นกล้องพลาสติก ที่บรรจุบบุรีส่งมาให้หญิงสาวเปิดออกหยิบขึ้นมาจุดพร้อมกันสองตัวตัวนึงขี้ไว้ในนิ้วอีกตัวหนึ่งส่งให้เขาตอนที่คุณปีนขึ้นไปตัดไม้บนปากปลองนั่นเห็นตัวมันไหมหล่อนทําลายความเงียบขึ้นภายหลังจากต่างนิ่งกันไปเป็นเวลานานตัวมันเท่าสูงทําไมถึงจะมองไม่เห็นเนาะ มันทอดขวางลำตัวอยู่หลังก้อนหินใหญ่ที่เราหลบอยู่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเข้ามาในเนี้ล้อมปากโพรงนี่ไว้หันหัวมาทางปากโพรงโดยบังก้อนหินไว้โผล่ไปเมื่อไรก็เสร็จเมื่อนั้นแล้ะครับดารินถอนใจเึืนเดี๋ยวจะทำยังไงกันดีเนี่ยก็ถ้าเผื่อมันไม่ยอมไปคอยดักจ้องคุมเชิงอยู่นี่ไม่แปลว่าเราถูกปิดล้อมจนมุมอยู่ในโพรงนี้เหรอ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 ก็เป็นกระสุนปืนสั้นที่อ่อนอนุภาพเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวของมันไรเฟิลตลกระบอกก็จกะกั๊มเหลือเกินมีเหตุเป็นไปต้องพลัดหลุดมือไปหมดครั้งสุดท้ายผมสละทิ้งไปเองเพราะถ้าไม่ทิ้งก็หนีไม่ทันมันจวนตัวครับขันเต็มที่แล้วเขาก็หัวเราะ อ, ออกมาเบาๆอัดควันบุหรี่ลึกไอตัวหลังนี่มันร้ายกาจถึงใจจริงๆครับ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 มันไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยนึกจะลั่นมันก็ลั่นนึกจะไม่ลั่นมันก็เงียบฉี่ไปเฉยๆผลก็มาจากการแช่น้ําอยู่หลายชั่วโมงอะครับดารินยกปืนสั้นจุดสองสองแมกนัมในมือขึ้นดูอย่างหมดศรัทธาแล้วมองไปที่บุญคําบุญนั่งดูใบบุรีใบตองแห้งเงียบๆอยู่ลูกปืนของบุญคำน่ะคงจะเชื่อได้มากกว่าของเราลมะมั้งเพราะของแกน่ะไม่ได้เปียกน้ําเลย หล่อนพูดเบาๆแล้วร้องถามไปทางตาเท่าบุญคำหรือลูกปืนอยู่กี่นัดอะแปดนายหญิงแต่จะมีประโยชน์อะไรปืนของบุญคำตกอยู่เชิงผาข้างล่างน่นมีแต่ลูกนายบอกให้บุญคำทิ้งบุญคำก็ทิ้งแล้วก็ดันทิ้งปืนไม่ได้บรรจุลูกไว้ฉันด้วยมันหน้านักพับพาดิพรานใหญ่สะบดมาบุญคายิ้มแห้งๆเอามือลูบหัว โถนายบุญคำมัวแต่ตาลีตะเหลือชุดนายหญิงวิ่งอะไรอะไรมันก็ลืมไปซะหมดเพราะจวนตัวเต็มทีอ่ะบุญคำเพิ่งมานึกได้เดี๋ยวนี้เองว่าวิ่งถือปลืนปล้นเปล่ามาไม่ได้ใส่ลูกดารินแงหน้าขึ้นไปมองปล่องเหนือสีสักซึ่งแบบนี้เห็นดาวดวงหนึ่งริบรีอยู่บนท้องฟ้าอันดำมืดคุณขึ้นไปสารวจช่องทางนั้น พอเหตุางที่เราจะเล็ดลอดหนีออกไปได้ไหมสมมติว่ามันยังจ้องคุมเชิงเราอยู่เช่นนี้จนถึงเช้ายากครับไอระดับนั้นมันสูงขึ้นไปไม่มากนะักสมมติว่าพลวไปแล้วทางที่จะไต่ขึ้นไปด้านบนชั้นเก้าสิบองศาเป็นแผ่นผาหน้าเป็นแผ่นหน้าผ า, าตัดเรียบไม่มีทางที่จะปืนขึ้นไปได้นอกจากไต่ลงล่าง ซึ่งก็จะเป็นทางที่มันนอนสกัดกั้นอยู่และระยะนั้นมันเสือกตัวปราดเดียวก็ขึ้นถึงไม่มีที่กำบังอะไรด้วยงั้นก็รอให้เช้าสะกก่อนถ้ามันยังไม่ไปเราจะใช้วิธีล่อมันตะพรานเท้าออกความเห็นมาจะล่ อ, อยังไงนักประจัภัยสาวเลือดราชสกุลหนันขวักไปมองก้อยแพรานใหญ่คอยล่อมัน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 หรือตาพลาดถึงกับชีวิตก็่อมันรู้ไปบุญคำไม่กลัวหรอกความคิดของตะพรานเท่านับว่าแยบยืนที่สุดและไม่มีหนทางใดที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วในกรณีที่ถ้ายสัตว์ยักษ์มากตีนยังคอยจ้องคุมเชิงอยู่จนถึงตะวันขึ้นพรุ่งนี้และพินก็เห็นด้วยแต่ในระหว่างเขากระบุญคำใครจะเป็นคนล่อใครจะเป็นคนลอ บ, นน ล, อบลงไปเก็บไรเฟิ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 แล้วก็นอนส ก, กัดด้านปลายเท้าของเจ้านายทั้งสองไวดารินทอดกายนอนตรงกับปากปล่องด้านบนมองดูดาวแต่ะพินส ก, กิดให้หลบพ้นช่องทางนั้นเข้ามาอยู่ใต้เวงหินจ้ะพบไฟในกองที่ใช้ย่างเนื้อเริ่มรี่โรยความมืดก็ย่างกลายเข้ามาพร้อมกับความหนาวเย็นที่ทุกคนชาชิมโลกรอบด้านภายนอกและภายในเงียบสงับคงได้ยินแต่เสียงลมพัด ผ่านช่องโพรงหินเหนือสีสักครางอยู่วีดหวือและเสียงกรนของบุญคําผู้ซึ่งพอหลังแตะพื้นก็พลอยลับไปในทันทีด้วยความอ่อนระห่วยรยแรงและการนอนง่ายของแกไม่มีสัาสําเนียงใดๆจะให้สังเกตจับฟังไดจากสัตว์โลกลานปีที่คุมเชอเฝ้าอยู่ข้างนอกดูประหนึ่งว่ามันจะกบดานสงบนิ่งไม่ติงกาย แม้แต่น้อยเต็มไปด้วยเลือดสไนอันน่าคิดดารินผู้ยังนอนลืมตาโพรงอยู่ในความมืดขณะ น, นี้อยากจะคิดเข้าข้างตนเองว่ามันอาจถึงวาระสุดท้ายขาดใจตายไปแล้วเพราะทนต่ออำนาจพิษบาดแผลจากกระสุนปืนที่พุ่นร่างไม่ไหวจอมพรานผู้ซึ่งนอนเคียงอยู่กับหลอนห่างออกไปเพียงสอกเดียวในขณะนี้ก็เงียบสงบ ดูราวกับว่าเขาจะเข้าแดนนิทราทอดทิ้งหล่อนไปฉะนั้นปล่อยให้หล่อนต้องเผชิญกับความอ้างว้าง ว, าว้าเหวและพ่านสยองใจนานาประการไปเพียงเดียวดางท่ามกลางความเงียบนั้นหญิงสาวครุ่นคิดไปด้วยความฟุ้งซ่านนานาประการแล้วก็ปล่อยเสียงสะอื้นออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อนั้น ถึงสัมผัสกับอ้อมแขนอันอบอุ่นมั่นคงที่เอื้อมาโอบไว้รอบกายแล้วร่างร่างของหลอนให้เข้าไปแนบชิดศีรษะของหลอนถูกกดให้ซบลงกับท่อนแขนที่ทอดรองให้แทนหมอนดารินรีบซับน้ําตาโดยเร็วเริ่มอบอุ่นใจขึ้นอย่างประหลาดถูกแล้วเขาผู้นี้ยังไม่ได้หลับทิ้งหลอนไปเหมือนอย่างที่คิด เขายังตื่นพร้อมอยู่ทุกขณะและดูเหมือนจะอ่านได้ปรุกโงงเข้าไปในห่วงประวันคิดของหล่อนอย่างนี้อย่าคิดอะไรให้มากครับหลับจะตื่นขึ้นมาค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันใหม่ครับเสียงแผ่วต่ำนั่นกระซิบริมหูฉันฉันนึกว่าคุณหลับทิ้งฉันไปซะแล้วผมก็จะหลับเหมือนกันละครับแต่ไม่ก่อนหน้าคุณหญิงหรอกครับ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 ว่าท้อถอยพรั่นพรึงต่อเหตุการณ์ร้ายๆที่มันแวดล้อมคุกคามเราในขณะนี้หรือเกิดหมดสิ้นทั้งกำลังกายและกำลังใจจะต่อสู้กับมันอีกต่อไปแล้วเป็นครั้งแรกที่ฝ่ามืออันแข็งกระด้างแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและอบอุ่นนั้นลูกที่ศีรษะของหล่อนอย่างปลอบโยนถ้าท้อถอยก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นครับคือพ่ายแพ้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 ยังต้องคอยมีภาระปกป้องผมไว้ด้วยอย่างเช่นที่เคยทำมาแล้วเมื่อ น, นั้นคุณหญิงจะต้องเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้อย่างกล้าหาญมั่นคงที่สุดครับค่ะระพิฉันจะพยายามพยายามคิดสมมุติเหตุการณ์ชนิดนั้นขึ้นมาหล่อนกระซิบตอบเอาหน้าผากซบลงกับปลายคางที่สากไว้ด้วยคราวแล้วก็รู้สึกถึงริมฝีปากอันอบอุ่นสัมผัสแผวละมุน ที่หน้าผากของหล่อนพร้อมกับมือที่ ล, ลูบไล่ปลอบประโลมอยู่เช่นนั้นแต่เสียงเครือปนสะอื้นของหล่อนกระซิบกระท่อนกระแท่นต่อมาแต่คุณอย่าเป็นเช่นนั้นจริงๆขึ้นมานะกระพินในความมืดบุรุษผู้ทรณงแห่งไพรกว้างยิ้มครับผมก็จะพยายามเหมือนกันครับ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 ขอฉันนอนอย่างนี้ได้ไหมระพินด้วยความเต็มใจและสุขใจยิ่งที่สุดในชีวิตของคนที่เกิดมาชื่อระพินครับผมน้ำค้างพรมลมสงบไม่มีสัตปวป์ผสมเนียงใดๆจากป่าเบื้องนอกแววมาให้ได้ยินอีกทั้งสิ้นแล้วมิชามีนานดารินวราริธก็เงียบเสียงสนิทไปลมหายใจของหล่อน ระรวยอ่อนได้จังหวะสม่ำเสมอรพินไพรวันหลับไปหลังจากนั้นเพียงเล็กน้อยเวลาผ่านไปสักเท่าใดไม่ทราบได้ในความเย็นสถานของอากาศกลางดึกความรู้สึกกลับคืนมาสู่จิตํำนึกด้วยเสียงชนิดหนึง่งจอมพรานขยับตัวเพียงนิดเดียวเท่านั้นดารินก็พงกสีรักขึ้นและเป็นเวลาเดียวกับที่บุญคาคลานเข้ามา มันเริ่มเคลื่อนตัวแล้วนายพรานเท่ากระซิบเมื่อระพินกับดารินค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งขณะนั้นไฟในกองเหลือแต่เศษถ่านแดงริบหรี่กำลังฟังอยู่เขาตอบมือควานไปยังไฟฉายที่ตั้งไว้ข้างๆตัวก่อนจะหลับไปดารินปัดแขนเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นดูนาฬิกาพลายน้ำที่ข้อมือมันชี้บอกเวลาเที่ยงคืนเศษเล็กน้อย เดินข้างแรมอ่อนๆลอยคว้างอยู่เหนือยอดเขาส่งแสงสิสิเป็นลำลอดรอยโวของปากปล่องเบื้องบนลงมาปรากฏเป็นรัศมีวงกลมอยู่ในพื้นตรงกลางของพโพรงถ้ำช่วยให้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้รังๆเสียงที่แว่วมาในความเงียบเป็นเสียงโคดขินและพุ่มไม้เบื้องนอกลั่นเบาๆเกิดจากน้ําหนักตัวมากมายที่เริ่มเคลื่อนไหว มัน ด, ดังดังหยุดหยุดหายหายเรากบ ว, ว่าจะค่อยค่อยขยับขยื่นไปอย่าง ช, ช้าช้าแผ่วเบาสุดตะขับยักษ์ตัวนั้นเริ่มสำแดงท่าทีของมันขึ้นแล้วภายหลังจากสงบนิ่งกบดานอย่างเดียวตีความหมายไม่ออกถึกเป็นเวลาถึงครึ่งคืนบุญคำหมอบราดลงกับพื้นเอาหูแน่ฟังกับแผ่นดินและตามผนัง ส่วนพรานใหญ่ค่อยๆ ค, คลานไปหยิบลำต้นของไม้ขโมยที่เสี่ยมแหลมเอาไว้แทนเหลาวางพิงอยู่ริมฝาผนังหินใกล้ๆเสียงมันเลื้อยลงเขาถ้ามันจะถอยแล้วล่ะนายปลาพรานเท่ากระซิบกระซาบมาอย่างยินดีแล้วก็จริงดังที่บุญคําพูดรวมทั้งคาดคเีไว้ก่อนแล้วล่วงหนะ้าไอสัตว์เลื้อยคลานยุคโลกล้านปีขณะนี้กาลัง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 ทำไม่หมดความพยายามเพราะเห็นว่าเป็นการคอยที่ไร้ประโยชน์ก็อาจาเป็นเพราะอำนาจพิษบาทแผลจากลูกปืนที่ฝังพราวอยู่ตลอดทั้งกายในขณะนี้สร้างความเจ็บปวดทรมานเพิ่มขึ้นหรือมิฉนั้นก็โดยอุบายเล่กลอะไรซักอย่างหนึ่งทั้งสามสงบนิ่งอยู่ในที่ซ่อนตัวคอยเงี่ยหูจับฟังเสียงด้วยใจอันเต้นระทึก พร้อมทั้งคิดภาวานาบนบานให้ไอ้มัจจุราชเขี่ยวกางพลักไปซะโดยเร็วเสียงแผ่นดินลั่นห่างลงไปเป็นลำดับอย่างแช่มช้าเยือกเย็นที่สุดสสัมผัสอันชำนาญเยี่ยมของบุญคำและรพินก็บอกได้ว่ามันลากลำตัวอันยาวเหยียดพ้นหน้าผาลงไปแล้วกำลังบ่ายหน้าลงไปตามเนินป่าสักข้างล่างราพินกระซิบริมหูหญิงสาว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 ว่ามันถอยไปจริงหรือเปล่าตัวมันใหญ่เรากระรูงแบบนั้นน่ะไม่มีทางจะไปแอบซุ่มลบอยู่ที่ไหนได้โดยเรามองไม่เห็นหรอกครับพักใหญ่ต่อมาบุญคำซึ่งเอาหูฟังกับพื้นดินอยู่ตลอดเวลาก็เงยหน้าขึ้นด้วยอาการอันกระปรี้กระเป่าในแสงสว่างเรืองๆของดวงเดือนที่ทอดเงาลงมาจากปล่องเหนือสีสั แลยหินแกยิ้มร่าย่องเข้ามาหาทั้งสองไปแล้วนายไปจริงๆด้วยูรู้สึกว่ามันจะเดินเจ็บสะบักสะบอมไม่น้อยเหมือนกันบอลจะลงถึงชายผาด้านล่างนี่บุงคำว่าได้ยินท่อนหางของมันกริ้งหล่นลงมาถามันมีมากก็จริงแต่คงเป็นง่อยเดินไม่ได้ไปหลายแถวทีเดียวมันลากตัวของมันไปอาจไปกองเน่าอยู่ดวงอื่นก็ได้นะนาย กระพินไม่กล่าวคำใดเอาไฟฉายฮันเตอร์มัดกับผ้าเขามาคาดพุงแล้วค่อยๆไต่แง่หินขึ้นไปยังปากปล่องด้านบนดารินกับบุญคำช่วยกันฉายไฟส่องทางให้จากเบื้องล่างอืจใจเดียวเขาก็ประลุถึงช่องหหวนั้นเอื้อมมือขึ้นไปเหนียวโคนไม้ที่ตักไว้ขึ้นข้อลากตัวเองขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นเอาไฟฉายกระดส่องลงไป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 แต่ดารินคว้าคอเสื้อไว้เดี๋ยวก่อนหล่อนร้องห้ามหันไปดูพรานใหญ่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะถึงแม้มันจะพระจากที่หนี่ไปแล้วก็จริงแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของมันละคงจะคุมเชิงซุ่มอยู่ในปา่าในป่าล่างใกล้ๆนี่เองป้าผัวไปใครจะรับรองได้ว่ามันจะไม่แหวงขึ้นมาอีกถึงมันจะแหวงกลับขึ้นมา ก็พอจะถอยเข้ามาหลบอยู่ในนี้ได้ทันแล้วครับจอมพรานตอบแทนคนของเขาจัดเตรียมตัวให้รัดกุมวินซันจุดสามห้าเจ็ดเน็บเอไว้อีกมือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือหนึ่งคว้าหอกไม้ไรเฟิลของผมกับบุนคล้ำทิ้งไว้ตรงตีนผาใกล้ๆนี่จุดซีซีแม็กนั่มที่คุณหญิงทำหล่นไว้อีกระบอกนึงแล้วเราจะเอาขึ้นมาก่อน แล้วนั่นยังไงคุณจะลงไปกระบุนคําด้วยเหรอครับดารินเต็มไปด้วยความหวั่นกงนังวลทำไมไม่ร้อยสว่างซะ ก, ก่อนแล้วค่อยลงไปเอาล่ะก่อนจะสว่างอีกหลายชั่วโมงนะครับเรคคาดไม่ถูกว่าระยะเวลาระหว่างนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมืนจะเป็นหัวใจสาคัญที่สุดของเรานะครับถ้ามีโอกาสแม้แต่นิดเดียวเราต้องไปเอามาไวคุณหิ้เรา อ, อยู่ที่นี่แล้วกันผมกระบุญคาจะลงไปเอง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 ช่วยกันสองตรวจไปรอบๆอย่างระมัดระวังพอโผล่พ้นโพรงถ้ำที่หลบภัยออกมาก็สัมผัสกะลมเย็นกลางดึกและละอองน้ำค้างสะพานเยื่อเข้าไปถึงขั้วหัวใจอย่งในภาวะอันล่อแหลมต่ออันตรายซึ่งยังไม่สามารถจะคเนได้ถูกว่าจะจู่โจมมาในรูปใดเช่นนี้ขนลุกเกรียวไปหมดดอาริมกระชับปืนสั้นจุดสองสองแมมไวในมือแน่น ในขณะที่รพัพพินใช้ไม้เสียมแหลมที่ถือติดออกมาแทนไม้ถอ่อคันยันไปตามพื้นที่อันลาดชันนั้นบุญคำค่อยๆ ย, ย่องนำอ้อมเลาะโขดหินใหญ่ที่ขึ้นบังปากพโพรงออกมาในเวลากลางคืนเช่นนี้เป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งสำหรับภูมิประเทศอันเป็นหน้าผาสูงชันเช่นนี้ไฟล่นทั้งสองกระบอกตกอยู่เบื้องล่างทั้งสามจะต้องไต่ลงไปโดยอาศัยแก่งแง่ของก้อนหิน และลำต้นไม้ที่งอกขึ้นอยู่เป็นระยะและโดยระยะทางนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะต้องล่าถอยเข้าไปหลบอยู่ในโพรงถ้ำซึ่งจะต้องใช้ความรวดเร็วปีนกลับขึ้นมาอาจครั้งพลาดลน่นลงไปได้จะมองเห็นอะไรได้ก็แต่เพียงไฟฉายในมือของแต่ละคนเท่านั้นแข็งจังข้างแรมไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักนอกจากสาดให้มองเห็นอะไรเป็นเงาตะคุ่มรางและเกิดภาพลวงตาอยู่ทั่วไป บุญคำมาหยุดยืนอยู่ริมชานหินตอนหนึ่งกราบไฟสำรวจลงไปเบื้องล่างตรงตำแหน่งที่จำได้ว่าพรานใหญ่ทิ้งไรเฟิลทั้งสองกระบอกไว้ก่อนที่จะเพ่นหนีขึ้นมาอย่างบุบวิดตรงหินก้อนนั้นใช่ไ้ยนายอืมใช่ตรงนั้นแหละเขาตอบเบางแล้วความรู้สึกก็บอกกับตนเองว่ามันอยู่ห่างลงไปไม่ใช่น้อยเลยอย่างน้อยกว่าจะลงไปถึงก็ต้องไต่กันพอเหนื่อยขณะที่หนีมรุตยูขึ้นมานั้น เป็นการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดและด้วยพลังงานส่วนพิเศษทั้งหมดของคนที่จวนตัวไม่ได้คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นยินแทบไม่รู้สึกเลยว่าตนได้ตะเกียดตะกายขึ้นมาถึงไหนบัดนี้เมื่อมองย้อนกลับลงไปอีกครั้งยึงเพิ่งจะรู้ว่าระยะที่ปีนหนีหลบภัยขึ้นมานั้นสูงจากระดับพื้นเบื้องล่างขึ้นมาเกินค้าทีเดียวโอ้โหมันต่ำกว่าระดับที่เรายือนอยู่นี่ลงไปไม่ใช่น้อยทีเดียวนะ ดารินครางออกมาแต่ก็ไม่เหลือบาก่าแรงอะไร น, นักนะเห็นอยู่แค่นี้เองอาจสีเวลาบ้างก็ตอนที่ต้องค่อยๆไต่ลงไปเท่านั้นระวัหน่อยนะครับคุณหญิงมันมืดระวังจะเหยียบหินพลาดทางชันมากซะด้วยสิหญิงสาวฉายไฟยืงไปทางอีกด้านหนึ่งห่างลงไปเพียงไม่เกินสามสิบเมตรอันเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่หลอนยิงสกัดตะขาบใหญ่ตัวนั้นด้วยปืนสั้น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 ทั้งสามค่อยๆพยุงตัวไตเรียงเดี่ยวตามกันลงมาได้เพียงชั่วไม่กี่อึดใจก็ต้องพากันหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันอีกครั้งและพินผู้ใต่ตามลงมาเป็นคนสุดท้ายเอื้อมมือไปจับไหล่ดารินไว้และร้องเรียกบุญคำเบาๆเหมือนจะเตือนให้แกหยุดการเคลื่อนไหวเสียงคล้ายๆใครเอากระด้งหรือผ้าใบขนาดใหญ่ขึ้นไปกระพือลมอยู่บนอากาศแต่มีจังหวะรัวพีเร็วดังมาจากยอดเขาเบื้องบน ยังไม่ทันที่ใครจะเอ่ยพูดคำใดกันออกมาเงาดำก็ตัดผัดแสงจันทร์อันรุบรูไปในระยะสูงท่อท่มลงมายังหน้าถาและยอดป่าเบื้องล่างพร้อมกับเสียงร้องแหลมแวดมาในความเงียบฟังแล้วเย็นก็ไปถึงไขสันหลังถอยบุญคำกลับที่เก่าเร็วที่สุดแพนใหญ่บอกเร็วปือกระชากแขนดารินรั้งให้ไตกลับคืนย้อนขึ้นไปทางเดิม หญิงสาวมีประสาศสั่งงานรวดเร็วทันการดีเยี่ยบหลอนปฏิบัติตามคําสั่งของเขาทันทีโดยไม่เสียเวลาแมา้แต่นิดหนึ่งแต่ความรีบร้อนตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันแทบจะทําให้หลอนเสียหลักพลัดกลิ้งลงไปถ้าพิ้นคว้าตัวไว้ได้ทันชุลมุนทุรักทุเลกันอยู่ตรงนั้นเศษดินและหินก้อนเล็กๆอันเกิดจากการเหยียบถล่มลื่นพล่มร่วงพลุลงไปเบื้องล่างเสียงบุญคําร้องกล้องมาว่านายสองคนรีบขึ้นไปก่อน บุญธรรมจะลงเบลปืนให้ได้จะถึงอยู่แล้วใกล้ๆนี่เองฉันบอกให้ถอยขึ้นมาเร็วไม่ทันแล้วเสียงของระพินเกือบจะเป็นตะหวดัดตาเท่าก็เปลี่ยนทิศตะกายตามหลังเขากับดารินไป ย, ย้อนกลับขึ้นมาโดยเร็วจีจมพรานส่งหญิงสาวให้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนพร้อมกับร้องเร่งตัวละล่ำละ ล, ะ ล, ะละักดารินทาไฟฉายประจามือพลัดหลุดมือไปอีกด้วยความรีบร้อนแต่รอนไม่พวงกำมันให้เสียเวลา ใช้มือและเท้าให้เป็นประโยชน์ในการปีนปายพาตัวกลับขึ้นไปอย่างไม่คิดชีวิตมันวกลับมาเร็วนายระวังบุญคำตะโกนโวยวายลั่นมาจากเบื้องหลังกระพินโหนตัวตามขึ้นมาทันน้องสาวนายจ้างกดศีรษะให้ราบลงกับพื้นกระชากปืนสั้นออกจากเอวมันเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงปีขนาดใหญ่ของเจ้าสัตว์ปีศาตว์อันเป็นคู่ปรับเก่ากระพือตัดอากาศโฉบทลาดิง่งลงมาราวกลมกรด มนุษย์ทั้งสามคนที่กำลังไต่อยู่ยังหน้าผาชันเป็นเป้าหมายโจมตีอันถนัดถนีที่สุดของมันไอ้ขานขาวสูบเลือดชฉบทลาตาติดตัวมาไม่ผิดอะไรกับเครื่องมินขับไล่ไอพ่นพร้อมด้วยเสียงร้องอันเขย่าวขวัญของมันจอมพรานไม่มีเวลาแม้แต่จะใช้ไฟในสถานการณ์ที่ขับขันเช่นนั้นเขาเงยขึ้นก็เห็นเงาดาตัดแสงจันทร์วูบลงมาไม่ผิดอะไรกับเงาปีศาจ จุดสามหาเจ็ดแมกนัมในมืออันมีกระสุนจำกัดอยู่เพียงไม่กี่นัดก็แผดระเบิดกึกกล้องสวนออกไปในความเงียบสงัดของราตรีกลางป่าใหญ่เช่นนี้มันดังเหมือนกับว่าจะแหกโลกออกทั้งโลกพิษหรือถูกไม่ทราบได้แต่มันเบนหัวขึ้นในทันทีนั้นก่อนที่จะพุ่งลงมาถึงตัวพลิกตลบบินสูงไประดับขนานความชันของหน้าผาขึ้นไปเป็นเส้นดึง90สบองศา ลมปีกที่โฉบทลาลงมาเป่ากอไม้เล็กและฝุ่นดินปลิวกระจายว่อนฉุนกึกไปด้วยสาบสางแทบจะสลบแล้วอ้อมย้อนกลับไปทั้งยอดป่าสักเบื้องล่างอีกครั้งในลักษณะบินว่อนเสียงปีกดังผึบผับอื้องไปหมดระพินไม่ยอมให้เสียเวลาแม้แต่อึดใจเดียวเขาฉุดแขนหญิงสาวออกไตต่อไปเสียงบุญคาสวบทพรุษสวาดเอ็ดอึงชูกาปั้นรา้า ไฟเลือกตาตาพรานเท่าก็ร้องเสียงหลงหดหัวก็ไปซุกลบอยู่ใต้ซอกขินว่า ม, มันโวกกโจมตีซ้ำอย่างดุเดือดในลักษณะการเดิมชนิดที่แท้ใจไม่ยอมเปิดโอกาสให้ฝ่ายมนุษย์ตั้งตัวติดด้วยอัตราบินที่ไม่ต่มกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระพินกัดฟันแน่นเขาสาดกระสุนส ก, กัดมันอีกนัดหนึ่งเมื่อคเนวมันโชเข้ามาในรัศมีที่ใกล้ที่สุดและกลไฟแลบแดงวาบในความมืด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 ขณะเดียวกันก็แผดเสียงร้องสะเทือนกล้องไปทั้งลูกเขาอย่างเกลี้ยกราดดุร้ายจังหวะที่มันบินบ่อนเพื่อหาโอกาสโฉบซ้ำลงมา น, นี่เองทั้งสามก็กระหืนกระหอบขึ้นมาถึงลานหินบริเวณปากโพรงถ้ำอย่างแข่งกับเวลาท่านใหญ่ร้องเร่งให้ดารินกับบุญคำรีบมุดหลบเข้าไปในโพรงหลบภัยโดยเร็วตนเองยืนคุมเชิงดูท่าทีอยู่ที่โคนหินใหญ่ที่งอกสกัดอยู่ปากโพรง เขาเงมีโอกาสตั้งหลักได้ถนัดเป็นครั้งแรกเพราะระดับที่ยืนอยู่เป็นพื้นราบกว้างขวางพอที่จะเคลื่อนไหวย้ายตัวเองได้พอสมควรมีหน้ําซ้ํายังมีก้อนหินใหญ่เป็นที่พอที่จะอาศัยหลบกําบังได้ท่ามกลางแสงเดือนอันรุ่งรุ่เขาสังเกตเห็นแต่เงาดําทะมึนที่เคลื่อนไหวอยู่ไปมาบนอากาศสูงเหนือศีสระบางขนะก็โชว์ผ่านกลางแสงเดือน ทอดเป็นเงาผ่านบริเวณที่ยืนหลบอยู่ไปมาอย่างรวดเร็วบางขณะก็บังเหลี่ยมเขาด้านบนลับหายไปชั่วอึดใจก็โผล่ ก, กลับมาเห็นอีกแล้วอ้อมไปทางยอดป่าศักเบื้องล่างด้วยลักษณะลำพองทยานใจในความเป็นเจ้าราตรีของมันกระพินคุมสติมั่นกำปืนสั้นแน่นแทบจะบดด้ามให้แหลกย่อยยับไปกับมือ กระสุนเหลือติอยู่ในรังเพลิงอีกสองนัดความหวังอันน้อยนิดของเขาก็คือจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่มันโฉบลงมาใกล้จนอยู่ในระยะเผาขนเขาอาจส่งกระสุนเข้าฝังบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายมันได้ระหว่างที่หมุนตัวควางขอยหันหน้าเผชิญตามทิศทางบินโฉบเฉวียนเป็นวงกลมของเจ้าคางข่าวผีดารินกบุญคาก็ร้องเร่งให้ถอยกลับเข้าไปในโพรงถ้ำ ที่บังคับด้วยน้ําเสียงอันร้อนรนคนทั้งสองยังไม่ได้ผ่านเข้าไปในช่องหลบภัยนั้นหากแต่ยืนอโหรอยเขาอยู่ปากทางเข้าและไม่ยอมเคลื่อนไหวอย่างใดทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะออกคําสั่งให้ลบเข้าไปก่อนเช่นไรชั่วพริบตาต่อมานั่นเองระหว่างการภาวะผวัาของฝ่ายมนุษย์ลมเพชรฉหึงจากเบื้องบนก็พัดวูบลงมาอีกครั้งด้วยอัตราความเร็วสูงสุดแห่งปีกอันทรงพลังของมัน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 เอามือทั้งสองประสานปิดท้ายถอยไวแล้วทิ้งตัวคว่ำหน้าลงกับพื้นปล่อยปืนและไฟฉายให้หลุดกระเด็นจากมือตปสัมผัสแรกในระหว่างที่ร่างกายล้มลงไปก่อนจะถึงพื้นรู้สึกเหมือนกับว่ามีตะขอเหล็กอันแหลมคมเกี่ยวเสื้อด้านหลังกระชากขาดคว้าออกไปอย่างรุนแรงแล้วก็มีเสียงดังทับสนั่นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของปีกตีกระทบยอดหินเบื้องหลัง จนแผ่นดินไหวขึ้นลมกลุ่มหนึ่งพัดผ่านเลยศีษะไปโดยแรงพระหนึ่งจะเป่าร่างกายให้ปลิวผงะตามติดออกไปด้วยหูของจอมพรานลั่นอือไปหมดแทบจะไม่ได้สับผสมเนียงใดๆในขณะนี้ต่อมาเขารู้สึกว่าบุญคำวิ่งเข้ามากระชากไหลแล้วลากถูรูถูกกางตรงไปที่ปากโพรงถ้ำที่นั่นเห็นรางว่าดารินเต้นราอยู่ก่อนแล้ว มีเสียงปืนระเบิดกึกก้องขึ้นอีกสองนัดซ้อนแล้วร่างของเขาก็ถูกฉุดล่าเข้าไปทางปากโพรงถ้ำโดยแรงของสองคนนายเป็นยังไงบ้างนายในโสดปราสาทตอันลั่นกริงสะดับเสียงร้องตะโกนกรอกช่องหูของบุญคำพร้อมกับใครอีกคนหนึ่งก็เขย่าตัวเขาโดยแรงระพินสะบัดหน้าลืมตาขึ้นแล้วพยุงกายนะั่งไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแต่เสื้อนายขาด พร้อมกับเสียงระล่ำละลักของบุญคำฝ่ามืออันสั่นเขาของดารินก็ลู่ไปที่แผ่นหลังเขาเสียงร่อนเร็วปรือร้องขอไฟฉายจากบุญคำกดเขาให้ก้มตามลงเอาไฟฉายส่องตรวจอย่างเ ร, ร่าร้อนแล้วอุทานออกมาอย่างยินดีเฉียวผิวไปนิดเดียวเท่านั้นไม่มีบาดแผละระพินยืดตัวขึ้นเอาหลังพิงผนังหินหนั่งหอปายใจยาวๆลืนตาโพลงในความมืด ดาริมกับบุญคำก็หอบจนตัวโยนเพราะการออกแรงอย่างชุนละมุนตา่นั่งสงบนิ่งเหมือนถูกสะกดกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งร่างกายและประสาททุกส่วนราวกับถูกอะไรมาขึงยึดไว้หมดเพราะความตื่นเต้นงง ง, งันต่อเหตุการเบื้องนอกเสียงกระพือปีกบินของมันยังดังวนเวียนอยู่เช่นนั้นแต่พลังที่ว่าตัดอากาศดูจะอ่อนเบาลงคล้ายๆจะชะลอร่อนช่มช้า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 ไม้เล็กๆบางกิ่งหักได้ยินอย่างถนัดแล้วก็มีเสียงทยานขึ้นบินอีกย้ายไปเกาะก้อนหินเคลื่อนตัวคลานอย่างเช่อช้ามันบินและลงเกาะย้ายที่อยู่หลายครั้งจากนั้นก็เงียบเสียงสงบไปเต็มไปด้วยปริศนาภายหลังจากมีเสียงเกาะลงครั้งสุดท้ายคลานเดีย่ยวอยู่บนก้อนหินเหนือหัวเรานี่เองนายบุญคํากระซิบขึ้น ระพินกับดารินเหลือตาขึ้นไปบนปากปล่องเหนือสีสักมีเสียงของสิ่งยุ่นยุ่นหนักๆเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาอยู่บนนั้น ใ, นใจต่อมานั่นเองเงาทะมึนมืดก็เคลื่อนเข้ามาบังช่องโวอันมีแสงเดือนสองรอดลงมาเป็นลำในขณะนี้แล้วกับใครเอาอะไรมาปิดช่องนั้นไว้ไฟฉายจากบุญคําอันเหลืออยู่เพียงกระบอกเดียวก็พุ่งปราดขึ้นไปในทันทีนั้น กระทบกับดวงตาราวกับประกายเพชรที่สว่างว่าตอบลงมาพร้อมกับคมเขี้ยวเรียวแหลมขาวนองอันแพรมออกมาจากปากในลักษณะของใบหน้าที่ดูคล้ายสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์แต่ ใ, ใหญ่ขนาดหน้ากระทิงเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นที่ทั้งสามสายตามองเห็นเสียงพุบ ก, ก็ดังสะเทือนขึ้นจากการผลทยานพละบินดารินลั่นปืนสั้นในมือทันที แต่มันช้าไปซะแล้วเสียงระเบิดเพี้ยงดังขึ้นภายหลังจากที่มันพละผลออกจากปล่องซึ่งล่อหัวลงมาดูหัวกระสุนก็ทบแง่หินฉลดเฟยวขึ้นไปบนอากาศมันมันพยายามจะลงมาทางช่องข้างบนนั่นหญิงสาวพูดเสียงสัน่นมันลงมาไม่ได้หรอกครับตัวมันใหญ่กว่าช่องนั่นมากเสียงบุญคันสบดสาดแช่งเงึมงงำอยู่ไม่ขาดปาก ยิ่งกับมันมาเปลี่ยนเวรกับไอต้ตะขาดนั่นคอยเฝ้าเรายังงั้นเลยนายกาดใดที่เรายัางอยู่ในนี้มันทําอะไรเราไม่ได้แน่แล้วเขาก็าหันไปทางหญิงสาวผู้นั่งอกสั่นขวานเต้นอยู่บอกด้วยน้ําเสียงเรียบๆ เ, เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นว่าอย่าไปคอยพววงสนใจอยู่กับมันเลยครับคุณหญิงยังลงไปเอาปืนขึ้นมาไม่ได้ก็นอนกันดีกว่ากใกล้ๆสว่างก็ผลักไปเอง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 หรือว่าทลาลงเกาะย้ายที่อย่างใดอีกแต่นั่นระพินไม่สนใจจะคำนึงคิดอีกแล้วปราบใดก็ตามที่เขาไม่คิดจะย่างกลออกไปจากที่หลบภัยแห่งนี้ทั้งหมดจำต้องขังตัวเองอยู่ในอบโพวงอันจำกัดนั้นต่อไปในลักษณะอับจนความหวังความหวังอยู่แต่เพียงการรอคอยให้ตะวันขึ้นเท่านั้นเวลาจะผ่านไปอีกเท่าใดก็สุดที่จะคเนได ในอาการหลับหลับตื่นตื่น น, นั้นระพินสะดุ้งลืมตาขึ้นเพราะถูกบุญคำขย่าที่หัวเขายัางแรงขณนะนั้นดารินพลอยหลับไปแล้วด้วยความอ่อน อ, อกอ่อนใจก่อนที่เขาจะขยับปากเอ่ยถามคำใดสายตาก็บอกความชัดยอมแพ้พระจันทร์ครึ่งดวงบ่ายคล้อยไปทางด้านตะวันตกทอดลำแสงลงมาอย่างปากโพร ซึ่งหางออกไปเพียงไม่กี่ว่าเบื้องหนะ้าเงาของอะไรชนิดหนึ่งปรากฏทาพลงกับพื้นหินราบเรียบปากโพรงเบื้องนอกและเห็นอย่างกระจางชัดที่สุดจอมพ่านจอ้องรวยดวงตาอันเบอร์กว้างแทบถลนุนครุกกล้าที่จะสาบานให้ตนเองตกนรกตายดับไปนับัดนี้ก็ได้ถ้าหากว่าเงานั้นไม่ใช่เป็นเงาของสตรีนางหนึ่ง ที่ยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องนอกรูปทรงสูงระหงอรชรเรือนผมยาวสยายเคลียไหลทุกส่วนสัตว์ของเรือนร่าง น, นั้นแม้จะเห็นเพียงเงาก็ตามแต่ก็ปรากฏส่วนสัตว์อันงามรับกันราวกับภาพตั้นของปฏิมากรชัน้นเลิศบนศีสษะประดับด้วยอาพ์ชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายมงกุฎทอดบนอันประกอบด้วยลายลาดงาม และสวงที่แต่งตั้งชูชันพ่อหุ้มด้วยเครื่องห่มรัดรูปครึ่รงล่างของลำตัวเป็นภูสาทรงกรอมข้อเท้าคล้ายคลยเครื่องแต่งกายของนางละครรำชายสบายถูกลมดึกเป่าปลิวสวยัย <c oughs> ระพินไพร์วันยกมือขึ้นขยี้ตาครั้งแล้วครั้งเล่าภาพที่สายตาเห็นยังคงที่อยู่เช่นนั้นขณะเดียวกัน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 จับขาเขายึดไว้แน่นเป็นความหมายไม่เหตุผลออกไปแต่ระพินหันมาโบกมือบุยบ้ายให้แกสงบลงแล้วกระดึบกายต่อไปแทบจะไม่ยอมหายใจตาจับนิ่งอยู่ที่เงาพิษสวงนั้นตาไมา่กระพริบบุญคำก็คานตามก็ออกมาด้วยอีกประมาณศอกเดียวก่อนที่สีสัะของเขาจะโผล่พ้นปากโพรงออกไปเงาของสตรีโฉงงามผู้ลึกลับ ที่ปรากฏบางแสงจันอยู่ก็เคลื่อนถอยห่างออกไปเสี่ยวหนึ่งของลำตัวบงงางแงโคดหินมีอาการเหมือนจะหลบล่อโดยอาศัยเหลี่ยมหินเป็นที่กำบังไระพิมหยุดการเคลื่อนไหวสงบใจคอยสังเกตท่าทีอยู่อึดใจหนึ่งก็เห็นเงานั้นบางมุมหินลับล่ออยู่ในอาการเดิมคันแล้วพอเขาผัวศรีสะออกไปถึงปากโพรงเงานันก็หลบหายลับไป ยอย่าออกไปนั่นไม่ใช่คนแนะ่เสียงบุญคำกระซิบเบาที่สุดระพินเม้มริมฝีปากแนะ่สติสัมปชัญญะพร้อมมูลประสาททุกส่วนตื่นพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการได้ทุกอย่างชนิดทันท่วงทีลากตัวถอยหลังก็มาอยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อเฝ้าดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยจิตใจอันมั่นคงแ น, แน่วแน่มือหนึ่งตะครุบบุญคา เป็นสัญญาณให้แกกระโตกกระตากใดๆขึ้นทางสิ้นขณะจิตหนึ่งต่อมาของการเคลื่อนถอยห่างออกจากปากโพรงเงาประหลาดนั้นก็ค่อยๆเลื่อนพ้นจากกำบังของก้อนหินปรากฏทอดลงมาให้เห็นอีกคราวนี้เรือนร่างอันงามระหงนั้นสุดลงคุกเขาอย่างแช่มช้าใบหน้าแงงเงยขึ้นสู่ดวงจันทร์เหมือนจะวิ่งวอลอะไรสักอย่างต่อสวรรค์เบื้องบนนั้น เขาขยับกายอีกครั้งแต่แล้วก็ชะงักแสงเดือนอันสลัวซีดมืดมัวลงไปชั่วขณะเหมือนจะมีกลุ่มเมฆทึบลอยเข้ามาบางังและกลืมเงานั้นให้หายเข้าไปในความมืดมนด้วยทำให้สังเกตอะไรไม่ได้ทันแล้วจะเป็นด้วยจิตอุปาทานหรืออะไรก็ไม่ทราบในเสถีรศาสตร์รของเขาก็แววเสียงสะ อ, อื้นไห้แผ่วเบาของเสตตรีเป็นสำเนียงแห่งความโทมนัส ชอกช้ำแสนสาหัสได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเขาจ่อริมฝีปากชิดหูบุญคำได้ยินนายเสียงคนร้องไห้เสียงผู้หญิงจะว่าหูของเขาฝาดบิดเบือนไปก็หาไม่เพราะบุญคำก็ได้ยินยืนยันอยู่ทั้งคนว่าได้ยินในลักษณะเดียวกันกันกบเขาหรือจะดาดาริมผู้หลักปุ๋ยอยู่ขนาดนี้ลเมือก็ใช่ที เพราะเสียงนั้นดังแววไต้พลิ้วมาตามสายลมจากเบื้องนอกบอกไม่ได้ว่ามันดังอยู่ใกล้หรือไกลเพียงไหนมันขาดขาดหายหายคล้าระคนไปกับเสียงลมที่เตาผ่านแง่หินและกิ่งไม้เมฆกลุ่มใหญ่ที่บางจันผ่านพ้นไปแล้วลําแสงยองใหญ่ของเดือนแรมสาสว่างลงมาตามเดิมแล้วเงานั้น ก็อันตราธานไปเสแล้วประหนึ่งภาพที่เกิดขึ้นจยากมนมายาระพินตัดสินใจคลานออกไปจนชิดปากโพรงค่อยคอยโผล่ศีรษะออกไปดูเบื้องนอกเขามองไม่เห็นอะไรผิดปกติทางสิ้นนอกจากเงาไม้ก้อนหินและภูมิประเทศอันครุขระสูงต่ำของหน้าผาปากโพรงถ้ำแล้วก็โขดหินก้อนใหญ่ที่ตั้งระ ง, งานอยู่ทางมุมด้านขวาของปากโพง ขนาดนั้นเองมือก็คำไปพบกับหอกไม้ที่เสียมแหลมไว้และถือติดมือออกมาด้วยเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าที่เจ้าค้างค่าวดูดเลือดจะเข้าโจมตีบุญคำคงจะเก็บในขณะที่เขาทำหล่นและเอาติดมือเข้ามาด้วยจอมพลันยิ้มออกมาอย่างเขี่ยมเกรียวหยิบลำไม้ขโมยอันเหล่าอย่างดีนั้นขึ้นมากระชับไว้ในมือและยื่นส่วนปลายไปทางบุญคำซึ่งหมอบอยู่เบื้องหลัง ผ้าซับเพื่อประจำเดือนยังอยู่หรือเปล่าบุญคำยังอยู่นายอยู่นี่งั้นเอาออกมารูดท า, ากับปลายไม้นี่เร็วเขานายเราจะทาอะไรเอาเถอะหน้าไม่ต้องถามบุญคาขยับตัวคลุกคลักอยู่ในเงามืดอึดใจหนึง่งเขารู้สึกว่าแะจับปลายไม้ด้านที่เสียมแหลมที่เขายื่นส่งไปให้ใช้อะไรรูดทาอยู่อึดใจหนึง่งแล้วกระซิบบอกมาเรียบร้อยแล้วนาย จอมพรานกัดริมฝีปากแน่น ค, ค, ค่อยๆคืบคลานตัวเองออกไปจากปากโพรงอย่างระมัดระวังเรียมพร้อมทุกขณะจิตบุญคาไม่ยอมห่างเจ้านายย่องตามออกมาต้อยต้อยชักมีดเดินตาของแกออกมากระชับแน่นไว้ในมือไม่ว่ารพินจะโบกมือธำมาการไล่ให้แกกลับเข้าไปในที่ซ่อนตัวอย่างไรตาพรานเท่าก็ไม่ยอมเป็นตายยังไงบุญคาก็ทิ้งนายไม่ได้หรอก แกยืนจันอย่างดื้อดึงเป็นครั้งแรกรพินไม่มีเวลาที่จะสนใจกับตาพรานเท่าคู่ใจต่อไปอีกเขายืนปักหลักนิ่งอยู่ที่ลานหินหน้าธรรมมือทั้งสองกุงหอกไม้ที่ตอนปลายบัดนี้ถูกฉลมไว้ด้วยเลือดจากผ้าหนามัยของมารีอาฮอฟมันทิ้งไว้และบุญคำเอาติดมือมาด้วยกาสายตาคมกริปไปรอบด้านยังไม่ยอมที่จะให้สิ่งใดพ้นจากการสังเกตไปได้เลย ท่ามกลางแสงเดือนที่อาไปทั่วโคดเขินเนินป่แล้วก็เพ่งนิ่งตาไม่กระพริบอยู่ที่หินลูกใหญ่ซึ่งสังเกตเห็นเงาประหลาดเป็นรูปโฉมของสตรีเรือนร่างที่เคลื่อนหายเข้าไปทางเบื้องหลังบุญคำก็เข้าใจความหมายขยับจะย่องไปดักอีกทางหนึง่งแต่ัะพิงยึดไหล่ไว้ด้วยอุ้งมืออันแข็งกร้าวอย่าคอยตามหลังฉันไว้ เขากระซิบเฉียบขาดทั้งสองเริ่มจรดฝีเท้าอันแผ่วเบารงไปที่ก้อนหินลูกนั้นด้วยความระมัดระวังทุกย่างก้าวอาศัยแสงสว่างเรืองๆของดวงจันทร์ที่ลอยคว้างอยู่เหนือชะง่อนเขาซีกตะวันตกเป็นเครื่องส่องทางบุญคำถือไฟฉายพร้อมไว้ในมือแต่ยังไม่เปิดสวิตช์ลมดึกกรูกโกรกมาเฉยเว สัมผัสร่างกายทําให้หนาวสะท้านเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจเสียงสะอึกสะอื้นร่ําหายบักนี้เงียบหายไปแล้วแต่มีเสียงหัวร้อแผ่วเบาดังแววมาแทนที่เป็นเสียงหัวร้อใสกังวานแต่กระแสะของเสียงนั้นเต็มไปด้วยอาการเยาะหยันมันดูเหมือนจะดังออกมาจากที่ใดที่หนึ่งหลังหินใหญ่ก้อนนั้นนั่นเอง ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ระพินไพวันชันะแต่คนคู่ใจของเขากำลังจะก้าวขาไม่ออกฝืนใจย่องตามหลังเข้าไปติดๆทั้งๆที่ใจจริงอยากจะแล่นหนีกลับเข้าไปมุดอยู่ในโพรงตามเดิมเสียงฟันของตะพรานเท่าสั่นกระทบกันกึกๆๆกรกรึึดใจต่อมาพรานใหญ่ก็อ้อมพ้นบังเหลี่ยมของก้อนหินมันว่างปล่า ไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆปรากฏให้เห็นเลยนอกจากพุ่งไม้เล็กๆและหมู่หินเสียงหัวเราะหายไปอีกระพินสายตาอันชินกับความมืดไปทุกโคดหินพงไม้แล้วก็เดินย่องตรวจค้นหาที่มาของเสียงจนอ้อมกลับมาบรรจบที่เดิมอีกครั้งทั้งเขาและบุญคำไม่ได้ร่องรอยอะไรทั้งสิน้นระหว่างยืนนิ่งเพื่อพิเคราะห์ ประสาาสัมผัสอันคุ้นกับอันตรายก็ส่งสัญญาณให้ทราบอย่างกระทันหันเสียงพรุบดังขึ้นอย่างจู่โจมเบื้องหลังมันทำลายความเงียบขึ้นอย่างจู่โจมที่สุดปัจจุบันทันดวนจนแทบจะกาะตัวไม่ทันจอมพร a n หันขวบเงาอันดำมืดเป็นรูปปีกที่แผกกว้างก็ทะหลันเข้าถึงตัวมันพยานมาจากซูม้ห่างออกไปทางเบื้องหลังนั่นเองเขาย่อตัวลงต่า เรียวแรงมีเท่าไรก็ทุ่มลงไปในหอกไม้ที่ถือกระชับอยู่ในมือโดยวิธีเสือกสวนขึ้นไปเต็มเหนียวมันปากส่วเข้าไปกลางอกของเจ้าสิ่งนั้นอย่างถนัดถนีแล้วหักสะบัน้นด้วยแรงที่มันถาโถมเข้าใส่ร่างของเขาเองและบุญคำงางหลังก้นกระแทกลงกับพื้นกลิ้งไปอย่างไม่เต็นท่าพร้อมกัดน้ำบกกากดเสียงร้องกรีดหลอนสถานไปทางหน้าผา หูไม่ได้ฝาดไปเลยเสียงของมนุษย์ผู้หญิงซึ่งได้รับความเจ็บปวดรวดราวแสนสาหัสมันดังเสียดเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจระหว่างหกเมรหงายหลังเห็นดาวระยิบระยับอยู่นั้นด้ามของหอกไม้ที่หักกลางเหลืออยู่เพียงครึ่งท่อนยังคงกำแน่นกระชับอยู่ในมือของรพินส่วนปลายที่แหลมคาเดเสียติดอกเจ้าสัตว์ครึ่งนกครึ่งหนู เค่งบัดนี้กำลังผล ท, ทยานบินกระเจิดกระเจิงขึ้นเบื้องสูงพร้อมกับเสียงกรีดโหยหวนอยู่เช่นนั้นมันลิ้วขึ้นสู่นภาอากาศอย่างกระเสือกระสนลนลานสแสดงถึงความเจ็บปวดสุดขีดบ่ายหน้าเป็นพายุไปทางด้านเหนือเสียงลมปีกที่กระพือบินห่างออกไปเป็นลําดับอย่างรวดเร็วระพินตั้งสติได้อีกครั้งเพ่นขึ้นเยินโดยเร็วขนลุกซ่าไปทั้งกาย เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคําตาลีตาเหลือขึ้นมาแล้วเพ่นมาที่เขาพรานใหญ่ยกหอกไม้ที่หักคามือขึ้นดูแต่พรานเท่าก็ร้องกึกก้องออกมาอย่างฟรีดาว่าหักคาออกไปเลยนายเด็ดเพ่ไอ้ข้างคขาผีน่ะอยู่มัดตัวแน่เจอหอกวิเศษของนายเขาเปล่าจังเลยเงาของดารินวิ่งทะาลาออกมาพร้อมกับเสียงลั่นก็อะไรขึ้นไอ้ข้างเขาตัวนั้นนายหญิง บุญคำตะโกนบอกลั่นมาอย่างลิงโลดมันต้องเสร็จเราแน่แล้วละหนายหญิงร้านใหญ่แทงในหอกไม้หักติดคาอกไปแล้วปเปิดอ้าไปเลยดารินทะลันเข้ามาจับแขนจอมพรานเขาย่าโดยแรงยังไม่เข้าใจในคำบอกเล่าของบุญคำหมายความว่ายัางไง ร, ระพินเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรีดแล้วก็มีเสียงไปบินของค้างคาวตัวนั้น นั่นละครับนายหญิงเสียงมันร้องตอนที่ถูกหอกโมฆะศักดิ์ของพรานใหญ่เมตกี้นี่ละ่ะตาพรานเท่าเต้นแรงเต้นการ้องบอกแทนมาอีกอย่างดีใจหรือที่จะกล่าวระพินหันไปถามระพินซ้ำอีกหลายคำอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูกภายหลังยืนสงบนิ่งอยู่ครู่เขาก็ถอนหายใจเืึอพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติกล่าวชวนหลอนขึ้นว่ากลับเข้าไปนั่งพักกันในถ้าของเราก่อนเถอะครับ และผมจะเล่าให้ฟังว่าขณะที่คุณหญิงหลับอยู่นะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับผมและบุญคําทั้งหมดพากันกลับข้ามานั่งพักสงบสติอารมณ์ภายในโพรงถ้ำอีกครั้งพระพินยังไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นพยายามสะดับกลับฟังเสียงต่างๆอยู่ครู่ใหญ่ทมกลางความเร่าร้อนอยากทราบเรื่องโดยละเอียดของดารินจนกระทั่งแน่ใจว่าไอ้ค้างคาวสูบเลือดที่ถูกหอกไม้ปักทาอกจะไม่หวนกลับมาอีกแล้ว จึงอธิบายเรื่องทั้งหมดให้หญิงสาวทราบความจริงมันช่วงระยะเวลาที่หลอนเผลอตัวงี่ไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นที่เหตุการณ์อันน่าสยดสยองหลายต่อหลายสิ่งได้อุบัติขึ้นแล้วทำไมคุณไม่ปลุกฉันบ้างก็ตอนนั้นผมเห็นคุณหญิงกำลังหลับแล้วเหตุการณ์มันก็แปลกประหลาดมันต้องใช้การตัดสินใจอย่างเร็วที่สุดโดยอิสระด้วยนะครับผมเองตอนนั้นก็หลับ แต่บุญคำเป็นคนปลูกขึ้นมาให้เห็นถ้าขืนมัวปลูกคุณหญิงอีกคนมันก็จะไม่ทันการนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเงาของผู้หญิงที่คุณกระ บ, บุญคำมองเห็นน่ะหล่อนถามด้วยอาการตื่นตะลึงและปินโครงสีสะชะ้าๆาตาทั้งคู่รียังใช้ความคิดหนักผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับไอ้จ้าว่าตาฝาดก็มีบุญคำยืนยันอีกทั้งคน ไม่เพียงแต่เห็นเงามนุษย์ในรูปของผู้หญิงเท่านั้นนะครับยังได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกเมื่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะพอตามออกไปดูก็มองไม่เห็นอะไรแล้วไอ้ค้างคขาตัวนั้นซึ่งคงจะซุ่มรอจังหวะอยู่ก่อนแล้วก็ผลเข้าใส่ผมไม่มีอะไรเลยในขณะนั้นนอกจากหอกไม้ที่ถือติดมืออยู่อันเดียวก็แทงสวนทรงเดชออกไปตามบุญตามกรรมนะ่ะแต่ปรากฏว่าปลายหอกมันเสียบอกมันอย่างจัง แล้วหักติดขา อ, อกไปมันจึงผละออกบินหนีโดยไม่หวนกลับมาอีกจังหวะนั้นแหละครับที่คุณหญิงได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกรีดร้องแล้วก็ตื่นออกมาเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นก่อนที่คุณหญิงจะตื่นขึ้นมาพบผมกระบุนคําเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นนะครับไอ้หอกง่าที่กระโลโท่อของคุณอันนั้นน่ะเหรอที่ทําให้มันผละหนีไปดารินลืนตาโพล้องลั่นออกมาอย่างไม่ยอมเชื่อ ก็พีนหันไปโศกตาบุญคําแล้วอึ้งไปเพราะเขาเองในขณะนี้ก็แทบจะไม่อยากเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันมีบุญคําคนเดียวที่หัวรอด่านายหญิงไม่รู้อะไรมันไม่ใช่หอกขี้กะโลโทออย่างนายหญิงว่านะแต่มันเป็นหอกอาผันหอกวิเศษทีเดียวแหละนายหญิงแล้วมันจะวิเศษขึ้นมาได้ยังไงบุญคําไอ้แค่ไม้ท่อนเสียมปลายแหลมขนาดลูกปืนเรายัางเอามันไม่อยู่ ถ้าเป็นปืนเหรอนาหญิงตะกี้พรานใหญ่กับบุญคํำมาเสดมันไปแล้วไอ้หอกอันนั้นทแท้ๆนะนาหญิงที่ช่วยชีวิตไว้พรานใหญ่ให้บุญคําเอาเลือดประจําเดือนทาที่ปลายหอกไม้แล้วหอกอันนั้นแทงมันมันเสียวก็ไปทาหนัดใจเหลือเกินนาหญิงมีหน้ําซ้ำอยังหักขา อ, อกเสียงมันร้องกรี๊ดเปิดอ้าไม่เหลียวหลังไปเลยอะไร หญิงสาวหันไปจ้องหน้าแฟนใหญ่อีกครั้งด้วยความตื่นเต้นปะหลาดใจสุดขีดจริงเหรอรพินพินเองก็มีอาการเหมือนยังไม่สางงงหยิบด้ามหอกไม้ที่เหลือติดมือขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งแม่หล่อนดูก็เหลือติดมือผมอยู่ครึ่งนึ่งนี่แหละครับอีกครึ่งหนึง่งไม่ทราบหายไปไหน ก, ก็รู้แต่ว่ามันหักพวผขนาดที่ช่วงแทงจะติดคาอกมันไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่บุญคำเนะี่ยยืนยันว่าปิดคาไปแน่ๆผมก็ยังแปลกใจอยู่เนี่ยหญิงสาวหยิบขึ้นมาสำรวจตรงรอยหักของไม้บุญคำเอาไฟฉายส่องไม้เห็นเอ้ยไม่ น, น่าเลยนะที่ไม้ท่อนแค่นี้จะมีริดเด็ดทำให้มันเจ็บปวดผละหนีไปได้คุณนึกยังไงขึ้นมาเลยละพิมถึงได้ให้บุญคำเอาแพทซับประจำเดือนทานผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับคุณหญิง ขณะที่เห็นภาพประหลาดวิกฤวิกาณน่ะผมก็บุญคําไม่มีอาวุธอะไรติดตัวอยู่เลยนอกจากมีดเล่มสั้นๆกะหอกไม้อันนี้ก็เลยคิดเสียงบุญเสียงกรรมไปตามเรื่องโดยทดลองเชื่อตามทฤษฎีของบุญคำํำภาพผู้หญิงที่เห็นเป็นเงานั่นเป็นภาพเป็นความลึกลับมันจะเป็นอะไรก็บอกไม่ได้ผมคิดตามปภาษาโง่ๆว่าถ้าทําอะไรสักอย่างให้มันอุตริพิเรนอาจช่วยอะไรขึ้นมาได้บ้างอย่างน้อยก็ด่านกําลังใจ แันใหญ่นะ่ะไว้ดีที่สุดเลยที่บุญคำเอาประจำเดือนทาปลายไม้ไอ้ตอนนั้นน่ะบุญคำก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันนายหญิงทานเท่าสอดมาโดยเร็วไม่ความถึงว่าปรากฏเป็นภาพเงาและเสียงของผู้หญิงมาล่อให้คุณออกไปจากที่หลบซ่อนของเราพอคุณออกไปข้างข่าวตัวนั้นก็เข้าเล่นงานอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ไม่กล้าลงความเห็นอะไรทั้งสิน้นระพินตอบอย่างระมัดระวัง แต่บุญคำก็โผลงออกมาว่าก็จะอะไรสะอีกเล่านายหญิงลักษณะของมันก็เหมือนกระเสือสมิงนั่นแหละมันเห็นเราหลบซ่อนปลอดภัยอยู่ในนี้ไอ้วิญญาณตีศาจ ท, ที่สิงอยู่ในตัวมันก็สําแดงตนออกมาล่อเพื่อเราออกไปเป็นเหยื่อมันเงาของผู้หญิงกับค้างคาวตัวนั้นน่ะจะต้องเกี่ยวข้องกันแน่เลยพูดตามภาษาของบุญคำก็ว่าไอ้ค้างคาวมันแปลงตัวมาเป็นผู้หญิงให้บุญคำก็พรานใหญ่เห็นนั่นแหละ มันเป็นสัตว์ครึ่งสัตว์ครึ่งผีแบบเดียวกับไอ้เสือโครงดำกับไอ้ผีดิบตายซากนั่นเจอหอกทาเลือดประจําเดือนของพรานใหญ่เข้าถึงได้เปิดอ้าไปไม่ได้ยินเนอะมันร้องวีดเป็นเสียงผู้หญิงเลยทีเดียวพรานใหญ่หรือนายหญิงจะไม่ยอมเชื่ออย่างบุญคําก็แล้วแต่และแต่บุญคําเชื่อที่สุดว่าวิญญาณของปีศาจผู้หญิงสิงมันอยู่แล้วก็เจอของดีเข้าไปละดารินเงียบงัน ตาของหล่อนวาววามอยู่ในความมืดหล่อนไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหลายเลยด้วยตาของตนเองแต่ก็ยอมรับว่าที่สะดุ้งตื่นขึ้ น, นมานั้นก็เพราะเสียงกรีดร้องโหยหวนอันเป็นเสียงคนชัดๆนั่นเองเห็นแต่เพียงเงาที่เกิดจากแสงเดือนเท่านั้นเหรอตอนที่โผล่ออกไปไม่ได้เห็นร่องรอยคนอันเป็นเจ้าของเงาที่บังแสงเดือนไว้บ้างเลยเหรอหญิงสาวพยายามจะให้ได้ความจริงที่สุดจากระพินและบุญคํา ท่กลางจิตใจอันสั่นไหวสยองกล้าวจนบอกไม่ถูกพระพินสั่นศีรษะขาพิษสวงจับอยู่ที่ใบหน้าอันกล้านเกรียมของเขาไม่น้อยไปกว่าเราไม่เห็นเลยครับเห็นเฉพาะภาพเงาที่ทาบลงมาทางปากโพรงขณะที่นอนแอบอยู่ในนี้เท่านั้นแล้วเขาก็ชี้ตำแหน่งที่เงาปรากฏสัมแดงให้เห็นให้หญิงสาวดูตรงนั้นแหละครับพอไหวตัวขยับจะออกไป เงาก็หลบแฝงเข้าไปบังอยู่หลังก้อนหินลับลับล่อลอย อ, อยู่เช่นนั้นหลายอึดใจผมก็เลยตัดสินใจตามออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยในจู่ๆไอ้ค้างคาวนรกนั่นก็พุ่งเข้าใส่มันคงจะหลบซุ่มอยู่ก่อนแล้วหลังก้อนหินอีกลูกนะหนึงห่างออกไปเล็กน้อยการที่จะปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาได้จะต้องมีสิ่งอันเป็นเจ้าของเงาบังแสงไว้ไม่ใช่เหรอ หลนพึมพำเบาๆเหมือนจะกล่าวกับตนเองถ้าคุณเห็นเป็นภาพคนก็จะต้องมีคนมายืนบังแสงจันทร์ตรงนั้นแน่ๆอาจเป็นไอ้ผีดิบมันไตรก็ได้แต่ภาพเงาของมันเลือนลางดูไม่ถนัดคุณบางเอินเห็นเป็นภาพของผู้หญิงไปจอมพรานสั่นศีรษะอีกครั้งถามบุญคาดูก็ได้ครับเพราะเห็นกันชัดอยู่ถึงสองสายตาเงาที่ทอดลงมาน่ะชัดเจน แจมใสเห็นตําหดที่สุดแล้วครับเห็นแม้กระทั่งเรือนผมสยายยาวเห็นสิ่งประดับบนศีรษะที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎแล้วก็ปลอกแขนปาหลอดจนกําไลข้อมือผมเองก็ยังแปลกใจอยู่จนเดี๋ยวนี้นะครับว่าทําไมภาพเงานี่ยมาถึงได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นราวกับภาพเงานในจอหนังตะลุงอย่างนั้นแหละครับมีมงกุฎปลอกแขนแล้วก็กําไลมือด้วยเหรอหล่อนอุทาน ครับเห็นแต่เพียงเงาก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าผู้หญิงคนนั้นงามมากลักษณะการแต่งกายก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือนางพญาอะไรสักองค์หนึ่งในสมัยโบราณจะบานได้ครับว่าไม่ใช่เงาของไอ้ผีดิบมันไกรดารินกายเย็นว่าสะดุ้งเข้าไปถึงหัวใจเบียดเข้ามาชิดเขาโดยไม่รู้สึกตัวและพินเสียงสั่นของหลอนดังไม่เกินกระสิก เป็นเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าครับผมก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันครับเขาตอบเสียงเหือดเหือดหล่ลลลอนควรจะนอนอยู่ในหีบแก้วผลึกนะนอนอยู่ในหีบแก้วผลึกภายในปราสาทร้างไม่ใช่เหรอถ้าตามข้อสมมุติของเราก็ถ้าเราสมมุติเช่นนั้นได้แล้วทาไมเราถึงไม่สมมุติต่อไปอีกบ้างล่ะครับว่าในเวลากลางคืน รอเวลาอันเหมาะเจาะขณะใดขณะหนึ่งหล่อนจะไม่ออกมาเดินได้ฉันกลัวหรือเกินราพินดารินหลับตาลงกายสั่นเทิมเสียงหลุดลอดริมฝีปากออกมาเบาที่สุดจนบุญคำผู้นั่งห่างออกไปสองวาก็ไม่ได้ยินก็ทำไมจะต้องกลัวล่ะครับในเมื่อคุณหญิงอยู่กับคนที่ชื่อราพินไพรวัตรเขากระซิบตอบ อุบไหลไว้กระชับแน่นแล้วหัวเราะออกมากร้าวกล้างเสียดายหรือเกินเสียดายที่เห็นแต่เพียงเงาเท่านั้นอาจจะเป็นเจตพูดหรือดวงวิญญาณก็ได้นะก็สุดแต่ว่าเราจะเดากันไปแล้วครับขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในดินแดนหรืออาณาจักรของหล่อนแล้วไม่ใช่เหรอกระพินก็อาจเป็นด้วยเหตุนี้กระมังครับถึงได้กลายเข้ามาหเห็นเป็นการทักทายปราศัย ผมไม่คิดนะครับว่าหล่อนจะต้อนรับเราด้วยดีนะักก็แล้วหล่อนเกี่ยวข้องอะไรกับค้างคาวตัวนั้นล่ะผมก็กําลังถานตัวเองอยู่เหมือนกันครับคุณหญิงลองคิดให้ดีสิหล่อนมาปรากฏตัวให้คุณเห็นคุณตามออกไปแล้วก็ประทะกับค้างคาวใหญ่ตัวนั้นเสียงมันกรีดร้องเป็นเสียงผู้หญิงขณะที่ถูกคุณแทงด้วยหอกไม้บุญคาเชื่อเป็นคนละอย่าง กับสิ่งที่ฉันคิดสันนิษฐานอยู่ในขณะนี้นะแต่เชื่อของแกว่านั่นเป็นภาพปีศาจที่สิงสัตว์ร้ายตัวนั้นแล้วคุณหญิงล่ะครับคิดยังไงฉันอยากจะสันนิษฐานนะว่ามันอาจเป็นลักษณะเดียวกับเจ้าผีดิบมันไตรและเสือโคร่งดำตัวนั้นก็ได้คือวิญญาณเดียวกันแต่ถ่ายทอดไปมาอาศัยอยู่ได้ในร่างกายสองร่างและวิญญาณที่แท้จริงก็คือพันธุมวดี นางพญาแห่งนิตรานครถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องผเผชิญกับปัญหาอีกแล้วครับว่าทำไมหล่อนจึงคิดปองร้ายเป็นศัตรูกรับเราและความเป็นมาทั้งหลายแหล่มันเป็นเช่นไรมันใจน่ะเป็นผู้ร้ายแน่แต่อดีตนางพญาแสนสวยแห่งนครนี้ทำไมจะต้องกลายเป็นผู้ร้ายไปด้วยหล่อนอาจตกอยู่ในอำนาจลี้ลับที่บีบบังคับไว้ก็ได้นะ ตกอยู่ในอำนาจอาถรรพ์ซึ่งควบคุมอยู่เหนือกว่าให้กลายเป็นเครื่องมือทั้งที่โดยแท้จริงหล่อนอาจไม่มีเจตานา้ายถึงเพียงนั้นฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าทำไมฉันถึงคิดเช่นนั้นฟังนั่นสิได้ยินเสียงอะไรไหมประโยคหลังหล่อนกระหืดกระหอบขึ้นพร้อมกับเขย่าแขนเขาโดยแรงในความเงียบวางเวง ลมโชยผ่านยอดป่าเบื้องล่างมาจากด้านเหนือและในริวและลอกของลมอันเย็นเฉียบนั้นทั้งสามบุคคลที่หลบตัวอยู่ในโพรงถ้าสัมเนียบได้ถึงกระแสเสียงประหลาดชนิดหนึ่งปะปนแทรกมาด้วยมันเป็นเสียงสอึกสะอื่นร่ำให้คร่ำควรวญอย่างเจ็บปวดระคนไปกับความรันทดของสตรีนางหนึ่งเสียงพิลาบชนิดนั้นประหนึ่งว่าจะบีบหัวใจให้เหี่ยวฟอลงจนแทบไม่มีเหลือ และยึดเช่นเอ็นทุกส่วนให้กลายเป็นอมม า, าพาสไปชั่วขณะสำเนียงที่ลอยลงมาอย่างลึกลับนั้นโอดโอยโหยหวนชวนให้ปริเวธนาการยิ่งนักบางครั้งแผ่วกลืนหายไปกับสายลมบางครั้งก็ดังแหลมกรีดแหวกมาในความเงียบคล้ายจะเป็นเสียงพร่ำเพอ้อเอ่ยเรียกนามหนึ่งป่อมากระแสะเสียงคล่ำครวนเพียกหานั้นก็ค่อยๆจางหายไป อย่างไรร่องรอยกลายเป็นความเงียบสงบตามเดิมบุคคลทั้งสามยังคงนิ่งสะกดใจอยู่กับที่เงี่หูคอยจับเบาะแสสดับรับฟังต่อไปอีกครู่ใหญ่ไม่ปรากฏว่ามันจะแววมาให้ได้ยินอีกนอกจากลมดึกพัดผ่านกิ่งไม้อยู่เป็นระยะและหยดน้ำค้างที่ร่วงลงกระทบพื้นเปาะแปะทั่วไประพินผมอยู่นี่ครับ ได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่าได้ยินครับแต่ตอนนี้เงียบหายไปแล้วครับคุณได้ยินเหมือนฉันไหมไม่ใช่เฉพาะเสียงร่าไห้เสอึกเสอื่นเท่านั้นนะแต่มีเสียง ค, คล้ายๆผู้หญิงร้องเรียกหาใครสักคนคุณหญิงได้ยินยังไงครับเจะหูฝาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ฉันได้ยินว่าวรมันช่วยข้าด้วยเถิด ข้าเจ็บปวดทรมานนักแล้วเป็นสำเนียงกระแสเสียงของนางผู้พร่ำเพ้อเรียกหายอดรักเพื่อให้ช่วยแปลกมากครับผมกลับได้ยินอีกอย่างหนึง่งคุณได้ยินยังไงผมได้ยินเสียงร้องว่ามันไรไฟเย็นไม่อาจผ่อนปรนพิษแผลของข้าได้เจ้าผู้เป็นนายแห่งข้า ผู้เรืองไปด้วยอำนาจกริยามน์จงเร่งถอนห อ, อกออกจากอกค่าพี่เถิดคุณพระช่วยคุณได้ยินยังงั้นเหรผมก็ไม่ได้ใจตัวเองเหมือนกันนะครับทำไมได้ยินไปในลักษณะเช่นนี้เสียงนั้นนะ่ะมันจะลอยมากระทบทางโสตโดยตรงหรือทางดวงจิตก็ไม่อาจบอกได้แต่ผมสดับรับรู้ได้ในความหมายเช่นที่บอกไปแล้วอาการที่ได้ยินชนิดนี้ เหมือนกับคราวที่เราได้เผชิญหน้ากับมันายซึ่งเราได้พูดโตอตอบมันเราพูดในภาษาของเราและมันก็พูดในภาษาของมันแต่ก็เข้าใจกันได้อย่างประหลาดที่สุดเขากล่าวอย่างมึนงงแล้วพูดต่อไปว่าลองถามบุญคำดูอีกคนสิจะได้ยินยังไงดารินหันไปถามบุญคำผู้ซึ่งนั่งตัวแข็งอยู่แต่ถูกปลุกให้ตื่นจากห่วงผวัง โดยการเรียกของนายหญิงบุญคำได้ยินแต่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้ครับนายหญิงฟังเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้นอกนั้นบุญคำไม่ได้ยินอะไรเลยตาพรานเท่าตอแกไม่ได้ยินเสียงปรึกษาในลักษณะกระซิบกระซาบของบุคคลทั้งสองเมื่อครู่นี้ถ้างั้นเราสองคนก็เกิดอุปทานหลอกตัวเองไปใหญ่แล้วล่ะครับคุณหญิงระพินบอกที่ริมหูของหญิงสาว วรมันดารินพึมพามกับตนเองอย่างสุดฉงนถ้ามันเกิดจากอุปทานคิดฝันได้ยินไปเองแล้วฉันจะไปเอาน้ำที่ไม่เคยได้ยินนี่มาจากไหนล่ะวรมันวรมันอย่าไปสนใจคิดให้มันเสียเวลาเลยครับคุณหญิงผมเองก็เหมือนกันบอกกับคุณหญิงได้เป็นตุเป็นตะว่าผมได้ยินประโยคนํคำพูดร่ำร้องของผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ถ้าใช้ผมอธิบายก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าไฟเย็นผมก็อาจ บ, บอกได้ว่ามันหมายถึงอะไรไฟที่ไหนมันถึงจะเย็นอย่างที่ผมได้ยินนั่นโราออไปเก็บปืนกันดีกว่าครับเชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วละ่ะกล่าวจบเขาก็ฉุดข้อมือหญิงสาวแล้วพยักหน้าชวนบุญคำให้มุดลอดปากโพรงออกไปเบื้องนอกอีกครั้ง เดือนรับเหลี่ยมเขาไปแล้วเหลือแสงจางๆไว้บนท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกทำให้หน้าผาบริเวณนั้นตกอยู่ในเงาคลุมเครือยิ่งกว่าเก่าทั้งหมดพากันไต่เกาะหมู่กันมาอย่างระมัดระวังตนเองขีดจุดโดยอาศัยไฟฉายที่เหลืออยู่ในมือของบุญคำเพียงกระบอกเดียวเสียงหมาจิ้งจอกเขาหอนแววมาจากชะง่อนเขาอีกด้านหนึ่ง ดารินฟังแล้วสยแ่ยงเข้าไปทุกขุมขนแต่พรานใหญ่สูดลมหายใจลึกอย่างปลอดโปรง่งเสียงของสัตว์ป่าสามัญที่เกิดขึ้นตามสภาพของมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้เขาทราบได้ว่าใครที่แวดล้อมอยู่เป็นปกติธรรมชาติของมันแล้วไม่มีสิ่งใดแปลกปลอมให้ต้องพัววงถึงอันตรายใหญ่หลวงซึ่งจะมาในรูปที่เดาไม่ถูกขณะนี้เขาอยากจะได้ยินเสียงเสือคำรนเรียกหาคู่ อยากได้ยินช้างแม่ลูกอ่อนเรียกหาลูกเพราะนั่นเป็นสัญญาณปกติธรรมดาหน้าอภิรมของราวป่าในทัศนะพรานใครเช่นเขาแต่ถ้าป่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงแมลงสักตัวนี่สิเป็นสิ่งที่น่าคิดมากที่สุดทั้งหมดจำได้อย่างแม่นยำว่าปืนและไฟฉายตกอยู่ยังที่ใดบ้างในวินาทีฉุกละหกที่สุดและตามเกตไปตามลาดับ เริ่มถือปืนสั้นจุดสามห้าเจและไฟฉายที่กระเด็นหลุดมือไปจากมือรบผินขณะที่ไอ้ค้างคาวนารกเข้าโจมตีต่อมาก็ไฟฉายของดารินแล้วก็มาพบหยุด4ีีแมกนัมที่หล่นยุตรงชานหินถัดลงมาพร้อมกับกระสุนปืนสั้นที่ดารินทำตกไว้เรียแรกทั้งหมดช่วยกันเก็บลูกปืนเหล่านั้นอย่างละเอียดที่สุดและแล้วไม่นานนักต่างก็ลงมาถึงเชิงผาด้านล่าง ที่ทิ้งไรเฟิลทั้งสองกระบอกไว้มันยังอยู่ในลักษณะเดิมทุกอย่างพอฉวยขึ้นมาได้ทั้งรพินและตาพราณเท่าก็รีบบรรจุกระสุนลงเต็มอัตราส่งนับหนึ่งขึ้นประจำรังเพลิงไว้ทันทีด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าอำ น, นาจที่สูญเสียไปชั่วขณะได้กลับคืนมาแล้วและปืนของฉันดารินเอ่ยขึ้นอย่างกังวลขณะที่ไฟฉายฉายลงไปยังป่าศักเบื้องล่าง ปืนของคุณหญิงตกอยู่ไกลจากนี่ลงไปมากครับแล้วก็เป็นทางเดียวกับที่ไอตะขาดนั่นเลื้อยลงไปเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะไปไกลสักแค่ไหนถ้าจะตามลงไปเก็บเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากรอให้สว่างซะ ก, ก่อนดีกว่าครับถึงยังไงขณะ น, นี้เราก็ได้คืนมาสองกระบอกแนละ้วต่างไตขึ้นมาหลบพักในถ้าอีกครั้งหรือเวลาอีกประมาณสามชั่วโมงก็จะรุ่งเช้าบุญคําเอาฟืนที่เหลือมาก่อไฟเพื่ออาศัยไออุ่น มันหนาวใะจนแทบจะเหยียดนิ้วไม่ออกและไม่อาจนอนหลับลงได้ทั้งสามคนนั่งกอดเขา่าอางไฟกองเล็กนั้นปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปคนละทางดารินพืมพรนถา ม, ถามหาบุรีจากกระพินก็เห็นใบหน้าอันเกรียมเป็นมันราวกับภาพฟั้นนั้นยิ้มกล้านกล้า่ตอบว่าสิใจเหลือเกินครับคุณหญิงมันหมดจะแล้วหล่ะหลอนพยักหน้าอย่างรับรู้ไม่กล่าวอะไรอีก ตาอันมือลอยมองจับอยู่ที่เปลวไฟแลบเรียอยู่ในกองบุญคำก็ถามมาอย่างเอาใจว่าบุญคำมีแต่ยาตั้งมวนใบตองแห้งนายหญิงพอจะสูบได้ไหมว่าแล้วแกก็ยื่นกลักยามาให้ในายหญิงหันมายิ้มแล้วสั่นสีสับขอบใจมากบุญคำฉันสูบของบุญคำไม่ได้หรอกมันฉุนเกินไปอะ่ะ ก็พินเอื้อมือมาหยิบปลักยาของตาพรานเท่าออไปบรรจุยามวลชาชามวนชะชาแล้วคาบไว้ในปากเฉยดุนฟืนในกองมาลนต่อจนติดดีแล้วจึงยื่นส่งไปให้หญิงสาวดารินสุกตาอันเป็นประกายอ่อนโยนคู่นั้นแล้วก็สุดที่จะปฏิเสธกันได้หลอนรับมาสูบอย่างระมัดระวังเพื่อข้าวเวลาและผ่อนปลนจิตใจอันกังวลกระสอบกระสายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งก็ค้นพบว่าหล่อนพอจะสูบบุหรี่บ้านป่าแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อความจำเป็นขีดสุดมาถึงมันฉุนจนแทบจะทำให้สำลักแต่ก็ไม่เหลือบากว่าแรงนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติเพื่อสนองตอบน้ำใจอันดีงามของใครคนหนึ่งที่มีตลอดตลอดมาหญิงสาวดูดควันดูดอัดควันเข้าไปสามสี่ครั้งก็ส่งคืนให้เขาแฟนใหญ่รับมาสูบต่อ ฉันเป็นห่วงชายันกเมหรือเกินนะในที่สุดเสียงแผ่วเบาของหล่อนก็รำพึงขึ้นสองคนนั่นล่วงหน้ามาก่อนเราไม่รู้เขาจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราที่ทสมซานกันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเรื่องนี้มันสุจรบุญกรรมนะครับนายหญิงบุญคําปลอบมานายทหารกับนายแหม่มก็มีฝีมือพอตัวเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงป่านนี้แล้ว ถ้าจะมาอัดจนเสียท่าในเวลาต่อไปก็แปล ว, ว่าถึงคราวชะตาขาดแล้วจริงๆเทวดาฟ้าดินก็ช่วยไม่ได้ละครับความจริงเรากระชั้นรอยเข้ามาทุกระยะก่อนหน้าที่จะปะทะกับตะขาบใหญ่สองตัวเมื่อเย็นนี้เสียงปืนที่เรายิงกันสนั่นป่าน่าจะได้ยินไปถึงหูเขาบ้างถ้าเขาไม่ห่างเราจนเกินไปนะักและยังมีชีวิตอยู่ก็อย่างที่พรานใหญ่เคยบอกไว้นั่นแหละครับนายหญิงเสียงปืนในป่าน่ะเอาแน่ไม่ได้หรอก มันสุดแต่ว่าทางลมพัดไปด้านไหนถ้าอยู่เหนือลมหรือมีเขาบังก็ไม่ได้ยินเหมือนกันครับว่าแล้วตาพรนเท่าก็เอนกายลงนอนขดหันหน้าเข้าหากองไฟตามวิสัยเป็นอยู่ง่ายๆของแกไม่มีอะไรจะต้องวิตกกังวลหรือคบคิดมากนักในสมองอันเป็นธรรมชาติของพรานไพรทั้งหลายปากพึมพำบอกต่อมาทั้งๆ ท, ที่ตาหลับว่าบุญคาว่านอนพักเอาแรงกันดีกว่านะครับนาย พรุ่งนี้ค่อยคิดหาทางกันใหม่มานั่งเป็นทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกแล้วชั่วอึดใจเดียวบุญคำก็ลาโรงรลนครอกไปไง่ายๆหันมาดูพรานใหญ่เห็นนั่งกอดเข่าเอาใบหน้าซบกับท่อนแขนคงเหลือแต่เพียงหล่อนคนเดียวเท่านั้นที่ตายังสว่างโพลงอยู่ดารินชำเลืองมองเขาอย่างน้อยใจแล้วเอื้อมมือไปเขย่าโดยแรงรพินสะดุ้งเงยหน้าขึ้น เหมือนกันเลยนะเจ้านายกับลูกน้องนึกจะหลับก็หลับไปได้ไง่ายๆนี่ไม่นึกถึงคนที่กำลังตื่นอยู่บ้างเลยเหรอนี่จะทิ้งให้ฉันตื่นอยู่คนเดียวเหรอโธผมยังไม่หลับหรอกครับเพียงแค่พักสมองคิดชั่วขนาดเท่านั้นคุณหญิงไม่นอนพักเะก่อนเนอะอีกนานนะครับกว่าจะสว่างหลอนสันนาตอนนี้ฉันยังนอนไม่หลับหรอกในหูนะแววแต่เสียงควรวครางลึกลับนั่นตลอดเวลา หญิงสาวหยุดชะงักเงี่ยหูและถอนใจยาวดูเถอะแม่เดี๋ยวนี้ฉันก็ยังได้ยินอยู่เลยพระพินเหยียดกายลงนอนเนียวไหลราชสกุลสาวให้เอ็นลงมาด้วยสวดมนต์ตั้งสติให้เที่ยงกระเดียวก็หลับไปเองครับกว่าดาริงจะหลับลงได้ก็กระสับกระส่ายอยู่พักใหญ่ทีเดียวจนฟ้าสาง บุญคำผู้มีโอกาสพักผ่อนมากที่สุดก็ปลุกหนุ่มสาวทั้งสองขึ้นทั้งหมดใช้เวลาตรดเตรียมตัวเพียงชั่วไม่กี่อึดใจก็พร้อมที่จะผจญกับวันใหม่ในแบบไม่รู้อนาคตน้ำค้างยังเปียกชุ่มและหินยังลื่นขณะที่ทั้งสามไต่ลงมายังตีนผาพอถึงตำแหน่งที่ลงมาเก็ตปืนเมื่อคืนนี้ต่างก็เผชิญกับความชงนฉงไงอีกวาระหนึ่ง นี่ลุกคเทวดาที่ไหนเมตตาหาอาหารมาวางไว้ให้เราเนี่ยบุญคําร้องขึ้นก็ลุกคาเทวดาที่ชื่อแงซายนะสิดารินตอบโดยเร็วอย่างไม่ต้องคิดด้วยความปิติยินดีกลางลานหินเกลี่ยงเกลียกเห็ดโคนดอกใหญ่หญ้าหกดอกและมันเสา อ, อีกหลายหัววางกองไว้อย่างเป็นระเบียบเหมือนจะมีเจตนาโดยตรงเพื่อสังเกตเห็นง่าย ก็พินคำวดคิวนิดหนึ่งและกราดไปตามพื้นบริเวณนั้นก็เห็นรอยเท้าที่เหยียบน้ำค้างไวใ้ใหม่ๆไม่มีอะไรที่จะต้องให้สงสัยเป็นอย่างอื่นเลยเขาจำรอยเท้าคู่นั้นได้ดีเท่าเๆกับรอยเท้าของตนเองตลอดระยะเวลาที่แกะรอยติดตามกันมาอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดของชีวิตในขณะนี้และลาพังบุคคลทั้งสามเองในขณะนี้ก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่า มือแรกของวันจะสแสวงหามันมาได้จากไหนและโดยวิธีใดการที่พบสิ่งพอประพังชีพมาวางรอไว้ให้แม้จะเป็นเพียงแค่หัวเผือกหัวมันก็จัดว่าวิเศษสุดแล้วแล้วก็ป่วยการที่จะไปคิดเสาะแสวงหาร่องรอยเจ้าของผู้นำมาวางไว้ให้เพราะมันลึกลับเท่าๆกับพูดผีป่าเสียเวลาก่อไฟกันที่นั่นเพื่อเผามันย่างเห็ดบรรจุกระเพาะ อีกประมาณครึ่งชั่วโมงแสงเรืองรองของตะวันก็เริ่มสาดห้เห็นบนปลายยอดไม้บนเขาสูงและไอน้ําค้างระเหยเท่าแล้วเท่ารอบแง่ทรายก็ยังไม่ยอมทอดทิ้งเรามันจะทิ้งเราได้ยังไงนายหญิงมันต้องการจะลากเราไปถึงที่ที่มันต้องการน่ะบุญคําว่านี่แปลว่าเขารู้เห็นการเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลา และรู้ในความจำเป็นของเราทุกระยะมาทีเดียวเมื่อคืนนี้แง่ทายอาจป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆที่พักของเราก็ได้น่าแปลกหรือเกินนะั้นในข้อที่ว่าเขาไปแฝงตัวหลบซ่อนอยู่ที่ไหนในขณะที่เรารเผชิญหน้ากับอันตรายร้ายกาใครจะรู้ได้สินายหญิงไอ้นั่นนะ่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะมันเป็นผีหรือเป็นคนก็ไม่รู้พราะพานใหญ่ไม่ยอมเอ่ยปากคาใดทั้งสิ้น ตาพรานเท่าบุญคำจึงทำหน้าที่พูดกนายหญิงแทนให้เสร็จสิ่งจากอาหารมื้อที่แร้นแค้นที่สุดเพียงแค่ให้ยังชีพอยู่ได้รับพินกับบุญคำก็ช่วยกันราไฟเราจะย้อนลงมาตามทางเดิมเขาบอกกอาาันหรอหาไรเฟิลของคุณหญิงให้พบซะก่อนแล้วกันจากนั้นก็จะคลำรอยของคุณชายันกเมที่เราตามค้างไวตั้งแต่เย็นวานต่อไป ทั้งสามเดินผ่านป่าศักดิ์ตีนเนินซึ่งเมื่อเย็นวานวิ่งกระเจิงกันมาอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมทั้งใช้สายตาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอากาศกำลังชุ่มชื่นเย็นสบายไอดินและกลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดโชยมากระทบจมูกเคล้าไปด้วยละอองน้ำค้างช่วยให้สดชื่นขึ้นเพราะทางเดินอันปโปรงโลกและกว้างขวางพอสมควรต่างเดินเรียงหน้ากระดานมาด้วยกัน ไม่นานก็ถึงตำแหน่งที่ล่าชันลงไปสู่เบื้องล่างสิ่งแรกที่เห็นก็คือซากตะขาบยักษ์ตัวแรกที่ระพินยิงไว้ยังนอนหงายทอดลำตัวอันให ญ, ญ่ ย, ยาวอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงระพินมองสำรวจที่ท่วนในละแวกที่ต่ำลงไปอย่างไม่ไวายวางใจสนิทนักเขาเริ่มนําลงไปก่อนเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีอะไรกระตุกกระตากแล้วมาหยุดพิจารณาอีกครั้ง เมื่อถึงตำแหน่งที่จำได้ว่าดารินถลาหลาลื่นเสียหลักทำให้ไรเฟิลพลัดร่วงลงไปวงโกกหน้าดดอมๆมองมองอยู่อึดใจเดียวก็ไต่ทางลงไปโดยเร็วและดารินซึ่งเพิ่งจะมาถึงชานพักตรงนั้นก็เห็นเขาชูจุด300เว a t h b ของหล่นขึ้นรออยู่บนนั้นแหละครับไม่ต้องตามลงมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางลงอีกด้านนึงทางนี้ชันมากครับเสียงเขาร้องตะโกนบอกขึ้นมา ผู่เดียวก็ตายกลับขึ้นมาถึงส่งปืนให้หญิงสาวผู้รอรับอยู่แล้วด้วยความยินดีเจ้าทรงโรดเถอะฉันไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้มันอีกแล้วนะหล่อนยิ้มแจ่มสายยกมาได้เป็นครั้งแรกแคบจะยกปืนขึ้นจูบแล้วรีบรวบรวมสอบสภาพและกระสุนที่บรรจุอยู่โดยเร็วปรากฏว่าไม่มีอะไรบกพร่องเสียหายไปเลยเพียงแต่หล่อนบรรจุเพิ่มเติมลงไปให้เต็มบตราในแม็กกาซีนเท่านั้นความอบอุ่นเชื่อมัน่น ก็กลับคืนมาพร้อมหมดไม่มีใครติดใจที่จะไปสำรวจดูซากของตะขาบใหญ่โดยใกล้ชิดเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้หมดความรู้สึกในด้านอยากรู้อยากเห็นลงซะแล้วกับเจ้าสัตว์ประหลาดยุคโลกล้านปีนั้นเพียงแค่ชายตาชำเลืองดูว่ามันจะไม่เคลื่อนไหวขึ้นมาสําแดงเด็ดใดๆขึ้นได้อีกเท่านั้นแล้วก็เร่งตัดทางลงมาสู่ดงพริกป่าโดยเร็วไม่นานนัก ก็บรรลุถึงบริเวณเริ่มต้นก่อนจะถูกกวดไลมีรอยเลื้อยลากตัวไปอย่างสะบักสะบอมของเจ้าตัวที่สองซึ่งพละไปเมื่อตอนดึกที่แล้วมันบ่ายหน้าไปทางตะวันตกผ่านเนินเตี้ยลูกหนึ่งลงไปสู่หุบเขาใหญ่อันแลทํามึนมืดลึกลำและภายหลังจากตรวจรอยของชายันกลับมาเรียพบก็ต่างโล่ง อ, อกสบายใจขึ้น ที่ทิศทางไปของบุคคลทั้งสองเป็นคนละทางกับที่เจ้าสัตว์ ร, ร้ายเลื้อยไปบุญคําออกหน้าสาวรอยดิงไปด้วยสัเชาติพยานพรานของแก ต, ตามเดิมหลักฐานการผ่านล่วงหน้าไปก่อนของคนทั้งสองยังทิ้งไว้ให้เห็นชัดไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยฟังกิ่งไม้ไว้เป็นระยะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของมาเรียประเดี๋ยวขึ้นสูง เ่าเดี๋ยวลงต่ำสลับกันอยู่เช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้สักกี่มอและกี่มากแต่ในระยะหลังนี้สังเกตได้ว่าทั้งชัยยันและมาเรียเลือกเดินไปในหุนทางที่สะดวกไม่บุกรกชัดนักถ้าไม่ยึดแนวห้วยก็อาศัยทางด่านอันโล่งเตียยดารินพูดตลอดเวลาส่วนมากใช้วิธีก้มหน้าก้มตาเดินตามอย่างเดียว บัดนี้เริ่มใช้สายตาสังเกตไปตลอดระยะหล่อนพยายามค้นหาตามภูมิประเทศที่ผ่านไปด้วยความรู้สึกว่าอาจจะพบร่องรอยหลักฐานของการเคยเป็นเมืองมาก่อนแต่ก็ผิดหวังรอบด้านเป็นตาเขาโดงดิบสูงสูงต่ำาๆต้นไม้ก็ล้วนแต่มีอายุเก่าแก่จนยากที่จะคันเนได้สังเกตจากลำต้นอันใหญ่โตมโหฬารของมัน คุณพอจะทายถูกไหมสองคนนั่นยึดถือหลักอะไรในการเดินดารินเอ่ยถามขึ้นขณะที่แานใหญ่สาวเท้าขึ้นมาเคียงระหว่างที่หล่อนเดินเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ผมก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีหลักอะไรยึดได้นะนอกจากเดินเดาสุ่มไปตามเรื่องแต่ก็คงมีจุดหมายอย่างเดียวกับเราในขณะนี้ล่ละคือพยายามสังเกตภูมิประเทศเพื่อแสวงหาซากเมืองเกครั้งแรกก็เห็นบุกซอกซอนไปในที่รก แต่ระยะนี้พยายามเลือกหาทางเดินที่สบายขึ้นชั่วโมงเต็มๆผ่านไปทั้งสองพูดกันเพียงครั้งเดียวอันเนื่องจากเป็นเวลาเช้าที่อากาศเย็นชื้นและได้พักผ่อนกันมาบ้างพอสมควรทั้งสามจึงมีโอกาสจะเร่งฝีเท้าทำเวลาได้อย่างเต็มที่พันดงตอนหนึ่งซึ่งเต็มไปได้วยลูกไหวและลูกไข่เน่าแต่พรานเท่าเดินเก็บใส่ ย, ย่ามหลังของแกไปพราง ตาก็สอดสายขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อค้นหาสัตว์ประเภทที่ทำให้ผลไม้หล่นเกลื่อนพื้นเหล่านั้นแานใหญ่ก้มลงเก็บไข่เน่าขึ้นมาสองสามลูกใส่ปากกัดที่เหลือส่งมาให้หญิงสาวกระสิบยิ้มยิ้มว่าสมัยเมื่อยังพรั่งพร้อมสมบูรณ์พูนสุขคุณหญิงเคยถามผมนักว่าข้าวลิงเป็นยังไงนี่ยังไงล่ะครับลองดูสิจะได้รู้รสทองแท้สักที ดารินยิ้มตอบอย่างขันขันรับมาโดยดีเดินแทะกินไปเคียงคู่กับเขาดีเหมือนกันรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลไม่มีผิดอย่าล้อเล่นนะคุณหญิงอ้าจริงจริกินข้าวลิงแล้วถ้าไต่ต้นไม้ได้เร็วเหมือนลิงก็จะดีหรอกนะรับรองครับถ้าเกิดความจําเป็นขึ้นจริงๆเราจะไต่ต้นไม้ได้เร็วกว่าลิงจะอีกก็ดูเมื่อเย็นวานนี้เป็นตัวอย่างสิ หลอนหัวเราะแล้วทุบหลังครับบุญคำผู้เดินมองสูงอยู่เบื้องหน้าหันกลับมาเอานิ้วแตะริมฝีปากไว้เป็นสัญญาณมาให้ออกแล้วโบกมือเรียกทั้งสองย่องเข้าไปถึงแล้วก็ชี้ขึ้นไปบนยอดยางสูงลิปอะไรหญิงสาวกระซิบฐานตื่นตื่นใจเต้นระทึกขึ้นมาอีกเพราะคาดอะไรไม่ถูกวางโจรครับนั่งบังใบไม้ ร่อหน้าดำๆออกมานั่นตรงห้ามไม้ที่ทอดลงมาเหนือพุ่มเถาวันซ้ายมือนายยิงมือเที่ยงเที่ยงซอยลงมาทีเถอะพอให้ล่อตายไปได้อีกมือดารินตาเฉียบไวพอใช้ขมิ้นจ้องอยู่อึดใจเดียวก็เลยเห็นเต้าไมายอันลับร่อนั้นตามการสะกิดบอกของตาพรานเท่าหล่นขยับไรเฟิลแต่ระพินจับมือไว้กระสุนไรเฟิลทุกนัด มีค่าที่สุดในขณะนี้ครับสงวนไว้ดีกว่าใช้จุดสองสองเถอะครับมันไกลหรือเกินฉันไม่แน่ใจว่าปืนท่านจะได้ผลนะส่งให้ผมเร็วหญิงสาวล้วงย่ามหลังส่งจุดสองสองแมกนัมให้เขาอย่างรีบร้อนกระพินกัดตึงฝีปากแน่นเดินเลี้ยวเข้าบางังกิ่งไม้อันมีลักษณะเป็นง่ามบรรจงผาดกระบอกอันค่อนข้างยาวเข้ากับไม้งามนั้น ถือตัวปืนประคองแน่ไนไว้ทั้งสองมือแล้วกั้นใจลิงมันลั่นเปรี่ยงออกไปด้วยเสียงแหลมหนักแน่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบกริบเป็นตามเดิมโดยไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นทั้งสิ้นบอกแล้วไม่เชื่อยอมเสียลูกไรเฟิลสักนัดจะดีกว่าดารินบ่นอ่อยๆตาพรานเท่ายกมือขึ้นเกาหัวแกรกแกก้นพัพอุบอิบอยู่ในลาคอถ้าทางจะเสียดายมาก ความทึบของกิ่งไม้ใบไม้ที่เป็นม่านอำพรางอยู่ทั่วไปทําให้ไม่สามารถสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวอย่างใดต่อไปของมันได้และพินเองก็โครงหัวเดิอนออกมาจากง่ามไม้ที่ใช้พาดยิงอย่างหมดหวังเขาเดินกลับออกมายังไม่ถึงที่ทั้งสองยืนอยู่ก็มีเสียงสิ่งหนึ่งพลัดร่วงลงมาจากที่สูงประทะใบไม้ที่ต่ำลงไปดังพวพะและพานลมอู้ลงมาได้ยินอย่างขนา ไม่ถึงอึดใจก็กระแทกพลากลงกับพื้นดินดังสนั่นดาริงชันคอหน้าตื่นส่วนตาบุญคำแทบจะกระโดดร้องลั่นออกมาเอา้าไหนงั้นนะนายไม่ทันขาดเสียงแกก็ห่อแนบบุกปลาสวบสาลงเข้าไปโดยเร็วครู่เดียวก็ยิ้มหน้าบานกลับออกมาหิ้วข้างดำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งพาปลายหางประวัดโค้งมาคล้องคอ ทำเป็นที่หิวเรียบร้อยมาด้วยปากของพรานเท่ายังมีคราบเลือดข้างแดงเถือกกร้เชือดคอมันดื่มเลือดสดๆราวกับจะกลายเป็นผีดิบไปอีกคนกระสุนจุดสองสองแมตรน้าเข้าทะลุกลาง อ, อกและคงฝังอยู่ภายในเพราะไม่มีรอยผ่านออกอาจจะเป็นเพราะระยะไกลเกินไปหรือมิฉะนั้นก็เจาะผ่านกิ่งไม้ย่อมย่อมที่บังตัวมันไว้ก่อนแล้ว ระยะที่มันสงบนิ่งไปอึดใจใหญ่ๆโดยไม่สำแดงปฏิกิริยาใดๆขึ้นภายหลังเมื่อกระสุนลั่นคือระยะที่มันพยายามเกาะกิ่งไม้ไว้อย่างทรหดแต่ในที่สุดก็หมดแรงปล่อยตัวร่วงลงมามงพื้นดารินกับพริบตาปริกๆภายหลังจากสำรวจข้างตัวนั้นแล้วหันไปมองหน้าคนยิงซึ่งเบ้ปากยักไหลแทนความหมายของการบอกว่า เขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะฟุกได้ถึงเพียงนี้ทรงปืนกระบอกนั่นคืนให้เจ้าของหล่อนพยักหน้าบอกว่าเก็บไว้ในเป้หลังของคุณดีกว่าคราวหลังจะได้ไม่ต้องขอจากฉันให้เสียเวลากระพินสั่นหัวบอกหน้าตาเฉยว่าไม่ดีหรอกเรื่องอะไรจะมาฝากผมไวให้หนักเก็บไว้ในย่ามคุณหญิงนั่นแหละดีแล้วหญิงสาวคอนบ่นอะไรอุบอิบแลวรับคืนไปโดยเร็ว บุญคำเอาข้างมัดปิดเข้ากันหลังของแกแล้วออกนำต่อไปอย่างกระปรี้กระเปร่าชั่วโมงต่อมาก็พบรอยหยุดพักของคนทั้งสองบนพื้นราบเรียบใต้เงาไม้ใหญ่มีรอยก่อไฟอย่างเนื้อและกลบไว้อย่างเรียบร้อยภายหลังที่ผละไประพินพิจารณาดูด้วยความหวังที่แจ่มใสขึ้นทุกขณะเมื่อวานนี้ขณะที่เราไปพบรอยพักนอนครั้งแรกของเขา โรงกำแพงคูเมืองโบราณ น, นั่นสองคนมาหยุดชั่วขณะตรงนี้มั่งคงเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันนั่นแหละอ่ะตรวดดูให้ดีซิเป็นรอยพักตอนกลางวันของเมื่อวานหรือเมื่อคืนที่ผ่านมากันแน่ดารินสงสัยพยายามจะใช้สายตาของตนเองค้นหาหลักฐานอื่นๆแต่บุญคำตอบแทนครานใหญ่มาว่ารอยพักชั่วคราว เพื่อกินอาหารครับนายหญิงต้องเป็นเวลากลางวันของเมื่อวานแน่เพราะถ้าพักเมื่อคือนนะ่ะต้องมีรอยนอนแต่นี่ไม่มีการวินิจฉัย ใ, ให้ถูกต้องกับความเป็นจริงย่อมเป็นหลักสําคัญในการติดตามรอยเพราะมันหมายถึงระยะเวลาอันแน่นอนของฝ่ายที่ล่วงหน้าผ่านไปก่อนด้วยมันเพิ่งจะเป็นเวลาสิบนาฬิกาสิบเท่านั้นเองและทุกคนก็ยังแข็งแรงสดชื่นไม่อ่อนเพลียมากมายนัก การติดตามจึงรุดหน้าต่อไปอย่างไม่ลดละและเร่งฝีเท้ายิ่งขึ้นอากาศยังไม่อบอ้าวเกินไปหนทางก็ปลอดโปร่งสะดวกยิ่งพระระยะต่อไปทั้งชัยยันและมาเรียยึดเส้นทางด่านไปตลอดไม่ได้ไปเขาหรือบุกผงรูปการของบุคคลทั้งสองสังเกตจากรอยไปแสดงว่าไม่ได้พบกับเหตุการณ์ตื่นเต้นใดๆมาทาให้ต้องเปลี่ยนทิศหรือเกิดการเพ่นหนีกันอย่างชุลมุนเลย ตอนหนึ่งมีรอยเบี่ยงลงข้างทางเพื่อสแสวงหาลําห้วยคล้ายจกค้นหาน้ำซึ่งป่าบริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้ำให้พบเลยแล้วก็พบรอยถา ว, วัาน้ำถูกตัดจากนั้นก็ย้อนขึ้นมาสู่เส้นทางเดิมอีกพระพิละบุญคำสามารถอ่านพฤติการของบุคคลทั้งสองได้อย่างปรุกปร่งเรากะหินด้วยตาจากร่องรอยที่ทิ้ทงไว้เหล่านั้นพอสะดุดใจคิดถึงน้า ยอมพรานก็ตรวจน้ำที่ติดตัวคณะของเขาในทันทีนั้นแล้วก็พบด้วยความกังวลว่ามีเหลือติดกระติกของเขาอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนของดารินนหมดุดก้ยงไปนานแล้วทาว่าแต่แล้วอีกประมาณไม่กี่นาทีจะเที่ยงวันท่ามกลางอากาศที่เริ่มอบอ้าวทวีขึ้นและทุกคนเหงื่อออกชุ่มโชกกายทองฟ้าเบื้องบนอันแผดกล้าด้วยดวงอาทิตย์ก็เริ่มสลัวลงกระแสลมเย็นพัดมาจาก ด้านเหนือพัดกันโชคมาเป็นระยะเมฆดำก้อนใหญ่กำลังท่อต่ำลงมาทาบอยู่กับยอดเขาเบื้องหน้าฟ้าคำรามคืนครังและแลบแปลบแปลกฝุ่นละอองและใบไม้บนทางด่านปลิวหมุนกระจัดกระจายวนไปหมดไอ้ฝุ่นมันดักเราอยู่ข้างหน้านีา่นายบุญคำครางออกมาเบาๆขณะที่ยกมือข้างนึงขึ้นป้องตากันฝุ่นที่ปลิวสวนเข้ามาปะทะหน้า กระแสลมแรงพัดผานช่องเขาเข้ามาจนแทบจะทำให้ตัวเซเบาผ้าเขาม้าที่โพกศีสษะของตาพรานเท่าลุดปลิวไปจนต้องวิ่งไล่ตะครุรบรพินกับดารินปลดสายรัดของหมวกสกสารที่สวมอยู่มารัดขางไว้ทุกคนลืมตากันแทบไม่ขึ้นเรากำลังขาดน้ำก็ดีเหมือนกันให้มันตกลงมาเถอะจะช่วยให้เย็นและมีกาลังเดินดีกว่าร้อนๆ้อนดารินว่า าทางมันจะมีทั้งฝนทั้งพายุบุญคำกลัวมันจะกรบรอยของนายทหารกับนายแม่มจะหมดถ้าเกิดเป็นพายุใหญ่ยิ่งแล้วเลยรอยหายหมดความวิตกของบุญคำตรงกระพินเขาแหงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าอันมืดคลึ้มนั้นอย่างหนักใจภายหลังจากพิจารณาดูภูมิประเทศแวดล้อมรอบด้านก็บอกว่าเราอยู่ในระหว่างแอ่งก้นกระทะมีภูเขาสูงล้อมรอบ อายุใหญ่คงติดเขาข้างบนหมดแล้วฝนก็คงไม่ตกนักหนานักหรอกเพราะลมบนแรงมากเร่งฝีเท้ากันเถอะข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นหุบถ้าหนักหนานักบางทีเราจะอาศัยหลบอยู่ในหุบนั่นก่อนกล่าวจบเขาก็ฉุดแขนดารินออกเร่งฝีเท้าขึ้นอีกในลักษณะครึ่งวิ่งครึ่งเดินทั้งสามรุดหน้ากันไปอย่างเร่งรี ละอองฝนเริ่มจะโปรยปลายลงมาเปลี่ยนบรรยากาศอันระอุอ้าวให้เย็นช้ำลงอย่างรวดเร็วขณะเมื่อทั้งสามลงทางลาดมาบรรจบกับด่านช้างอันกว้างใหญ่ซึ่งทอดลงไปสู่หุบเขาสูงชันสองด้านดูราวกับจะเป็นกำแพงกั้นไวสองฝากทางเบื้องบนมืดทามึนไปด้วยหมอกฝนปกคลุมยอดไม้บนเขาสูงมัวมนไปหมดเสียงคางอูอยางน่ากลัว ในระหว่างช่องหุบอันเป็นทางกว้างประมาณ30เมตรทอดเป็นทางโค้งสูงสู ง, สงต่ําๆไปในระหว่างช่องเขานี้ฝนยังไม่รุนแรงนะักบางทีจะเป็นเพราะติดยอดเขาข้างบนซะก่อนคงปลิวปลายลงมาเฉพาะละอองบางๆเท่านั้นทุกคนจ่ำไปพลางเง้มมองอากาศเบื้องบนไปพลางยังไม่สู้จะสะดวกใจนะัก เสียงฟ้าคำรามดังสะเทือนสองฝั่งเขาอยู่ตลอดเวลานักครนแห่งฝวามหลักดารินพื้นพังขณะที่แง้มมองขึ้นไปยังยอดเขาอันเขียวครึมไปด้วยสายฝนหนักและลำต้นไม้ใหญ่ที่โยนแกว่งอยู่ไปมาอย่างน่าสะพึงกลัวนี่จะเป็นอิทธิฤทธิ์อาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเนะคิดจะว่าเจ้าป่าปานีประทานน้ำมาให้เราดีกว่าครับ ตลอดเวลานะเราพบแต่ความแห้งแล้งไม่เคยได้เห็นฝนมานานแล้วพรานใหญ่ตอบมาอย่างปลอบใจยิ่งลึกต่ำลงไปกระแสะลมที่พัดอยู่ก็เบาบางลงเป็นลำดับอากาศสลัวเหมือนตอนใกล้คำ่ำครั้งแรกระพินเริ่มลังเลว่าบุคคลทั้งสองที่ล่วงหน้ามา ก, ก่อนจะมุ่งลงสู่ด่านใหญ่นี้หรือไม่เพราะพื้นเป็นหินแข็งไม่เหลือรอยอะไรจะให้สังเกตได้ และอีกประการหนึ่งก่อนที่จะบรรจบกับด่านใหญ่ตัดเข้าไปในช่องเขานี้มีทางด่านเล็กแยกอ้อมไล่เขาไปอีกด้านหนึ่งแต่การที่จําเป็นจะต้องหาที่หลบฝนและพายุทําให้เขาเลือกเส้นทางลงผูกด้านนี้โดยลืมคํานึงถึงการตามรอลงชั่วขณะคั้นเดินลึกเข้ามาได้ครู่ใหญ่ก็เฉลียวคิดขึ้นมาได้เขาตะโกนบอกความไปยังบุญคําผู้เดินก้มหน้าก้มตาจ้เอ้าไปเบื้องหน้า ตาพรานเท่าจึงหยุดชะงักหันรีหันขวาง ใ, ใจเดียวแกก็ปราดเข้าไปที่ซุ้มไม้เล็กๆกอนหนึ่งงอกอยู่ในระหว่างซอกขินริมทางแล้วหันมาป้องปากตะโกนบอกไม่ผิดทางหรอกนายทางนี้แหละถูกแล้วเมื่อราพินกระดาริมตามเข้าไปถึงแกก็ชี้ไปที่ต้นเสือหมอบกิ่งหนึ่งที่ชะโงกล้ำริมทางออกมามีรอยฟันขาดไว้ราพินยิ้มออกมาได้ไม่กล่าวอะไรอีก โบกมือให้ทุกหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งพอลงจากเนินอีกลูกหนึ่งก็ถึงทางที่ทอดเรียบไปในระดับพื้นราบอุดมไปด้วยฝุ่นคราวนี้มองเห็นรอยเท้าของคนทั้งสองที่ประทับไว้อย่างชัดที่สุดไม่จำเป็นจะต้องระมัดระวังตรวจสอบอะไรกันอีกทั้งสิน้นเพราะหนทางบังคับให้มุ่งไปเบื้องหน้าอย่างเดียวอันเนื่องมาจากกาแพงผาสองด้านที่ขนาบไว ขณะนั้นเองเชือกรองเท้าของดารินข้างขวาก็ขาดออกเพราะเปื่อยยุ่ยเต็มทีอันเนื่องมาจากยำ่ำสมบุกสมบันมานานหลอนสุดตัวลงนั่งที่ก้อนหินริมทางจากการร่นสายเพื่อผูกใหม่และพินหยุดรออยู่เบื้องหน้าห่างออกไปประมาณสิห้าก้าวภายหลังจากหลอนตะโกนร้องบอกให้ทราบขณะที่ก้มลงผูกเชือกสายตาของหล่อนมองลงไปที่พื้นอันเป็นรอยย่ำของชายยันและมาเรียอย่างไม่ตั้งใจ แล้วก็สะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งทำให้ชะ ง, งักจ้องนิ่งอยู่เช่นนั้นอึจใจต่อมาก็ลงคุกเข่ากับพื้นก้มลงพิจารณาอย่างใกล้ชิดอะไรครับคุณหญิงการใหญ่ผู้เห็นอาการของหล่อนอยุทุกนาร้องถามมาอย่างสงสัยรับพินเสียงของดารินสันพราหน้าตื่นมาดูอะไรดิเร็วรับพินไพวันสาวเท้าตรงเข้ามาอย่างรีบร้อนพอถึง และมองเห็นในสิ่งที่ดารินเอานิ้วชี้เงียบๆอยู่ในขณะนี้เขาก็เย็นวูบเข้าไปถึงสันหลังอุ้งตีนขนาดชามกละลํามังย่อมย่อมปรากฏย่ำอยู่กับพื้นฝุ่นทับรอยของชยยายันและมาเรียไปมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สุดที่จะบอกได้เพราะความที่เดินจ้ำกันไปอย่างรีบด่วนทำให้ไม่ทันเฉลิวสังเกตทั้งสองสบตากันแวบหนะึ่ง ขณะนั้นบุญคำผู้ล่วงหน้ากำลังจะขึ้นเนินเกิดความสงสัยหันกลับมาดูหญิงเจ้านายทั้งสองหยุดมองอะไรอยู่ที่พื้นก็ออกเดินเอ้าย้อนมาแกอ้าปากชะขยับถามก็พอดีที่พรานใหญ่เอาปลายลำกล้องของไรเฟิลชี้ลงไปให้ดูไอ้โครงดำสมิงพรายนั่นเองแ็ร้องลั่นออกมาอย่างตะลึงลืมตาโพลและโดยไม่พูดคาใดกันเลยในขณะนั้น บุญคำตรวจย้อนรอยถอยหลังไปอย่างร้อนรนในขณะที่พรานใหญ่ก็ไล่รอยเบื้องหน้าในระยะใกล้ๆส่วนดารินยังคงนั่งหน้าตื่นอยู่ที่เดิมครู่เดียวทั้งสองที่แยกตรวจไปด้านตรงข้ามคนละทางก็เห็นกลับเข้ามายัางที่ดารินนั่งอยู่พบไหมรอยมันเริ่มต้นที่ไหนบุญคำเอามือเกาหั ว, หวกรักกกสีหน้างงเอ้ยย้อนหลังลงไปไม่มีนะนาย รู้สึกจะร่วมต้นตรงนี้ละ่ะนายตัวไปข้างหน้าอีกมีหรือเปล่าจอมแผนเม้มปากหันกลับไปยังด้านหน้าอีกครั้งมีมันตามหลังทับรอยไปทีเดียวล่ะเมื่อกี้นี่เรามัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินไม่ทันสังเกตดีนะที่นายหญิงว่าเงินเห็นข้าวยำแท้เชียวบุญคําเองเดินไปข้างหน้าก็ไม่ทันดูเหมือนกันนึกไปไม่ถึงอ่ะแกสะบดพึมพำ แล้วหันมาทางนายหญิงนายหญิงเห็นเขาได้ยังไงฉันนั่งลงผูกเชือกรองเท้าแล้วรอยมันอยู่ตรงหน้าฉันพอดีลันบอกเกือบไม่มีเสียงน่าใจเหรอว่าเป็นรอยไอ้โครงดําตัวนั้นร้อยเปอร์เซ็นครับนายหญิงเว้นแต่จะมีเสือใหญ่ขนาดมันอีกตัวก็อยู่ไม่อยู่ทําไมมันถึงเพิ่งจะมาเริ่มต้นเดินทับรอยสองคนนั่นตรงนี้ มันคงไม่เหาะมาก่อนแล้วมาเดินลงตรงนี้ไม่ใช่เหรอดารินว่าผุดลุกขึ้นยืนตามองสำรวจขึ้นไปยังป่าอันสูงชันของฝั่งเขาทั้งสองด้านลระพินกับบุญคำเคลื่อนไหวจากที่อีกครั้งต่างแยกตรวจค้นหาไปตามชายผาซึ่งเต็มไปด้วยกอไม้ทึบและชั่วเม่กี้อึดใจบุญคำแยกไปทางฝั่งด้านซ้ายมือก็ร้องเรียกเบาๆครานใหญ่กับดารินปราด เข้าไปบนทางอันตัดชันประดุดกำแพงผานั้นมีรอยกรวดลูกรังถล่มร่วงลงมาเป็นทางและ ก, กิ่งไม้เล็กๆสองสามกิ่งหักพื้นอันอุดมหนาทึบไปได้วยฝุ่นก็มีรอยเท้าคู่หน้าประทับไว้ลึกบอกให้ทราบได้ทันทีว่าไอ้มหาการซึ่งมีวิญญาณร้ายของมันไรเข้าสิงก็โจรลงมาด้านนี้ มันตบลงมาจากเขาสูงเบื้องบนบรรจบทางด่านที่ชา ย, ยันกามาเรียล่วงหน้าไปก่อนและสะกดตามหลังไปในเส้นทางอันเดียวกันมันไต่เขาลงมาดารินริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนจะกล่าวกับตนเองขณะที่แง้มมองกวาดระสูงขึ้นไปเป็นลำดับผาด้านนี้มันสูงชันเหลือเกินสูงเกือบจะเป็นเก้าสิบองศากระดับพื้นล่าง มันลงมาได้ยังไงนี่ไม่น่าเชื่อเลยมันลงมาได้ครับนายหญิงรอยของมันที่เห็นอยู่นี่บอกชัดอยู่แล้วหญิงสาวหันไปมองหน้าจอมพรานด้วยลมหายใจที่ไม่ทั่วท้องสองคนนั้นถูกมันสะกดหลังไปซะและ้วไม่ทราบว่าจะรู้ตัวหรือเปล่ารัพพินไพรวันเองในขณะนี้ก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างที่สุดร่องรอยที่เห็นบอกให้รู้ว่า ให้สือผีสิงลงจากเขาย่องตามหลังสองคนนั่นไปจะทอดระยะการติดตามกระชั้นชิดหรือห่างเพียงไรก็ไม่มีสิ่งใดมาบอกได้ชั ย, ยันกับมาเรียจะเฉลียวคิดรู้สึกตัวในมรตยูที่สะกดเป็นเงาอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรก็ยากที่จะคเนดได้เช่นกันแต่ทูรู้แน่ก็คือทั้งสองชีวิตแขวนอยู่บนปลายจมูกมัดอยู่ราดแล้ว และจากเวลาที่มันเริ่มย่องตามหลังคนทั้งสองมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นแล้วเพราะมันห่างกันหลายชั่วโมง ก, ก่อนหน้าจะมาพบเขาณนะที่ใดที่หนึ่งในหนทางเบื้องหน้าอาจจะเป็นจุดวาระสุดท้ายของช ย, ยันกับมาเรีย ก, ก็ได้คิดในทางดีไว้ก่อนแล้วกันระพินเอ่อย่างเคร่งขึงถ้ามันสาวรอยเข้าไปชิด จนถึงระยะอันตรายผมคิดว่าทั้งสองคนนั่นควรจะรู้สึกตัวไหวทันและเตรียมรับมือได้นะแต่ฉันไม่ไว้ใจชัยยันเลยนะเขายังอ่อนหัดนะักแต่ผมไว้ใจเมย์เท่าๆกับไว้ใจพรานมือดีคนหนึ่งถ้าลาพังคุณชัยยันคนเดียวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจเพียงแต่ย่องตามโดยไม่มีโอกาสที่จะเข้าเล่นงานเลยก็ได้นะนายหญิงไม่ต้องกลัวเชื่อบุญคำเถอะ พรานเท่าสอดขึ้นมาโดยเร็วอย่างมั่นใจบุญคำว่าท่านนายแม่มยังไม่หมดเลือดประจำเดือนโอ้ยมันไม่กล้าเข้าถึงตัวหรอกไม่ว่าไอ้ผีดิเพื่อไอ้โครงดำอย่างมากก็คอย่องสะกดตามดูไปอย่างเดียวเท่านั้นแหละดารินหันไปมองดูหน้าแกอย่างน้อยที่สุดคำพูดของบุญคำก็ทำให้เกิดใจชื้นขึ้นช่วยกันภาวนาขอให้เป็นจริงเช่นนั้นเถอะหล่อนพูดเหมือนกระซิบ สัมผัสใหม่ได้เข้ามาสู่ความรู้ของบุคคลทั้งสามใชแล้วมันกล่นไปด้วยความร้อนเรา่ากระวนกระวายใจการเดินตามรอยเต็มไปด้วยบรรยากาศกริง่งเกรงหวั่นกังวลยังไงบอกไม่ถูกเท่าเท่ากับที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตนมากขึ้นอย่าคิดว่าเราจะมุ่งตามสองคนนั่นอย่างเดียวนะจอมพลางกระซิบข้างหูหญิงสาวมันอาจดักเราอยู่ข้างหน้าก็ได้พยายามมองสูง และระวังไว้ให้มากถ้าหากผ่านก้อนหินใหญ่ริมทางหญิงสาวยิ้มเกรีย ม, ลยมปลดไตรเฟนที่สะพายมาตลอดลงมาถือไว้ในมือบุญคํายึดถือตามความเชื่อของแกตัดไม้ลาต้นตรงขนาดเหมาะมือริมทางออกมาท่อนหนึ่งเสี่ยมปลายแหลมเป็นหอกอย่างที่รพินเคยทำเอาผ้าอนามัยที่เปื้อนประจาเดือนและแกพกพาติดตัวมาตลอดเวลาออกมาลูบทาตรงปลาย แล้วถือกระชับมั่นไว้ในมือเดินลิ้วไปเบื้องหน้าเวียงไรเฟิลประจำตัวเข้าเฉียงไหลอย่างไม่แยแสรอยของเจ้ากาลพยักทับรอยเท้าชัยยันและมาเรียตลอดระยะทางที่ไต่ขึ้นเหนือจนกระทั่งทอดลงสู่ที่ต่ำอีกครั้งยิงแยกตัวขึ้นเขาริมทางตรงชะง่อนหินใหญ่ทั้งหมดชะงักลงอีกครั้งมันทิ้งรอยสองคนนั่นแล้วี่ ดารินร้องขึ้นบุญคำหัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลำคออย่าเชื่อว่ามันจะทิ้งรอยนายหญิงมันต้องหาทางอ้อมไปดักหน้าแน่ๆเชื่อบุญคำดิรลพินไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นเขาพิจารณาดูรอยที่ไอ้โครงผีสิงแยกไตขึ้นเขานั้นเพียงอึดใจเดียวก็ออกรุดหน้าต่อไปโดยเร็วตามเส้นทางเดิมแล้วก็จริงดังว่า ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นต่างก็พบรอยของมันเดินไปทางเดียวกับสองคนนั่นอีกครั้งมีรอยตัดวุกลงจากเขาเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่รับพินจะต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพื่ออ่านรูปการอาจเป็นไปได้ว่ามันแยกสกัดดักหน้าบุคคลทั้งสองอาจเพียงแค่คอยดักสังเกตหรือดักซุ่มหาโอกาสจู่เข้าเล่นงานอย่างใดอย่างหนึง่งแต่แล้วจังหวะภายหลังเมื่อชัยยันกมารีผ่านไปแล้ว ก็เริ่มลงมาเดินตามต่อไปหรือมิฉนั้นสาเหตุที่มันหลบแยกขึ้นเขาตอนแรกก็อาจเป็นเพราะทั้งสองเริ่มไหวตัวรู้สึกทันในการย่องสกดติดตามของมันอยู่และเตรียมการรับมือจึงจำเป็นต้องหลบชั่วขณะหรือมิฉนั้นก็โดยแผนการล้ำลึกอะไรชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถจะคาดคิดไปถึงอย่างไรก็ตามตลอดระยะทางที่ติดตามอ่านรอยมาบอกได้แต่เพียงว่า ยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นในที่สุดด่านช้างที่เป็นช่องทางเดินมาในระหว่างหุบเขาอันสลับซับซ้อนก็โผล่มาออกสู่แองกระทะอันกว้างใหญ่ตอนหนึ่งและเมื่อนั้นเองฝนที่ถูกกันมาแต่เพียงละองก็จัดกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนลืมหูลืมตาไ ม, มา่ขึ้นสภาพของดงดิบที่ค่อนข้างจะทึบอยู่แล้วบัดนี้มืดมิดไปหมด ได้ยินแต่เสียงพายุฟ้าคำรามและกิ่งไม้ที่หักโค่นสนันวันไวอื้ออึงไปทั้งดกการติดตามรอยจำต้องหยุดชะงักลงในบัดนั้นทั้งสองรีบข้ามลำห้วยขนาดใหญ่ที่ทอดขวางอยู่ไต่ขึ้นโคกสูงต่อห น, นึง่งและได้ที่พักหลบฝนในโพรงไม้ใหญ่เหนือฝั่งห้วยมีเนื้อที่แคบจำกัดเพียงสองตารางเมตรพอเข้าไปนั่งเบียดกกันอยู่ กว่าจะหาที่พักได้ทุกคนก็เปียกฝนชุ่มโชกตัวเวนซะจริงๆเทวดาได้นี่มันจะซัดหนักไปนานสักแค่ไหนนะเนี่ยบุญคำสบดพรมปลดผ้าเข้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วกระบอกไม้ไผ่ออกไปรองน้ำฝนที่ไหลา ย, ยาตรงมาตามเถาวันถ่ายลงสู่กระติกน้ำอีกทีหนึ่งระพินแหงหน้าขึ้นไปมองส่วนหนึ่งของท้องฟ้า ที่เห็นได้จากยอดไม้อันโอนเอ็นแกว่งกวอยู่ด้วยความหนักใจมันช่ำน้ำมืดมัวไปหมดแสดงว่าไม่มีทางจะหยุดลงในระยะอันใกล้นี้มันเทกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่วดารินเอ็นหลังพิงรากไม้ขาข้างนึงเหยียดรากอีกข้างนึงชันเข่าขึ้นหลับตาลงหยดน้ำเกาะราวเป็นเม็ดไปตลอดทั้งใบน้า ปัญหาการขาดแคลนน้ำหมดสิ้นไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาแทนที่ฝนย่อมเป็นอุปสรรคสกัดกั้นการเดินทางให้ล่าออกไปอีกและก็รบร่องรอยของชัยยันกมามเรียเสียหมดสิน้นยิ่งกว่านั้นสภาพอันชื้นแฉะช้ชำนองของดวงดิบจะทำให้ลำบากต่อาการเดินและการดำรงชีพเป็นอย่างยิง่งกระพินขอใบบุรีใบตองแห้งจากบุญคามามวนช้าๆในความเงียบ ซึ่งมีแต่เสียงพายุฝนกระนาําปาอื้ออยู่ในขณะ น, นี้สมองของเขาเต็มด้วยความคิดอันหนักอึ้งชำเนืองไปทางราชสกุลสาวซึ่งเวร ก, กรรมก็ไม่ทราดที่บรรดาให้ต้องมาตกทุกข์ได้ยากอยู่ด้วยกันเห็นหล่อนคงหลับตานิ่งเหมือนจะเข้าพาวังอยู่เช่นเดิมแล้วก็เกิดความสมเพศจนบอกไม่ถูกอดจำพึงไม่ได้ว่า นี่ควรเลยที่สาวสวยผู้สูงสักอัครฐานเลิศด้วยวิชาความรู้ผู้นี้จะต้องมาตกอยู่ในภาวะลำบากยากแค้นเลือดตาแทบกระเด็นร่วมกับเขาเช่นนี้จะน้ำฝนหรือน้ำตาก็ไม่ทราบด่างไหลรินลงมาที่ร่องแก้มอันคล้ำซิและโดยไม่รู้สึกตัวจอมพรานเอื้อมมือไปกรีเช็ดให้อย่างอ่อนโยนสัมผัสอันปรนะณีถนอมเช่นนี้ หลุกหล่อนให้สะดุ้งนามตาขึ้นไม่สบายหรือเปล่าครับคุณหญิงหล่อนฝืนยิ้มให้สันสีสันถอดหมวกออกสลักน้ำบนเส้นผมปลาเพียงกันเหนื่อยแล้วก็อยากจะพักสัก ง, งีบเท่านั้นแหละกระพินเอาผ้าพลาสติกประจำตัวออกมาปูภายในบริเวณโพรงแคบใช้ผ้าขามาปูทับข้างบนอีกชั้นเนึงนอนพักจะก่อนก็ได้ครับ ยังไงเราก็ต้องพักอยู่ที่นี่จนกว่าฝนจะหายสงสัยว่าจะอีกนานแล้ครับสายตาที่แลมาเป็นประกายแห่งความขอบคุณและไว้วางใจสนิทยิ้มน้อยๆแล้วก็สั่งหน้าอีกครั้งอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวตามนิสัยธารนกไม่หรอกถ้านอนเราก็ต้องนอนด้วยกันตื่นก็ตื่นพร้อมหน้ากันทุกสิ่งทุกอย่างเราร่วมกันทั้งนั้นแม้กระทั่งความตาย อย่ากังวลกับฉันเลยถ้จาจะ ก, การุณาก็ช่วยมวนบุหรี่ให้สักตัวแล้วกันรับพินมวนบุหรี่และจุดส่งไปให้หลอนหญิงสาวรับมาสูบพ่นควันแล้วหยิบผ้าขาม้าของเขาที่ปูอยู่กับพื้นขึ้นมาเช็ดละอองฝนที่จับอยู่บนลำกล้องไรเฟิลของหล่อนให้แห้งสนิบมีหนำซ้ำยังช่วยเช็ดปืนของเขาที่วางอยู่ใกล้ๆด้วยลักษณะอันทรหดเข้มแข็งคืนมาเหมือนเดิม กลบซ่อนร่องรอยของความอิดโรยโหยละเหี่ยวไว้ได้อย่างน่าชมเชยจอมพรานทอดสายตาพินิษ์ดูน้องสาวคนสวยที่เคยแสนญิงพยศของนายจ้างด้วยความรู้สึกอันชื่นชมสายระเสือและประทับใจเงียบเียบราชสกุลสาวผู้เคยผิวบางราวกะหยกผู้นี้สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมเกินคาด แม้กระทั่งบุรีบ้านป่าอันฉุนกึกและมีรถต่ำซามอย่างยิ่งสำหรับชาวกรุงทั่วไปบัดนี้หล่อนก็สูบมันได้หน้าตาเฉยภาพเน้นไว้ด้วยฟันหน้ามือก็ง่วนอยู่กับการเช็ดทำความสะอาดไรเฟิลและดูเฮี้ยมเกรียมบึกบึนนักดอกฟ้าที่กลายมาเป็นพลัดผึงงพลาเขาคิดอยู่ในใจแล้วยิ้มออกมาพอดีกับที่หล่อนเงยขึ้นไปพบโดยบังเอิญ หยุดชะักจ้องตานิดนึงอย่างเฉลียวใจแล้วเลิกคิ้วฐานว่ายิ้มอะไรอยากมีกล้องถ่ายรูปชักภาพคุณหญิงตอนนี้ไว้นะครับคิ้วงามคู่นั้นขมวดทำไมเหรอจะได้ให้เจ้าเจ้าตัวเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกในอนาคตข้างหน้านะครับหากว่าอนาคตนั้นไม่สั้นเกินไปนกรอนทอด บ, บุรีออกจากปาก ถมเศษยาเส้นที่ติดลิ้นลงกับพื้นถามยำ้ำทำไมเหรอระพินยักไหลใครคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์คนที่นายระพินพบที่สถานี ก, กักสัตว์ของคุณอ้ำพลเลยครับถ้าจะเหลือเหมือนเดิมอยู่บ้างก็อย่างเดียวเท่านั้นคือความทารหนดดารินยิ้มเลี่ยนเลียย ฉันดำคล้ำผมโซหน้าตาเกิดบจะกลายเปลิงเป็นข้างไปแล้วใช่ไหมหาไม่ได้ครับกลับสวยเข้มดุดันน่ารักน่าบูชาและน่าคาระวะน้ำใจซิยิ่งกว่าสุภาพสตรีสำอาองโฉมลักษณะดีแต่กรีดกลายเย่อหญิงไว้ตัวคนนั้นซะอีกผมไม่ศรัทธาหม่อมราชวงศ์หญิงคนนั้นเลยสักนิดแต่ศรัทธาต่อพับพลึงไัยคนนี้มากกว่าครับ ก่อนเช็ดปืนของเขาเสร็จจับขึ้นโยนผลักไปให้โดยแรงอย่างกระแทกกระทันจอมพรานรับไว้ได้นี่อย่ามาเรียกฉันว่าพลัดพึงไพรนะเสียงนั้นฮ้วนชิงชางปั้นหน้ายิงถึงจะพลาดพลั้งตายอยู่ในป่าวิญญาณของฉันก็กลับกรุงเสมอแหละไม่คิดจะอยู่ป่าอย่างคุณรกผมทราบครับในข้อนั้นและขอภาวนาช่วยทั้งแรงกายแรงใจสารพัด เพื่อจะให้คุณหญิงได้กลัดไปเป็นสมบัติของอารยาธรรมตามเดิมดอกฟ้าจะกลายมาเป็นดอกหญ้าไปไม่ได้หรอกแม้ว่าบางขณะอาจจะหล่นลงมากรึกดินแต่สักวันนึงก็จะต้องลอยคืนสู่ฟ้าตามเดิมครับหญิงสาวนี่เหมือนสายตาออกไปสู่สายฝนเบื้องนอกที่หยาดพราวลงพรมดินดอกฟ้าหล่อนคิดแต่ก็ปรารถนาที่จะแอบอกดิน ใครแหละจะรู้ถ้าไม่คิดสอยก็เมินซะเถอะที่ดอกฟ้านั้นจะโน้มกิ่งลงมาเงียบงันตันใจกันไปคนละความคิดห่างออกไปวาเศษเบื้องหน้าแต่เท่าบุญคำนั่งกอดเขานิ่งเหมือนตอไม้แกก็กำลังเข้าพวาวังอยู่เหมือนกันนานๆพอน้านเต็มกระบอกไม้ไผ่ก็ถ่ายใส่กระติกสทีนึงครั้นแล้วหล่อนก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้น ด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเป็นงานเป็นการว่านี่ถ้าฝนตกอยู่อย่างนี้ไปจนถึงค่าเราจะทํำยังไงกันดีก็เห็นจะต้องหยุดค้างคืนกันอยู่ตรงนี้แหะครับไม่มีทางจะคืบหน้าต่อไปได้หรอกเป็นเสียงตอบเรียบเรียบจากพรานไพรซึ่งนาความรู้สึกได้ดีพอๆกันฝนตกอย่างนี้มันดีซะอีกนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนักแต่ยิ่งหยุดนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเวลาไปเท่านั้นนะ เราต้องการติดตามสองคนนั่นเพื่อรู้ข่าวของเขาเร็วที่สุดไม่ใช่เหรอแต่ฝนตกหนักมากมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่สังเกตนะครับรอยสองคนนั่นก็ถูกลบไปหมดแล้วอีกอย่างหนึง่งการกลำฝนไปโดยไม่รู้กําหนดแน่นอนว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่จะทําให้เราลําบากมากถ้ามีความจําเป็นขีดสุดเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคุณหญิงเป็นหมอแล้วก็เคยเดินกับตัวเองมาแล้ว คงทราบดีว่ามันร้ายกาจสักแค่ไหนในการที่จะต้องเปียกน้ำชุ่มกันไปตลอดทั้งวันหรือทั้งคืนหลางฝนหนักอย่างนี้ไปไม่ไหวหรอกครับนาะยหญิงพายุแรงด้วยดีไมด่ดีต้นไม้ลมลมทับตายแล้วเราก็จะหลงออกนอกทางไปกันใหญ่เลยทีเดียวบุญคำร้องบอกมาอีกคนดารินพยักหน้าช้ า, ชาความจริงหล่นก็พอจะมองเห็นในเหตุผลของคนทั้งสองอยู่ก่อนแล้วเหมือนกัน ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูบนเบาๆว่าเพิ่งจะบ่ายโมเศษเท่านั้นนะมันมืดรากะย่ำค่ำทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากน้ำทั้งนั้นเห็นข้าวฝนทีแรกก็ดีใจนะว่าจะได้น้ำกินและเดินได้สะดวกขึ้นแต่แล้วมันก็ตกลงมาซะจะลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนี่หวังว่าคงไม่โดนน้าป่าซ้าเขาอีกนะก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะครับ ทำนายอะไรไม่ถูกทั้งสิ้นล่ะในป่าแต่เราอยู่ในที่สูงครับมีลําห้วยใหญ่เป็นที่ระบายน้ําอยู่แล้วคงไม่กะไรนักถ้าสมมุติว่าน้ํามันจะหลากลงมาจริงๆสองคนนั่นตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งนะก็คงไม่สบายไปกว่าเราหรอกครับคุณหญิงคิดว่าคงอยู่ในรัศมีฝนเช่นเดียวกับเราเหมือนกันสังเกตดูท้องฟ้านะครับอนาเขตเมฆฝนมันกระจายกว้างเหลือเกิน อย่างน้อยก็คงไม่ต่ำกว่าบริเวณสิบตารางกิโลเมตรแหะครับสมมติววกฝนหายแล้วรอยทั้งสองคนนั่ก็หายไปหมดแล้วเราจะตามเขาได้ยังไงเอาไว้ถึงเวลานั้นแล้วเราค่อยคิดต่อแล้วกันครับคุณหญิงพรานใหญ่ตอบเหมือนเช่นที่เคยตอบทุกครั้งไม่มีอะไรจะทำได้ในขณะ น, นี้นอกจากนั่งจำเจารอฝนซาเม็ดพร้อมกับความคิดที่วกวน เหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างบุญคำจับการลอกหนังข้างข้าเวลาไปพลางเดผัดผ่าขาม้าถกขมินกรมเม็ดฝนที่รั่วลงมาจากยอดไม้อันมีกิ่งใบปกคลุมทึบอยู่เหนือสีสะออกไปยังต้นไม้ย่อมย่องเบื้องหน้าตัดกิ่งมันออกให้เหลือติดคางงามอยู่ลักษณะเหมือนขอเกี่ยวเอาเถาวันห้อยคอเจ้าข้างเคราะไรแขวนไว้แล้วกรีดหนังตั้งแต่คอ ลงมาจรดส่วนล่างดำเนินการถอดเสื้อออกอย่างคล่องคลองชำนาญดาริ น, นั่งกอดเขา่ามองดูตาพรานเท่าถลกหนังข้างอย่างใจลอยนิ่งซึมไปท้าหมุนเข็มนาฬิกากลย้อนไปสู่ความ โ, รโพรเพ ข, ของเมื่อเย็นวานนี้ขณะที่ฝ่ายติดตามสามคนปะทะกับตะขาบใหญ่บนเนินปา่าศักฝ่ายที่ล่วงหน้ายัางปราศจากจุดหมายที่แน่นอนมาก่อน ไต่ข้ามลำห้วยแห้งอันกว้างใหญ่นี้ขึ้นมาแล้วใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงก่อนความมืดจะย่างเข้ามาเดินหาทําเลที่พักดงทึบบริเวณ น, นี้สำหรับเมื่อวานมันแสง จ, จะแห้งแรงและเงียบสงัดอากาศอ้าวระอุแม้แต่ใบไม้เล็กๆ ก, ก็ไม่กระดิกสองหนุ่มสาวต่างผิวผู้ร่วมชะตากรรมเผชิญกับปัญหาหนักในเรื่องน้า ต่างแสวงหาได้อย่างแรนแค้นตามเถาวันบางชนิดและตามโพรงคาคบไม้โดยอาศัยสังเกตการลงกินของพวกนกเกือบสิบชั่วโมงเต็มเ็มที่เดินเดินหยุดหยุดกันมาเป็นระยะนับตั้งแต่เริ่มต้นในตอนเช้าตรู่จากบริเวณฝั่งทานใหญ่ที่พบกำแพงโบราณทั้งชัยันและมาเรียพยายามตรวจหาร่องรอยของพรรพวกที่พัดผ้ากระจัดกระจายกันออกไป อย่างไม่รู้อนาคตขณะเดียวกันก็พยายามสำรวจหาเงื่อนงมของอาณาจักรในอดีตการแต่ก็ไม่พบวีแววที่จะให้เห็นสภาพอันเคยเป็นตัวเมืองมาก่อนเลยหรือวิะนั้นก็เป็นเพราะป่าเขาลำนาไพรมันเป็นฉากอัมพรางไว้หมดมารีฮอกมันอ่อนเปลี้ยกระปกกระเปียกไปกว่าเช่นที่เคยเป็นอยู่ทุกวันเพราะสภาพทางร่างกายเกี่ยวกับรอบเดือนของหลอด แต่ก็ไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาและแม้ความอิดโรยนั้นจะปรากฏออกโดยแววตาอาการแต่ชยันก็ไม่ได้ยินเสียงปรีปากคำใดจากแม่สาวเลือดผสมแม้แต่คำเดียวหล่อนทรหดขาดใจเขาเองก็ใช่ว่าจะเป็นนักเดินที่ฝีเท้าแข็งขันอะไรนะักทั้งสองบุกบันกันไปตามแต่กำลังจะอํานวยให้ได้หิวจูงลากชุดกันไปตามยาาต่ำ บางขณะก็หยอกล้อหัวร่อต่อกระซิบบางขณะก็เงียบขรึมไม่พูดคำใดกันเลยเขาทั้งสองไม่มีโอกาสจะรู้หรือเฉลียวคิดเลยว่าถ้าเพียงแต่เขาจะหยุดอยู่กับที่เพียงไม่เกินห้าหกชั่วโมงในเวลากลางวันเท่านั้นยอมพรานระพินไครวันกับดารินและบุญคำก็จะโกรธหลังเข้ามาทันกันเพราะค้นพบวีแววเข่าเงื่อนของเขาทั้งคู่แล้ว แต่นี่จึงมีสภาพเป็นการเดินหนีกันอย่างน่าเสียดายที่สุดเป็นการเดินที่ฝ่ายข้างหน้าไม่รู้ตัวว่าถูกติดตามและฝ่ายหลังก็คันเนหรือคาดการไม่ถูกว่าทิศทางเดินจะบ่ายหน้าไปยังจุดหมายใดที่จะออกก้าวสกัดกั้นดักหน้าได้จะทำได้ประการเดียวก็เพียงเร่งฝีเท้าไล่รอยไปเท่านั้นระยะมันก็ทิ้งกันห่างสุดเสียงกูหรือเสียงปืน ที่จะแวววถึงกันได้ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะผจญกับภายร้ายเช่นไรสองคนอ่อนระโหยโรยแรงกันลงไปทุกขนักตามแสงตะวันที่กำลังจะลับเหลี่ยมเขาแดดผีตากผ้าอ้อมสาดเหลืองแสดมัวตาจับอยู่บนทิวยอดไม้สูงเหมือนจะสะกดให้เดินหลงเข้าไปสู่แดนอันหาทางออกมิได้ หลังเดินโซเซปัดเป๊กันไปเหมือนคนเมาเหล้าตามด่านเล็กๆที่เลื้อยคดเคี้ยวไปในระหว่างสองฝั่งรก ค, คันแล้วทันทีนั้นมาเรียซึ่งเดินอยู่ด้านหลังชายยานห่างเพียงแค่เอื้อมก็จับไหล่เขาไว้บีบโดยแรงเมื่อหันกลับมาเขาเห็นหล่อนยืนเบกิกตาสว่างโพลงอย่างตื่นพร้อมผิดไปจากอาการโผเผที่เห็นมาในระยะสองชั่วโมงหลังอยู่แข็งแกร่งปะปรลยขึ้นมาในฉับพลัน ทำไมชัยยันกระซิบถามมาเรียขมวดคิ้วนิ่งอยู่ครู่ตาเป็นประกายวาวดึงเขาให้ออกพ้นทางด่านเลี่ยงเข้าบังโคนไม้ใหญ่ริมทางรู้จึกว่าจะมีอะไรย่องตามหลังเรามาฉนันได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้งถูกเหยียบหักกับพื้นมันไม่ใช่เสียงที่เราเดินเหยียบอดีตนายทหารปืนใหญ่ตาลุกหูพึงขึ้นในทันทีพยายามเงียบฟังเสียงอยู่อึดใจเต็ แต่ก็ไม่ยินเสียงอะไรผิดปกติทั้งสิ้สนสดใสสายตาออกไปยังปลายทางด่านเบื้องหลังและพุ่งพงในละแวกข้างเคียงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในปกติสภาพคุณเหนื่อยเกินไปมั้งเมประสาทหูอาจจะแว่วไปเองก็ได้หรือบางทีกิ่งไม้แห้งมันตกลงมาหัด ก, กับพื้นแมมสาวสั่นสีษะอย่างมั่นใจขยับลูกเลื่อนแผวเบาดูดกระสุนที่ประจำอยู่ในรังเพลิงอีกครั้งแล้วค่อยๆปิดก้านลูกเลื่อนลง เอี้ยวใบหน้าเช็ดเหงือ่ออันชุ่มโชกกับไหลซึ่งชื่อสิโอฉันไม่เคยฟังอะไรผิดมันไม่ได้เพิ่งจะมาดังแ เ, เดี๋ยวนี้นะฉันรู้สึกตัวมาก่อนตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแนละ้วคอยสังเกตจยับฟังมาทุกระยะและเพิ่งมาแน่ใจ เ, เดี๋ยวนี้แหละใช่ยันเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าพอขึ้นจากลำห้วยมาเรียก็ลงไปเดินอยู่ด้านหลังเขาซึ่งครั้งแรกเข้าใจว่าล่เน็ดเหนื่ยอยอ่อนเพลียมากจึงให้เขาเป็นผู้นํา ความจริงนั้นเป็นเพราะหล่อนคงสำเนียกถึงสิ่งผิดปกตินั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะเมพอเราหยุดมันก็หยุดมันคงฟังเสียงจากเราอยู่เหมือนกันฉันคิดว่ามันอยู่ห่างไม่เกินสี่สิบเมตรออกไปนี่เองแต่ป่ารกบังไว้ชายหนุ่มมองดูสภาพป่าและแสงยามเย็นที่เริ่มมืดสลัวลงทุกขณะอย่างหนักใจเพราะตะหนักได้ดีว่าถ้าความมืดย่างเข้ามาปกคลุมสนิทเมื่อไร อัตราเสียเปรียบจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าออตัวแล้วคุณคิดว่ามันเป็นอะไรแต่เดี๋ยวก็รู้คุณทำตาม ท, ที่ฉันบอกหน่อยได้ไหมใช้ทำยังไงเมีบ อ, อกเดินต่อไปตามด่านเนี่ยพยายามเดินให้ฝีเท้าหนักๆหกยิบกิ่งไม้ให้ลัน่นหรือแกลงพูดคุยอะไรไปคนเดียวก็ได้ทํเหมือนว่าคุณเดินไปกับฉันโดยปกติแล้วคุณละเม่จะดั ก, กมันอยู่ตรงนี้แหละ แล้วหล่อนก็กล่าวต่อมาโดยเร็วเมื่อเห็นเขาอ้าปากจะขัดขานไม่ต้องห่วงแต่เราไม่ควรจะแยกกันในภาวะเช่นนี้นะมันจําเป็นคุณแกลงเดินไปตามทางด่านนี่ไม่ไกลนักหรอกไม่ต้องกลัวว่าจะหลงพลัดกันประเดี๋ยวฉันตามคุณได้เร็วครับชายันพยักหน้าอย่างเข้าใจในสถานการณ์เช่นนี้การตัดสินใจที่ดืดขาดรวดเร็วเท่านั้นที่จะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น และถ้าไม่เชื่อมาเรียผู้ซึ่งมีพิชานเหนือกว่าเขาในเรื่องพงไพรแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครอดีตนายทหารหนุ่มตกไล่เพื่อนสาวต่างผิวหนักหน่วงแล้วมีปลายเพื่อนไว้ในซอกแขนลักษณะพร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะฝุ่นใจผิวปากทรงเดชไม่เป็นเพลงออกเดินยำ่ำฝีเท้าหนักๆเหยียบใบไม้กรอบแกรบไปตามทางด่านเล็กๆอันคดเคี้ยวนั้นบางขณะก็ส่งเสียงพูดพึดพดพมพำ มาเรียมองดูตามหลังเขาไปครู่เดียวชัยยันก็รับร่างไปทางโค้งซึ่งมีป่าบังอยู่แม่สาวเอามือทั้งสองอันเปีกชื้นเงือชื้นลูบกับก้นกลางเกงเดินตาจนแห้งสนิทและเฉวยไร่เฟินประจำตัวขึ้นแอบซุ่มเงียบกริบอยู่หลังโคนต้นไม้ที่เดิมตาคมวาวจ้องสำรวจสวนทางไปเบื้องหลังรอคอยสั่มสำเนียงหรือภาพอะไรที่จะปรากฏขึ้นกับสายตาแน่ละ เจ้าสิ่งนั้นจะต้องตกเป็นเป้าอย่างถ น, นัดั น, นีที่สุดถ้ามันโผล่ออกมาให้เห็นสองสามอึดใจผ่านไปอย่างเงียบสงบคงได้ยินแต่เสียงย่ำส่วบสวบห่างไกลออกไปเป็นลําดับของช ย, ยันทางด้านหลังเท่านั้นนอกจากนั้นหล่อนไม่ได้ยินอะไรอีกเลยมาเรียกัดกริมฝีปากอย่างคลางแคลงทางด้านชา ย, ยันนั้นเดินเตะใบไม้ทำเสียงครวมครามไปได้พักหนึ่งก็ชะลอฝีเท้าลง เมื่อพบตนเองยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวผ่ามกลางความวังเวงอันน่าสยองกล้าเสียงผิวปากก็ค่อยๆแผวเหือดหายไปกลายเป็นความเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตนเองเต้นรอบด้านขมุขขมัวมืดมน ล, ลงเป็นลำดับและไปทางใดก็เห็นแต่ต้นไม้ใหญ่ตระงานและพุ่มพงอันเป็นเงาลี้ลับเสมือนจะมีวิญ ญ, ญาณชั่วร้ายซึ่งเป็นศัตรูคอยจ้องที่จะเอาชีวิตอยู่ มันจะเกิดจากสังหอนอุปทานอย่างใดก็สุดที่จะบอกได้แม้จะบังคับจิตใจให้กล้าแข็งมั่นคงเช่นไรก็ตามเขาก็อดที่จะบังเกิดความพรั่นสยองหวาดระทึกลงเสียไม่ได้รู้สึกกล่าวเปลี่ยวเอกาเหมือนตนจะเดินหลงตาอยู่เพียงคนเดียวทั้งๆ ท, ที่ก็รู้ว่ามารีอาฮอฟมัน่นเพื่อนตายอยู่ห่างเขาออกไปไม่ไกลนักมันเป็นครั้งแรกที่เขาแยกห่างออกมาจากหลอนจนมองไม่เห็น ทำให้ห่วงกังวลหนาวสะท้านเข้าขั่วปอดยังไงบอกไม่ถูกชยันเลี่ยงเข้าหาโคนไม้ริมทางแล้วหยุดฟังเสียงเงียบเหือเกินเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมในหูลั่นอยู่กริงกริงไม่มีวิแววระแคะระคายใดๆจากเพื่อนสาวต่างผิวที่ดักคอยนาทีสำคัญอยู่เบื้องหลังเขาภาวนาอยากจะให้ได้ยินเสียงเปินลั่นขึ้นโดยเร็ ว, รวจะได้วิ่งย้อนกลับไปดู แต่มันก็ไม่มีเขาเงื่อนอะไรทั้งสิ่งประมาณห้าหกนาทีที่ความเงียบอันชวนให้เราร้อนกระสับกระส่ายนี้ครองบรรยากาศอยู่ในสุดประสาทอันคอยระแวงอยู่ก่อนแล้วบัดเดินนั่นเองชา ย, ยันก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้ลั่นแกรกขึ้นเบาๆจากตรงทางด้านซ้ายมือของด่านผหันกวับไปจ้องทางด้านนั้น เ, เร็วด้วยหัวใจที่เต้นรแรงก็ทักปืนขึ้นไหลจ้องแต่ก็มองไม่เห็นอะไร เสียงนั้นดังขึ้นครั้งเดียวก็กลืนหายไปในความเงียบอันน่าคิด